เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรทุกท่านวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันในครั้รนงนึงใครสนใจเข้ามายินดีกาอนรับทุกท่านที่มีความสนใจฝครรู้ฝ่ายศึกษาก็ื่อทำคำสอนคำพระมุตยา พราไปจว่ากันไปตามตามนเถัะใครเข้ามาก่อนา็จะได้คุณอาวันนี้เข้ามาก่อนนะคุณอาจะรอวินเช่นวันนี้ไม่เัา อ่อจากวอร์ิร น, นว่ามามาส ก, การ์ค่ะเป็ น, นยังไงสบายดีแล้วสบายดีค่ะพ่าอาจารย์โอเป็นคนแรกเหรอคะอ่ะค่ะไม่มีคำถามค่ะโอเคเราจะไปสู้กรบความกลวเข้าป่ะไปเดือนหน้าค่ะพ่าอาจารย์้อนนนะโอเคสชวไปเรื่อยๆนะทดสอบไปเรื่อยๆ ค่ะคุณกลางว่าอะไรอยากเสียชาปรากอบนมรดการเจ้าขาพระจารย์วันนี้ก็หนูไม่มีอะไรเจ้าขาแต่ว่าหนูที่หนูเคยเรียนกับเรียนพระจารย์ว่าเหมือนนี้อุเบกขาค่ะแต่หนูมาทราบว่าอุเบกขาหนูน่าจะเป็นหลอกเพราะว่าพนักงานเพิ่งจะเสียชีวิตไปอะค่ะแล้วเรารู้สึกเสียใจเพราะว่าเราช่วยเขาได้ไม่ทันก็เลยรู้สึกว่าก็เลยร้องไห้ออกมาหนูก็เลยรู้ว่า อ๋อไอ้ที่เรามีอุเบกขาเนี่ยจริงๆคือมันมันเป็นของหลอกหมดเลยไม่หลอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะหมดได้ถึงต้องเข้าสมาธิบ่อยๆอเราทำสมาธิอยู่เรื่อยๆทาไม่ทํามันก็เสื่อมมันก็หายไปได้พระอาจารย์ถ้าหนูไปรับปากพนักงานที่เขาเสียชีวิตว่าเหมือนเขาจะช่วยเขาเออ่ดําเนินเรื่องของการได้รับเงินชดเชยให้ทันที่สุดแต่ว่าทําไม่ทันเนี่ยค่ะแล้ว มันเป็นบาปไหมเจ้าค่ะอไม่หรอกเราก็ทําตามถ้าเราทํากันที่แล้วมาถึงเป็นเรื่องสึบวิสัยได้ค่ะได้เจ้าค่ะค่ะมีแค่นี้เจ้าค่ะคุณแม่ชีมินนะมินบวชชีแล้วเหรอมินนักวิชาการค่ะพระอาจารย์ร้องหอกลับพระอาจารย์ค่ะนึกว่าหนุนแน่นนึอบวชีจอ๋ไม่ได้บวชชีค่ะแต่ว่า เหมือนโกนเองแล้วก็ถือศีลเองก็ค่ะอาจารย์อ่าใชมันไ ม, มน่มันอยู่ที่ตัวเราไม่อยู่ที่ใครแล้วนะอืค่ะอาจาร ย, อย์อยู่ที่การปฏิบัติของเราตราไม่ได้เข้าสู่อาจารย์นานมากเลยค่ะมากับนมัสการค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้อยู่ที่อํำน่าจเจริญค่ะอาจารย์อยู่ที่วัดเลยวัดป่าหรืเปล่าใช่ค่ะวัดป่าค่ะอาจารย์สงบไหม ก็จริงๆก็เป็นไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนเลยค่ะก็เป็นเหมือ น, นกับเป็นป่าเลยค่ะพระอาจารย์อืมาจจะแนะนําวำให้คุณนันทพัฒน์เก็อยู่บนบนังเทียราจจะไปเยี่ยมก็ได้อ๋อค่ะได้ค่ะอยู่อำนาจเจริญค่ะอาจารย์อำนาจเจริญก็ติดกันเนี้ยอำนาจเจริญอยู่บนใกล้กันค่ะใกล้กันเกลกัน แ, แค่อยากจะไปไ ป, ไปีกไม่กด้กาไม่ได้ไปลอง อก<อ> <มา S 2> ันได้ไหมรู้จักกันได้ไมนันทพัฒน์ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ อ, อยู่ที่หน้าจออนนี้เดี๋ยวให้แชทกันดูกันแล้วกันกนะ็ตอนนี้ก็มารายงานให้พระอาจารย์ทราบอะคะ่ะก็คือพอดีว่าหนูก็น่าจะยิงยาวทางนี้เลยค่ะพอาจารย์เ น, น่ใจเลยเอันนี้ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้อะก็ อ่าเป็นผู้สละเรือนแล้วค่ะพระอาจารย์ก็สละทรัพย์สละทุกอย่างหมดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลุยด้านนี้อย่างเดียวเลยโอเคยินดีด้วยแสดงความดีด้วยอะก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์เป็นคนผักดันค่ะพอาจารย์น้องอาวุธเจ้าเป็นตัวอย่างอุตเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ยังสละภาษาสามเรื่องดูได้ค่ะพรบอาจารย์ ถ้าไม่สลามมันก็ไปไม่ได้นั่นเหมือนเรือถ้ายังติดสมบัติอยู่ก็ยังเหมือนเรือที่ยังทอดสมองอยู่ไม่ถอนสมองค่ะพระอาจารย์เรือจะไหลไปได้มันต้องถอนสมองใช่ไหมยังสมองเรือมันก็จะเด้งน้อยถ้ายังติดอยู่กับทัพย์สมบัติต่างๆอยู่แล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็จะติดอยู่ครับข้างดูแลรักษา ทรัพสมบัติท่งเราไปได้เลยค่ะอาจารย์ถ้าเราจะไปล้วต้องตัดสลากไปก็ตอนนี้ก็สละหมดเลยค่ะาพาระอาจารย์เหลือ<ด>แค่กระเป๋าเสื้อผ้าสองใบรู้<ไป> <laughs> สึกเบาใจดีไหมดีนะเวลาตัดสินใจสละได้ใจมันโล่งไหม คือรู้ส <ains> ึกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากค่ะอาจารย์แต่พอเราเริ่มปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรกับอะไรเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายค่ะอาจารย์แล้วก็เหมือนของรักที่ที่หนูรู้สึกว่าหนูลักมากแบบพวกหนังสืออะไรพวกเนี้ค่ะอาจารย์ก็ล่าสุดก็เหมือนบริจาคหมดเลยก็รู้สึกว่าเบาค่ะอาจารย์เหมือนกับเราได้เราได้เหมือนตายตอนที่เรายังมีสติอยู่่ะค่ะอาจารย์ ตาขาดตา ย, ต, า ย, ต, ายตั้งแต่ยังไม่ตายใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็เหมือนหนูก็ได้ไปขอเขมาญาติพี่น้องแล้วก็พ่อแม่อะไรย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับแจ้งเป็นกิจลักษณะว่าเราจะมุ่งทางนี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ออก็เลยรู้สึกว่าเหมือนทางโลกหรืออะไรพวกนี้มันเหมือนกับว่าตัดขาดไปเลยค่ะอาจารย์ก็เหมือนเกิดใหม่อีกรอบหนึ่ง อ, อือดี ขอปฏิบัติจะได้อยู่อย่าง็นความสุขได้ อ, อันนี้ใจทุกข์ไหมไม่ค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าสบายบค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าสบายแล้วก็สนุกกับการที่เราแบบปฏิบัติแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> แต่ว่าทุกข์มันก็เห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ไปไปอะไรกับมันนะะก็คือเห็นมันเกิด เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่อยๆไงค่ะโดยใจเรายังไม่สงบตลอดเวลาก็ยังมียังมีบ้างถ้าถ้ามียังมียังมีบ้างอะค่ะอาจารย์แต่ว่าเอ่อมันก็บอกไม่ถูกมันก็เหมือนคลายไปได้เยอะมากๆแล้ ว, วะอะค่ะณทีวันนี้ก็าให้เราพอนะใด้เต็บที่หรือ ว, ว่าต้องมีกิจกรรมที่ต้องทำด้วยก็ เ อ, อมีบ้างค่ะอาจารย์ก็มีต้องทําก็มีทํางานวัดด้วยหนูก็มีงานเผยแพร่บ้า ง, างนะคะพระอาจารย์แต่ก็ภาวนาเป็นหลักแล้ว ง, งานที่แบบต้องทำวันเช้าวันเย็นนี่เราต้องทาร่วมกันหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะอาจารย์ไม่ต้องนะมีคนอยู่ในวัดกี่วันนะพระกี่รูปคือคือของโหลูเหมือนเป็นสำนักที่ สำนักที่ยังไม่ค่อยมีคนเยอะค่ะผู้จารยท์ที่นี่จะมีประมาณสามสี่สำนักแต่ว่าของหนูที่อยู่ก็จะมีตอนนี้มีพราสองลูกค่ะแล้วก็อ๋อพระสามลูกค่ะผู้จารย์แล้วก็มียาตโยมประมาณสองสามคนเนี่ยค่ะญาติโยมก็มาปฏิบัติแบบชั่วครั้งชั่วคราวนี่แหละนื่ yeah. องายู่ยามอาวก็มีชั่วครั้งชั่วคราวค่ะผู้จารย์ แค่ยาวๆเลยจะมีอยู่ที่ที่อื่นค่ะที่เชียงรายที่นี่มีเราคนเดียวที่คารนี้อยู่ยากนีหนูคนเดียวค่ะพระอาจารย์ตัดตัดท่อน้ําเลี้ยงหมดเลยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบขอทานทุกวันนี้เลยค่ะพระอาจารย์ก็อาหารที่เราใช้ออหารใชจากบิณฑบาตของพระที่เหลือใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนจริงๆที่นี่ไม่ค่อยมีคน ก็มีมีมาทําบุญบ้างแต่ไม่ได้เยอะแบบเหมือนวัดทั่วไปค่ะอาจารย์ก็เหมือนเราก็เหมือนอาศัยที่เหลือจากของคายเนี้ยค่ะอาจารย์ต้องมีโรงควรต้องทำอาหารเพิ่มอซมไม่ค่อยต้องทําค่ะอาจารย์ก็คือหลักๆจะเหมือนเหลือจากบิณฑบาตมาอ่างนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอาจจะมีญาติโยมชาวบ้านมาทําบุญบ้างอะไรอย่างนี้อาหารบิณฑบาตก็พอกิได้ ก็หนูก็ฝึกกินอาหารอีสานเรียบร้อยค่ะอาจารย์ก็ไม่นีม่มีปัญหาอะไรก็เขากินอะไรก็กินตามเคำว่าอะไรอย่างเงี้ยเล ย, าายเอา่าฮะนะปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้นะร่าง น, น้อยสั่นโดยนะค่ะอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีจริงๆไม่ค่อยมีอะไรเลยที่นี่อะไรเงี้ยค่ะอืดีไม่มีอ่ะดีจะได้ไม่มาลบกลั ว, วรเรามันเป็นทาละค่ะอาจารย์ ย่าได้ปฏิบัติเต็มที่อย่าลืมสตินะสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดตับ ส, สติเยอะเลยอย่าให้ใจก็ทำก็ทำเรื่อยๆแล้วก็อ่านหนังสือทุกวันอย่างที่พระอาจารย์เคยแนะนำค่ะอาจารย์ก็อก็ยังใช้คำที่พระอาจารย์สอน มาตลอดเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นที่ไปเจอพระอาจารย์เมื่อประมาณต้นปีค่ะอาจารย์เร็วนะเจะต้นปีการปีนี่ก็บวช น, นะใช่ค่ะ <c oughs> พระก็คือ <c oughs> เริ่มเจอพระอาจารย์ครั้งแรกตอนกัญญาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตัดสินใจก็คือประมาณมกราแล้วก็เหมือนไปร้องเชิงก่อนแล้วก็พอร ก, กรกฎาก็ทิ้งหมดเลยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ก็เกือบปีพอดีนะ 1> 1ประมาณ <Okay. S 2> วันแรกตั้งแต่วันแรกที่เริ่มศึกษาก็สิงหาปีที่แล้วค่ะ uh huh. แล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือปีหนึ่งพอดีค่ะอาจารย์ก็แ uh huh. สดงว่ามาไกลนะเก้าไกลแล้วเก้าวต่อไปพระอาจารย์ซ uh ูไ huh. ปถอยสู้ไปถอยนะพระอาจารย์ uh huh. <Okay. S 1> ไม่มันรลุก็ไม่กลับบ้านเออไมันรรลก็ไม่กลับอยู่ดีกลับเป็นทําไมถ้ามบรรลุนะ แล้วยังงั้นเรากับไปโปรดญาติโยมนั่นเองแต่ไม่ได้กลับไปอยู่เขาแล้วถ้ามันรู้เราจะกลับไปหาเลยก็ตอนที่ตอนที่ไปขอเข้ามาก็เขาก็ทําใจกันเรียบร้อยหนูก็ให้เขาทําใจกันให้เรียบร้อยของอาจารย์ก็บอกบอกว่าแล้วเลือกทางนี้แล้วมันลาตายเนี่ยบอกว่าลาไปตายแล้วคงไม่ได้เจอลนอีกแล้วใช่ค่ะก็ก็บอกไปว่า ถ้าเกิดต้องตายจากกันก็ไม่ต้องเสียใจเพราะาได้ล่ำลากันแล้วอ่ค่ะอาจารย์แล้วก็บอกว่าเหมือนคือรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรติดค้างกับทางโลกแล้วเพราะว่าหนูเหมือนขอขมาหมดทุกคนแล้วแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าไม่มีอะไรติดค้งการนมบูนาการนมบูทา <c oughs> นามนคือแปลกมากค่ะพระอาจารย์คือหนูไปหาญาติก่อนญาติเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าร้องไห้ทุกคนเลยค่ะพระอาจารย์ เหมือนประมาณว่ากลัวว่าเหมือนจะไม่ได้เจอหนูแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนหนูไปขอขอมาพ่อแม่ค่ะคือตรงกันข้ามคือพ่อแม่ดีใจมากที่หนูมาทางนี้เนี่ยค่ะพ่อแม่เหมือนแบบรุนนักกีฬาเลยเชียร์เต็มที่กลัวล้าสังยลไม่ได้เพรพ่อก็เหมือนแบบว่าโมทนาแล้วก็ดีใจ <Okay. S 2> แม่ก็บอกว่าเออเาเรียกอะไรแม่ก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเกิดมาเจอกันอีกแล้วก็คือ ไปนิพานเลยประมาณนี้ค่ะนี่แสดงว่าเขารูเ้เรื่องศาสนาดีใช่ค่ะอาจารย์พ่อแม่ดูไม่ห่วงเลยค่ะอาจารย์ก็ดูหายห่วงเล ย, าายแล้วมีพี่น้องคนอื่นดูแลพ่อแม่ไหมน้องอยู่ค่ะอาจารย์น้องอยู่นะค่ะน้องก็เป็นคนไล่เข้าวัด น, นะคะน้องก็บอกว่าไม่ต้องห่วงน้องก็คือเชียร์เต็มที่เหมือนกันก็คือทั้งบ้าน ยากมาทางนี้อยู่แล้วค่ะหนูโชคนี้ไม่มีไม่มีอะไรมีวลางเลยใช่ค่ะอาจารย์เหมือนหนูก็รู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันทําให้เราสละทุกอย่างได้ง่ายค่ะอาจารย์ได้ขึ้นทางด่วนยางง่ายได้ใช่ค่ะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่ามันเป็นทางดวนจริงๆค่ะอาจารย์เพราะว่ามันแบบทําให้เราก้าวเร็วมากมาก เรามีเวลาปฏิบัติได้อย่างเตง็มที่ค่ะพระอาจารย์โอเคมีอะไรมีคำถามไหมมีเพียงแต่มารายงานตัวเมื่อรายงานตัวค่ะแล้วก็ให้พระอาจารย์ให้คําแนะนําก็ได้ค่ะพระอาจารย์ในการปฏิบัติหลังจากนี้ค่ะพระอาจ า, ารย์ก็เน้นสติก่อนเลยนะสติให้ไว้มองแล้วแต่ตื่นจนหับเลย ให้คุมจิตให้อยู่ยให้มั น, น้อยแปลดีนดนะครัอยาให้มันไปคิดเรื่องราวตาว่อให้มันอยูในปัจจุบันค่ะระอจาจแล้วนั่งสมาธิให้มากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิสดับกการเดิจนจงก ร, ร, ร, ร, รมน่าเบื่อ่าอ่านหนังสือธรรมะบ้างนะอ่นหนังสือทางแนวปฏิบัตออินะไม่หนังสือลงต า, า, วรร า, วรราวนาโหลดบ่างหนังสือามานา <ห>มีหนังสือปฏิปทานประวันินมันติลล์อไรน่นอะไรั้ยังยังไม่ได้ขอมัลติบัลงใจเรามันคุณลาจะมีน่นหนุที่อยู่ให้คุณลาคุณลาจะสมไปให้กันนะอ๋อค่ะมีรลย์พี่หลายอยูอ่โอเคนะครับท่านี้ก่อนนะั้นด้วยนะค่ะ ข, ขอบขอบคุณพระาจ้าน้องมากมาค่ะโอเคทรบท อาภิเกษนภิเกบัณฑิตอากรธรรมนการธรรมศาสตร์โอเก็จะอันนี้อะอ่าวันนี้ริงๆไม่มีคำถามครับแต่เมื่อวันอาทิตย์ได้ไปใส่บาทเอ่อหวง่อ อ, อิฐถวายมาครับอ่ามานาครมน้อยนี้มาดื่มเทเอ่อที่วัด เอ่อที่ที่ส่วนแสงธรรมครับพระอาจ า, ายบบรย์พอดีท่านท่านลงมาแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าท่านก็ลงมาอีกครับก็คนไปใส่บาตรท่านเยอะมากครับอมไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์เคยเจอท่านที่เคยอยู่ด้วยกันหรือไม่ว่าตาบัจาจ่าอ๋อคือทานกันอยู่ใช่ไหมครับอ่าทัานยังจ่ากัอ น, นอ๋อท่านบวชก่อนเหรอครับพระอาจารย์เพรท่านบวชก่อนสิบพรรษาท่านจ่เราสิบพรรษาโอ้เท่ากับ่หลวงปู่เฉรี่เลยใช่ไหมครับ เอออารย์ดูบงูชาครับโอ้แต่แบบปัทายาดย ม, มากันเยอะมากครับครับอาจารย์แล้วเอ่อพระอาจารย์ไม่มีนิมนต์มากรุงเทพบ้างเหรอครับทื่เรานิมนต์ไปทั่วหมดนะท่านมเราไปทางสุมไปไกลกว่าครับใครได้ท<ร>ุออกแห<ร>่ทุกอนะครับไปแบบนั้นมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็ไปเพลงแต่แต่ให้เขาใส่บาตรอนดน เอาอย่านี้ดีกว่าได้เนื้อๆหน่อยเราธรรมะดีกว่าครับให้แจกธรรมะดีกว่าแล้วก็มีคำถามอีกอ่ะขออนุ ญ, ญาตถามคําถามแล้วกันครับอ่าเมื่อวีวัฒเห็นเห็นในเฟซบุ๊กของคุณหมอดาวจากอุบล น, นะครับที่เขาพาคุณพ่ออาจารย์ดนัยไปหาพระ อ, อาจารย์สุชาติใช่ไหมครับ อ, อ, อ่ผมอยากจะถามว่าอย่างเคสอย่างของอาจารย์ดนัยท่านฝึกเองแล้วก็ปฏิบัติเองครับ ทีนี้ถ้าเกิดอย่างคน ท, ทั่วไปอย่างพวกผมเนี่ยครับควรจะฝึกโดยมี อ, อยามาปรึกษามาคุยกับอ า, อาจารย์อย่างเนี้ยดีกว่าไหมครับหรือว่าไปปฏิบัติเองครับอ๋อเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเองแต่เวลาศึกษามันก็ต้องมีมีมีอาจารย์หรือมีพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามนะมันต้องมีครูอ่ะมันต้องอิจฉาท่านเผื่ม อ, ม, ม, อมีปัญหาไม่เข้าใจอะไรก็ได้ปรึกษาได้ แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติเองตามครับอนหนังสือก็ได้อนหนังสือต่างๆของครูาอาจารย์นี่ก็เหมือนกับมีอาจารย์แต่ถ้าเราพบกับพระอาจารย์รุ่งใดที่เราเพิ่งได้แล้วก็เพิ่งอาศัยท่านไปด้วยก็ได้ ก็วอาจารย์เลยครับบางทีเป็นเจ้าอาจารย์ที่ท่านอาจจะไม่รู้จริงก็ได้ท่านอาจจะสอนให้เราหลงนั่นอย่างนี้ถ้าเกิดญาติโยมทั่วไปเวลาศรัทธาพระอาจารย์เนี่ยก็ต้องดูธรรมะที่ท่านสอนถูกไหมครับว่าตรงกับหลักพระไตรปิฎกขนาดไหนถูกไหมครับอันนั้นก็ส่วนนใหญ่ดูว่าคล้ายกับที่พระเจ้าสอนหรือเปล่า เช่นสานไม่ต้องใช้สมาธิเนี่ยมันขัดแล้วล่ะเราสอาสนศีลสมาธิปัญญาเขาเขายังเจอเหมือนอย่างเขบอกว่าไม่ต้องแบบนั่งสมาธิตัวนิ่งๆอย่างเดียวหรือใครใช้เดินปัญญาซึ่งแอบแอบขัดแย้งครับว่าสมาธิยังไม่ดีจะไปเดินปัญญาได้ยังได้มันก็ได้แต่ปัญญาแบบกินตามยะปัญญาไม่ได้ภาวนาอายะปัญญา ปัญญาม่เป็นสามระดับสุดะเมียปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาได้ยินได้ฟังอินตาเมียปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาใข้ควรพวนาเมียปัญญาปัญญาที่ ท, ที่ที่ผสมกับอุเบกขาที่ได้จากสมถะาวนาครับอ ถ้ามีแต่ปัญญามันไม่มีสมถนะภาวนามันก็ไม่เป็นภาวนาะเมย์ปัญญามันเป็นจินตามันเป็นสุตตาครับจากที่ประสบการณ์ที่เคยผ่านมา ก, ก็เจอเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดไม่มีสมาธิมากพอก็ไม่ไม่มีกําลังมากพอไปสู้กิเลสเลยครับอรู้ตายลแล้วก็รู้กิเลสล้วก็รู้โลกไมดีก่อนไม่ดีแล้วมันเกิดขึ้นมาเราหยุดนั้นไม่ได้ รครับครับขอคําถามสุดท้ายครับอาจารย์อย่างเอที่วันนั้นเหมือนหมอดาวเขาเป็นห่วงพอเขาอยากเลยอยากทราบว่าไอ้คาว่าพรมลึกพรมลูกฟักนี่มันคืออะไรอาจารย์อะไรนะอพรมลูกฟักอะครับอันนี้เราก็ไม่รู้รครับใช่ไหมครับใันนี้ว่าวัณฑิตอ่านเพจของเขาแล้วผมก็ยังสงสัยว่ามันคืออะไรถามเขาดูเลย ครับคำให้เขียนคำให้ในในโพยของเราดูนะครับอาจจะลองหาในก o เกิลดูก่อนก็ได้ครับว่ามันมันใกล้เคียงกับคำอะไรครับหรือบางทีถ้าแล้วก็เข้ามาในเวลาที่เข้ามาแล้วเราตามติดต่อได้ได้ได้ครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับเทพว่ากับนักการตึกษาทุกครับทุกครับสวัสดีครับเป็นอย่างดีนะครับอย่าลือนะครับอย่าลื้นะ แยดูนะคุณหลวงอบอกแยดนะขอบคุณครับารุขอบคุณพระองคพระอาจารย์ที่ไม่ตาครับสาธุคุณอนุรักษระบุญต่อกรรรมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อนุโมทนาบุญกับคุณแม่ชีมินสนใจเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะลูกกาลังหาวัดที่จะไปปีกวิเวกดูเจ้าค่ะพระอาจารย์เรวติดต่อกันดูลองขอแชทสองแชทติดต่อขอไลน์รอะไรกันดู ค่ะเพราะว่าจากอุบลที่ลูกอยู่ไม่ไกลประมาณไม่ถึงไม่ถึงร้อยกิโลค่ะไปไปอำนา จ, จเจริญค่ะก็วันนี้ขอโอกาสกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคือที่ลูกฟังธรรมพระอาจารย์เทศเ อ, อในช่วงที่ผ่านมามีครั้งหนึ่งพระอาจารย์พูดว่ารู้มีสองอย่างคือรู้ตัวแรกคือผู้รู้แล้วก็อีกรู้อีกตัวหนึ่งเป็นรู้ในานามขันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ เราจะต้องใช้สติสมาธิปัญญาเพื่อที่จะให้เราละไอตัวรู้ในนามอาคารมาอยู่กับตัวรู้ที่เป็นผู้รู้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าเราใช้สติกับสมาธิคือมันมันเข้ามาอยู่ได้ชั่วขา่าดอยู่กับตัวรู้ได้ชั่วข่าวใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเป็นปัญญาที่อยู่ได้ถาวรการที่ปัญญาอยู่ได้ถาวรเพราะว่าเพราะว่าเราเราเห็นเป็นอนัตตาว่า ไม่ใช่เราก็เลยเข้ามาอยู่กับผู้รู้ได้ได้ตลอดอย่างนี้ลูกเข้าใจถูกไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์คือมันไม่ได้อยู่ผู้รู้ไม่ได้ให้ผู้รู้ปล่อยวางไม่ให้ไปยึปดไปติสิ่ที่รับรู้ถึงการรู้แสงจีนรอยโปรดทรรมะธรรมอารมณ์นี้ใป้ดูว่าเป็นของปลอมเป็นของมายาเป็นทุกข์ถ้าไปยึปดไปติดเวลามันหายไปมันเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดความทุกข์ได้ ให้รู้เฉยๆดับสิ่งที่รับรู้มาเปนเป็ดของไม่เทีย่ยมเกิดแล้วก็ดับเป็นนาตาเราไปสั่งมันไม่ได้ยิ่งทุกขถ้าเราไปยึดไปติดมันอย่างไงที่เราปฏิบัตินี่ก็สอนตัวรู้กระจตให้รู้ทันสิ่งที่จิตมารับรู้คือรู้เสียงคิดว่าฟอดพระประธานมโน ค่ะเป็นไตระกไม่ใช่พอพอเราเห็นว่าเป็นไตรักเราก็เลยปล่อยวางพอเราปล่อยวางเราก็เลยรู้เฉยเฉยแเราก็เลยรู้เฉยเฉยพอรู้เฉยเฉยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นสักแปลว่าไปหมดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ทุกข์กับอะไ ร, ะไรมันก็ไม่ท<า>ุกข์กับอะไรเกิดก็ เ, เกิด อ, อะไรดับก็ดับไปอ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ อขออนุญาตอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะเมตตากรุณาที่เราดำเนินสำหรับคนที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเมตตก็คือให้มีความความรู้สึกเป็นมิตรกับหรือว่ารู้สึกดีจากทุกคนแล้วก็กรุณาคือช่วยให้เขาพ้นทุกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะการที่เราเป็นผู้ปฏิบัติแต่เจ้าค่ะการที่เราจะกรุณาเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เรา เราดูยังไงคะถ้าตอนนี้คือที่ลูกดูคือถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือลูกก็ก็จะไม่ไม่ช่วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระจานทร์คือจะพยายามไม่ยุง่งส่วนใหญ่ก็คือจะพยายามไม่ยุ่งกับกับสิ่งที่คนอื่นเป็นแต่ให้ความเมตตาคือรู้สึกหวังดีกับทุกคนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ถ้าเข้าไปช่วยเนี่ยถ้าช่วยเนี่ยจะช่วยในกรณีที่เขาขอให้ช่วยอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าถูกไหมเจ้าค่ะพระจานทร์ก็ได้เพราะเราเราก็ามีกําลัง ระดไหนมันจะไปช่วยทุกสิ่ทุกคนทุกแห่งทุ ก, ทกผลคไม่ได้เห็ในใครแด<ะ>ียร้อนก็ไปช่วยมันเพราะว่าเรายังต้องช่วยตัวเราเองก่อนค่ะเราต้องปฏิบัติดังนันช่วงที่ปฏิบัติเนีอาจจะช่วยคนอื่นไม่ก็ได้เท่าไหร่<ะ>แต่หลังจากที่ปฏิบัติเสร็จแล้วทีนี้มีเวลามีเวลาเต็มที่จะช่วยใครก็แล้วแต่พระองค์ะเจ้าพระเจ้าก็ช่วยด้วยการสอนธรรมะ ถ้าถ้างั้นก็คือให้พี่านาเข้าในดีกว่าแล้วก็พยายามยุ่งกับคนอื่นให้น้อยที่สุดใช่ไหมเจ้าคะถ้าเป็นช่วงที่เราฝึกปฏิบัติใช่ช่วงถ้าจะช่วยก็ช่วยกับคนที่เราต้องช่วยเช่นพอแม่ถ้าเรายัางมีมีรับตำรับผิดชอาอยู่เ่าก็กาช่วยได้แต่ทั้งแม่พอแม่ถ้าเราปล่อยท่านได้ก็ปล่อยถ้าท่านช่วยตัวยท่นองได้ก็ไม่ต้องไปช่วยท่านก็นได้อื ถ้าเราต้องการเอาเวลาไปปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องช่วยตัวคราอง่อถ้ามันไม่ได้จริงๆต้องช่วยพอแม่กอถ้ า, าต้องช่วยไปก่อนเจ้าข่าวพอใจเจ้าข่าเพอใจนจ า, า, านั้นเราไม่ต้องช่วยคนอื่นที่ เ, เราไม่มีความถูกพันด้วยไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นหนี้เนื้อเราไม่ต้องช่วยนะอกจากว่าถ้ามันเป็น เหตการณ์ปัจจุบันทำหน่วนแล้วจำเป็นต้องช่วยต่อยนั้นมาช่วยไปได้ค่ะแต่นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องปัจจุบันทัหน่วยก็อย่ า, อ ย, าอย่าไปหาคนนั้นช่วยหาคนนี้ช่วยช่วยไปหมดอะไรช่วยตัวเราก่อนให้เราหลดหลุดพ้นก่อนเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราค่อยไปช่วยค น, นต่อไปแล้วก็จะไม่ช่วยอะไรช่วยให้เขาหลุดพ้นดีที่สุด ช่วยทางอนึันก็เป็นช่วยแบบช่วคทางช่วยทางร่างกายมันก็เป็นของช่วคราวช่วยทั้งทีก็ช่วยให้มันแบบชาวอนหนึ่งช่วยให้เขาหลุพล้จอะอามทุกข์ช่วยทางด้านจิตใจถ้าพระพุทธเจ้ากมาช่วยทางด้านจิตใจอย่างเดียวเทียนสามสี่ครั้งต่อวันไม่ได้ไปไม่ได้ไปทำไปเปิด สถานสงฆ์เร่งเด็กพิการนำเร่งคนชราอ๋อไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแม่จแค่แค่พอดีมันมีคือที่ลูกตั้งใจไว้ก็คือถ้าไม่มีอะไรที่เขาเข้ามาหาลูกๆก็จะไม่ไม่ออกไปยุ่งกับคนอื่นแต่พอมีเข้ามาก็คือจะพิจารณาว่าจะช่วยไมอย่างเงี้ยเจ้าค um <subscribers> ่ะพะอาจารย์นะแต่ยังอยู่รนบโลกอยู่มันไม่ยากเป็น ค่ะ ก, ก, ก็ก็พยายามตั้งจิตไว้อย่างนั้นเจ้าค่ะคือถ้าเป็นสมัยก่อนนู้ น, น่าก่อนหน้านู้นที่เป็นนักบุญอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะจะไปเป็นแบบช่วยแบบสแบสวงแสวงช่วยอย่างนี้นะค่ะแต่ก<อ>่อนนั<อ>้นแต่เขาไม่ขอเขาไม่ช่วยก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจค่ะใช่เจ้าค่ะแต่แต่แตท่าที่ได้หลักจากพระอาจารย์แล้วก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเป็นนี่บุญคุณแล้วก็ถ้าถ้าช่วยเรื่องจิตใจได้ก็ช่วยแค่เรื่องจิตใจอย่างอื่นก็ก็ไม่ต้องไปยุ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถ้าถ้างั้นก็ลูกวันนี้ลูกมีคาถามเท่านี้เจ้าค่ะกขอขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตคุณบอยแอชทกับคุณแม่ชีมินด้วยนะเจ้าค่ะค่ะโอเคครับเปิดเปิดแชทให้แล้วครับขอบพระคุณมากค่ะค่ะอไที่คุณมินนคอนอมนอันนี้คุณมินสุดารักราบนามัสการค่ะพระอาจารย์ แม่ยินอยู่ใช่ไหมคะแมยินชัดเจนค่ะหนูไปสอบมาอีกทีค่ะที่วัดป่าค่ะหนูก็ทั้งเรื่องตุ๊กแกแล้วก็เรื่องความกลัวอย่างนี้ค่ะก็เริ่มไม่มีแล้วนะคะก็เริ่มแบบเข้าใจธรรมชาติเออแล้วก็เริ่มปล่อยวางหลายอย่างเนยคะ่ะรุดเริ่มก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อทุกอย่างเราก็ปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขารเป็นสัญญาอะไรอย่างนี้ยค่ะที่เราแบบมีไว้อย่างนี้ยค่ะแล้วทีนี้อพอมันเริ่มเข้าใจธรรมชาติว่า เออตุ๊กแกก็เป็นอย่างนั้นของเขาแล้วก็หรือว่าความความมืดหรือเสียงอะไรที่ดังตอนกลางคืนหรืออะไรก็ตามเนี้ยค่ะพอเราเข้าใจว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วเราจะอยู่หรือไม่อยู่ทุกที่มันก็มีอะไรที่แบบเกิดอันตรายได้นะคะเหมือนที่พระอาจารย์อ่าที่ที่เรียนถามพระอาจารย์ครั้งที่แล้วเนี้ยค่ะพอเริ่มคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี้ยคะ่ะทุกที่ก็เลยเราก็เลยเริ่มแบบไม่ยินดียินร้ายกับอะไระคะ่ะอย่างตอนแรกที่หนูไปอยู่วัดป่า หนูก็จะมีความยินดีมากๆแบบมันก็เลยจะเป็นแบบขึ้นไปพีกๆแบบโหเราชอบอยู่วัดมากเลยที่นี้เราก็ไม่ชอบอยู่ที่อื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราหลบหนีไปอยู่ในวัดป่าเงี้ยค่ะช่วงหนึ่งจะเป็นแบบยินดีในแบบการอยู่อย่างสงบวิเวกแต่ทีเนี้ยพอแบบเดี๋ยวนี้มันคือเข้าใจธรรมชาติว่าอยู่ที่ไหนก็คือเหมือนกันถ้าเราไม่ไปยินดียินร้ายอย่างเงี้ยค่ะถ้าใจเรามันแบบเข้าใจธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะทุกที่มันก็คือไม่สําคัญมันอยู่ที่ใจเงี้ยค่ะก็เริ่ม ไม่ไม่อะไรกับความแบบเป็นตุ๊กแกความเป็นแบบเสียงดังกลางคืนเพราะบางทีเสียงดังกลางวันเราก็ไม่ได้กลัวทําไมเราต้องมากลัวเสียงดังกลางคืนอะไรยเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบใจมันก็นิ่งสงบขึ้นเนี้ยค่ะเพราะเริ่มเข้าใจธรรมชาติของทุกอย่างว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเนี้ยค่ะถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งก็ดีค่ะแล้วก็ทํา อ่าเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังทำรรเนี้ยคะ่ะอย่างหนังสือปฏิปทาก็จบแล้วคะ่ะแต่หนูใช้ฟังเอานะคะฟังหาหนังสือปฏิปทาประวัติหลวงปู่ม่านเหลือแว่นสองใจยังไม่ได้ค่ะ่นดวงใจแว่นดวงใ จ, ใ, จใช่ไหมคะ่ะที่สามเล่มที่หลวงตาให้อ่านนะคะสองเล่มนั้นได้จบแล้วเหลือแต่แว่นดวงใจมีใครนำมาอ่านให้ฟังมีคนอ่านใน y o u ูทูบไว้เลยคะ่ะหนูก็เสิร์ชเลยว่าหนังสือเสียงเพราะหนูชอบฟัง แล้วหนูหนูก็ชอบนั่งนิ่งๆอ่างนี้ยค่ะนี่ก็เลยจะมาขออนุญาตพระอาจารย์ค่ะหนูอ่ะพอไม่ได้เข้าอย่างเวลาหนูเข้าอันนี้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่สงบเท่ากับหนูฟังเฉยๆค่ะพระอาจารย์ใช่ฟังใช่ฟังเฉยๆจะดีกว่าที่ก่อนมีพอมีปัญหามากกว่าต้องการใช่ใช่ค่ะทีนี้พอไม่มีปัญหาอย่างสองอาทิตย์ที่แล้วหนูฟังอยู่นะคะแล้วหนูก็แต่หนูติดว่าหนูเคยให้สัจจว่าจากับพระอาจารย์หนูก็เลยจะมาขออนุญาตว่า ถ้าถ้าหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรหนูขอฟังเฉยๆอยเงี้ยค่ะได้ไไม่ต้องเข้ามาอ่าค่ะอันจะฟังแบบที่เป็นเทศยาวๆก็ได้อย่วงเชื่อมหมายสมองในคำวันยาวหนูฟังทุกอันเลยค่ะพระอาจารย์หนูถึงแม้ไม่ได้ฟังตอนถ้าหนูติดอะไรหนูก็จะมาฟังย้อนหลังหนูค่อนข้างฟังฟังธรรมทั้งวันอยู่แล้วค่ะพอาจารย์อยู่กับธรรมเลยอะค่ะอันนี้มันเป็นสนทนากันคุยกันมันก็มันมีสาระพระสาระเพย์มีเรื่องจีปาถธรรมผสมมาด้วย มันจะเป็นธรรมมันมันจากนั้นจันก็ได้อีกมมองลยค่ะในรูมเร่องของผู้ปฏิบัติร่วมกันใช่แล้วก็น้อมเข้ามาหนูก็โอปะนายิโกนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้าหนูฟังเฉยเฉยเนี่ยโดยไม่เปิดกล้องเนี่ยหนูสงบมากกว่าที่หนูแบบเปิดกล้องนะคะหลับตาฟังไปเข้ามาไปถูกต้องดีการฟังธรรมนี่ก็ฟังด้วยหู อย่างหนึ่งก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปตัดสินใจปิดตาฟนไม่นั้นไปได้ฟัง ไ, ได้เต็มที่เลยค่ะก็ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเขาก็ขอขอนุญาตและอย่างนี้มันจะแบบถ้าหนูเคยให้คําพูดว่าเอ้อหนูเข้ามาส่งกันบ้านทุกก็ไม่เป็นไรถ้าหนูแบบบอกพระอาจารย์อย่างนี้ใช่ก็บอกกันได้เพราะมีเห็นมีผลตอนที่พูดตอนนั้นก็คิดว่ามันมันก็มีเห็นมีบลเพราะมันอ ต, ต่อมามันก็เห็นว่าเหตุผลท้่มันเปลี่ยนไปก็ ทางนี้ต่อไปไม่ต้องไปสัญญาใครดีใช่ค่ะหนูกำลังคิดว่าต้องดูข้อมูลสายอย่างเงี้ยอเพราะเราไม่รู้อนาคตว่าจะเป็นยังไงไปรับปากใครรับปากแบบต้องมีท่าไว้ในปากถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าไม่มีอะไรหยุดท่าแต่ครั้งนั้นหนูก็พูดอยู่นะคะอาจารย์ว่าถ้าไม่มีอะไรที่แบบถ้าไม่ติดอะไรอะไรเนี้ยค่ะก็ได้่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ถ้าเข้ามาได้ก็จะเข้าอย่างนี้ดีกว่าค่ะค่ะ อย่าไปมากตัวเองมากเอย่าไปกำหนดอนาคตเพราเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมใช่ค่ะหรือถ้ามันจะเป็นก็ไม่ต้องไปรับปากไครนะจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าไม่เข้าของเรื่องของเรค่ะ <c oughs> แต่หนูหนูฟังเรื่อยๆอยู่ค่ะแล้วก็เอามาปฏิบัติน้อมมาน้อมนํามาปฏิบัติเราดี <c oughs> ขึ้นเรื่อยๆค่ะสงบสบายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําได้แบบค่ะหนูก็ทำทำเรื่อยๆค่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังทำ หนังสือหนูก็ใช้ฟังเอาี้ค่ะอ้าอยากจะวัดคว า, ามก้าวหน้าก็ต้องดูการการอยู่ของเราการกินอของเราว่ามากน้อยสันโดดมากน้อยไปไหมค่ะน้อยลงเยอะเลยค่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนหนูจะแบบเลือกกินมากที่หนูเคยถามพระอาจารย์ไปะคะ่ะทีนี้พอฟังพระอาจารย์ก็มานั่งคิดว่าก็จริงเหมือนที่แบบเหมือนตอนเมื่อก่อนหนูไปตักบัตรพระอาจารย์หรือดูหนูก็จะดูว่าพระอาจารย์ฉันอะไรเราจะอยากแบบอยาก เลือกอะไรให้พระอาจารยอะไรอย่าคะ่ะแล้ว hmm. เราก็มาดูที่ตัวเองด้วยอย่างเงี้ยว่าเออเราก็เลือกนู่นเลือกนี่แต่ทีนี้พอไปอยู่วัดป่ามันก็เห็นว่าเออจริงตอนเราเลือกไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะงั้นทําไมเราต้องแบบเลือกนู่นเลือกนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็น้อยลงใช่พยายามลดความชั่วที่จุกเฉินของเราให้น้อยลงค่ะอยู่แบบเรียบง่า ย, ยกินง่ายอยู่ได้ค่ะแล้วก็มีน้อย อ่ามันจำเป็นก็เอาไปทำบุญทำทานออปอบในบ้านเข้าเกจกะน้องมัวทำทำบ้าห้องเราให้เป็นเหมือนกุฏิวัดได้เลยเอาไปใช้ปฏิบัติทำดีที่สุดหน้า ค, ค่ะเอาไปใช้เงิงเอาไปใช้ยเงไนก็เอาไปใช้ให้กิเลยสใช้ปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้ให้กับเราค่ถ้าไปใช้ออกงานสังคมออกไป น, นู่นนี่มันเป็น ในรอใช้กิเลสค่ะโอเคมีอะไรไหมค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ติดอะไรค่ะวันอาทิตย์นี้จะไปฟังธรรมหน้ากุฏิแล้วก็วันจันทร์ก็ตักบาตรถวายอาหารพอาจารค่ะอาค่ะสาธค่ะาธค่ะคะุคะาค่ะสาธุค่ะสา่ะาธุ่ะสาธคาธุค่ะสาะสา่าธ่าธาธาคา่สาาะาสาคาค่ะสา่าาสา่ ใช่ค่ะ ค, คือโมงค่ำสามสิบแปดเอกสิบสี่ข้อครับอีกสี่ข้ อ, ข, อข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิบนะใช่ไหมใช่ค่ะพาหุสัจจจะสิบปันจะวินโยจจะสุสิคิโตสุภาสิต า, าจะยาวาจะเอตัมมังคลมุตตัมังการมีความรู้มาก การทำงานช่างการมีวินัยอย่างดีและการพูดจาไพเราะทั้งสี่ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดข้อใจข้อเจ็ดก็ว่าการมีความรู้มากเป็นมงคลใช่ไม่ใช่ะเดียให้จบด็อกเตอร์อะไรนะให้เป็นยาเอกนีมนีนความรู้บ้าง เนี่ยนี้ทางโน้นนะทางทำก็ต้องรู้ข้อสอบจะรู้มงคลสามสิบแปดนี่ก็พอต้องรู้สมองคนสามสิบแปดนี่ถือว่ารู้มากนะในทางทำเนี่ยเรามันครอบคลุมทอย่างที่สาคัญแล้วนะอย่าลืมข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดที่ที่ผ่านไปนะ้นต้องกลับไปเทบทวนอ้่านนะครับ uh huh. อ่ข้อต่อไปข้อแปว่าไง ก็คือการทํางานช่างคะ่ะการทํางานออย่าอยู่เฉยๆเวลาเวลาที่เราออกจากเด่นไปทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์เรามาทํางานที่มันเป็นประโยชน์มากอยู่ทำงานเกี่ยวกับการบ้านการเรีเยนะก็ไดอช่วยแม่ทํางานบ้านช่วยป่าบ้านถูบ้านซัเสื้อผ้<พ>าอของเราเองได้การงานชอบ นะคืออย่าขี้เกียจ อ, อย่เอาเวลาไปใช้กับกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ไปเล่นไปอะไรเล่นได้บ้างพอสมพอสมพอสมเหตุสมผลเพื่อพักผ่อนอย่อนใจก็เล่นได้บ้างอย่างีางเล่นแบบไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่ทํางานเลยเรนะต้องมีความรับผิดชอบของตัวเราเองห้องที่เราอยู่เราต้องหัดทําความสะอาดเอง คื้อผ้าทําซักเองได้ก็ซักเองขอแม่ซักเองทาเองตามม่างๆในเวลาแม่ทำครัวทำอะไรก็มาช่วยแม่ทาครัวช่วยน้าช่วยน้ ำ, นำชามช้วยอะไระเนื้อเนื้อการนอนชอบครับครับตอนิเก้าการมีไม่ไรอย่างเดียวครับนะตอนเก้าก การมีวินัยค่ะการมีวินัยก็คือต้องมีความเรียบร้อยคือต้องรู้จักควบคุมบังคับตัวเองให้ทําอะไรที่ควรจะทําแล้วก็ไม่ควรไม่ควรเลยทําในสิ่งที่ไม่ควรทํามีวินัยเช่นมีเวลาเตื่ในเวลาหอับในเวลานอนก็นอนไปอย่าขอแม่เล่นเกมต่ออย่าขอดูทีวีต่อ เะเราต้ตื่นแต่ช้าแต่ดึกดื่นในวัีวินยัยมีเวลารู้จักเวลามินเวลาควรจะทำเวลาไหนเวลาไหนควรจะทำอะไรอันนีวินัยอย่างรู้จักบังคับตัวเองนะนะวินยัย <c oughs> ก็คือสี่งนี้ามีวินัยแลก็คือการมีมีการควบคุมบังคับตัวเราเองให้ทําในสิ่งที่ควรจะทำ ที่งที่ไม่ควรทำก็ต้องไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่นับซับมีมีไปต้นครับครับืมพอที่สิบการปฏิบัติภัยรอครับแะไว่าคือการแบบไม่พูดคำหยาบไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีแบบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่พูดโกหกครับไม่พูดอยู่ยงให้คนเดล้วทะเลาะกันนะครับ พูดให้เขารักกันสามัคคีกันพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์พูดเรื่อง ว, วิชาความรู้พูดเรื่องเรียนอ่านี้พูดวันนี้เรียนวิชาอะไรมาบ้างได้เรียนรู้อะไรมาบ้างพูดเกี่ยวกับความรู้อี่ยพูดดินทาคาเลนะฝ า, ากคนโน้นฝากวันนี้ไม่ดีอย่างั้นไม่ดีไม่ใช่เรื่ร อ, องเราต้องเชื่อความเป็นเขา เฉพาะคำหยาบนี่สําคัญทีไรนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะพูดคำหยาบถือว่าการพูดคำหยาบนี่ถือว่าเป็นธรรมดาเลยไม่ควรจะพูดมงโกเงี้ยเป็นต้นไม่ได้ไหมอาจารย์ค่ะนามงโกงไอสัตว์อะไรนี้พวกคํายาบต่างๆอย่าพูดนะไม่พูดคำไม่พูดคำ ไม่มีความจำเป็นจะนักพูดคำแบบนี้พูดไปทำไมพูดแล้วก็ทาให้ตัวเราคุณค่าของตัวเราลดน้อยถอยลงไปแสดงว่าเป็นคนที่อยากคายเป็นคนที่ไม่มีการพัฒนาไม่มีการพัฒนาตัวเองให้ให้ให้ดีขึ้นโอเคอยากจะถามอะไรไหมนึกพอพอใจหมดนะ กทจบแล้วครับอาหน้าก็เอาอีกข้อสามข้ อ, อยังไมยุคสี่ข้ออช่สักสามสีข้อครับโอเคันถ้ามีก่อนนี้มีอะไรไหมไ ม, ม่มีครับโอเคาบ ท, ทุกนนะตั้งใจอครบสามสบแปดนะครับครับข <มา S 1> อบคอคุช่วงวิไลพรยมหญิง อยู่ถนนซายสองค่ะกลับน้มัสยการพระอาจารย์เจ้าค่ะเออพอดีมีข้อสอบเข้ามาหนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์คือยมว่าการที่เราได้ใกล้ชิดกับคนที่เรารักมากๆแล้วแล้วบางบางบา ง, บางครั้งคําพูดหรือว่าการขัดแย้งกันอัดขึ้นานแล้วค่ะพระอาจารย์คือเราเราห่างจากการมีปัญหากันมาหนิอหน่อยแล้วยมไปพอมีเรื่องขึ้นมายมก็เห็นว่า การทำกับคนที่เรารักอะค่ะการที่วางใจเป็นอุเบกขาพระอาจารย์มันยากมากมันเหมือนกับว่าถ้าเราเราเราเราคิดว่าเราผ่านอะคะพระอาจารย์แต่พอเขาพูดมาเหมือนกับว่าเาเาเ า, า, าสมมติมว่าคือแฟนเขาเาซื้อบ้านให้ให้ลูกสาวอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านที่ซื้ออะ เอ่อให้เป็นลูกคนคนกลางเป็นเจ้าของแต่ว่าบังเอิญที่ที่บ้านคือลูกสาวคนโตเขาก็แต่งงานแล้วอะคะ่ะเขาก็แบบมีลูกแล้วก็แล้วเหมือนกับห้องห้องห้องมันก็ก็น้อยเกินไปก็เลยซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งเพิ่มให้แต่ว่าให้ให้ใหลูกให้ลูกคนโตอยู่ใช่ไหมคะก็คอนเซ็ปต์ตอนแรกกับแฟนคือว่าเราจะไม่ทําอะไรเยอะ แล้วพอไปไปมามากลายเป็นอ้ามาทุบพื้นอย่างเงี้ยค่ะหนิงก็แบบมีความสุขว่าหนิงเสียดายตังค์เพราะว่าพื้นก็ยังดีๆ จ, จะไปทุบทําไมขอตอนเช้าก็เป็นประเด็นกับกับแฟนไปทิ้งแล้วเอาจะทุบทําไมก็พื้นยังดีอยู่แต่แฟนเขาเขาก็พูดมาบอกว่าเหมือนก็ว่าอ้าวถ้าเธอชอบฉันก็ปล่อยเธอทําถ้าฉันเอาอย่างนี้เธอก็ควรจะปล่อยอย่าแบบมาขัดกันต่แต่ว่าสําหรับตอนเช้าโยมก็วางวางวา ง, วางใจเฉยได้ธรรมจานทร์โยมก็ปล่อยเฉยแต่พอมาตอนเย็นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่า เพื่อนในหมู่บ้านนะคะเขาก็ชอบแบบว่าแนะนำนะคะ่ะเขาก็จะ น, ะนำะลูกสาวเ อ, อ้นี่ต้องทำเงินรับรองนะนู่นนี่นั่นนะลูกสาวเขาก็อ อ, ออด้วยอ่ะ สร้างเรือรับรองขึ้นแล้วพอมาตอนหลังโยมมันรู้ตอนเย็นแฟนบอกว่าเอินเนี่ยเดี๋ยวจะให้ช่างเขามาทําแบบนะจะจะสร้างเรือรับรองโยมก็บอกเฮ้ยมันติดคอนเซปต์นะเพราะตอนแรกเราตกลงไว้ว่าเราจะไม่ทําอะไรเราจะแค่แบบเออให้ลูกอยู่คื อ, ค, อคือตอนเช้าจะอยู่บ้านหลังใหญ่พอตกกลางคืนก็คือไปนอนเพราะนั้นก็คือจะเซฟเซฟตงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วพอหญิงรู้ว่าอ้าวลูกเออออด้วยหยิงก็เล็ ไปหาลูกใช่ไหมคะแล้วบทนี้ก็ถามลูกว่าเอ้าน้องลูกทําไมน้องลูกจะสร้างและรับรองอลูกเพราะว่าเรามีบ้านอยู่แล้วจะจะทําทําไมพอพอลูกถามเขาแค่เนี้ค่ะลูกสาวก็บอกว่าแล้วทําไมแล้วทําไมแล้วแล้วแบบทําไมลูกก็เลยแบบหลุดอพรภาจารย์ลูกก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของน้องนะบ้านหลังนี้เป็นชื่อน้องนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอลูกสาวก็ก็อก็เหมือนเขาก็แบบ ปีต์คือมาว่ามาทำไมพูดกับหนูอย่างนี้ทำไมพูดกับหนูอย่างนี้แล้วบังเอิญแฟนก็เดินเข้ามาอีกแฟนเขาบอกว่าอ้าวตอนเช้าก็มีมีเรื่องไปแล้วตอนเย็นเธอจะมาหาเรื่องอีกเหรอใช่ไหมคะล้โยมโยมก็คือเฉยเฉยแล้วโยมโยมก็เลยแบบขึ้นมาข้างบนโยมก็เริ่มคบอกโอ้โหจริงๆพระอาจารย์สอนว่าเสียงก็คือเสียงเสียงหนึ่งถ้าเขาพูดมาเราควรจะแบบรู้แล้วก็วางแล้วก็ปล่อย แต่พอกับคนที่เราใกล้ชิดพระอาจารย์มันวางใจเป็นเบกขายากมากโยมเพิ่งรู้สึกว่าโยมเหนื่อยอะ่ะโยมจะพยายามเซฟตังค์เขาก็แบบอ๋อเขาก็จะทําทําหู้อาจารย์ใช้ตังอีกเยอะอะค่ะแล้วโก็โยมเพื่อทำไมทุกสาวแบบคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาเขาเขาแบบมีความมั่นใจสูงอะ่ะพระอาจารย์แล้วว่าแล้วจะดสองวันแล้วเขายังไม่เขายังไม่คุยกับโยมเลยอย่างงี้โยมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราอย่างนี้เราเป็นแม่เราควรจะคุยกับลูกก่อนไหมคะพระอาจารย์ หรือว่าเราควรจะแบบนิ่งๆไปก็คุยได้ถ้ามีเหตุผลที่ต้องคุยถ้าไม่มีเหตุผลที่คุยก็เฉยไปก็ไดเราควรจะเฉ ย, ยใช่ไหมคะก็ตอนแรกยมก็อเราจะเอ๊ะจะยังไงดีแบบเราเราควรจะคุยแต่ว่าโยมคิดว่ายมก็ทําถูกแล้วแต่จริงๆลูกก็คือลูกลูกก็ควรจะแบบอ่าเจอกันก็ทักทายกันได้แต่ไม่ต้องไปคุยอะไรมาก อาวแต่โยมคิดว่ายอมเป็นแม่โยมก็มีทิฏฐิใช่ไหมคะพระอาจารย์อย่าไปถือว่ามันผ่านแล้วแล้วก็เดินมันไปได้เถอดอดีตผ่านแล้วกลับมาตั้งหลักใหม่ที่ปัจจุบันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคยทักทายกันเคยอะไรกันก็ทําไปค่ะแต่เขาเป็นเด็กน่ารักนะคะพระอาจารย์เป็นเด็กดีแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเขาเริ่มโตขึ้นแล้วก็คือเขาเขาว่าเขาถูกเหมือนกับว่าแค่เรียรับรองเองมามาจะอะไรกับเขานักหนาแต่โยมก็คิดว่า แล้วทำไมต้องอาเอองินรับรองคือความคิดมันขั ด, ขดแย้งกันพระอาจารย์แล้วยมก็ไม่คิดถึงคําสอนพระอาจารย์บอกว่าเราอยากให้เขาทําในสิ่งที่เราต้องการพอเขาไม่ทําเราก็โกรธพระอาจารย์แล้วเราก็เลยแบบว่าพอเขามาพูดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบเอาคําพูดมากเกาะใจาพอเอาคําพูดมากเกาะใจาก็ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ก็คําสอนพระอาจารย์ก็ขึ้นมาถ้าถ้าเราถ้าเรารับมาแล้วเราปล่อย ช่างมันจะทําอะไรก็ช่างมันอะไรเงี้ยค่ะปัญหาก็ไม่เกิดใจแล้วก็จะไม่ทุกข์ใจแล้วก็จะวางเฉยใจก็จะเป็นอุเบกขาใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เราไม่ยอมปล่อยมีควาิดของเราใช่คเรายึดติดกับความคิดของเราใช่เราไม่ทําตามที่เราคิดเราก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจคือเราเสียได้ตั้งค์อ่ะพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็แล้วแตห่หลักๆก็คือเรา เราต้องการอย่างนี้เขาต้องการอย่างนั้นมันกลยเป็นปัญหากัานขึ้นมาใช่ค่ะก็คือคําสอนพระอาจารย์คือคือมาหมดเลยว่าโอ้การเป็นอจะอพอาจารย์บอกว่าใจฟังใจให้เป็นอุเบกขาอย่ว่ามันยากพระอาจารย์กับการที่คนที่ใกล้ชิดเรากับคนที่เรารักเนี่ยพระอาจารย์นี่ว่ามันยากจังเลยอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะการเป็นค า, าราวาแล้วจะให้บรรลุถึงธรรมจะให้ปล่อยวางทุกทุกอย่างนีง่ยากต้อง ต้องสละอย่างที่น้องมิ้นบอกคือต้องทิ้งทุกอย่างแล้วก็เดินไปทางธรรมมันนี้จะถึงจะถึงได้ดีมากๆเลยค่ะอืโยมต้องต้องพัฒนาต่อแต่ว่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะการการที่เราเราเรารอให้ลูกพูดก่อนอันนี้คือผิดใช่ไหมพัดันถือว่าเราเรามีมานะที่ผิดใช่ไหมอา่าเราก็ลืนลืมไปนบเหตุการณ์ที่มันผ่านไปมันผ่านไปแล้ ว, ลวก็ ดำเนินกิจาการนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจอกันกระทันทัน่างไปออแล้วนี่ไม่ทําให้ลูกเ้าเสียนิสัยหรอคะว่าอะไอ้แม่แม่ต้องมางอ ก, ก่อนอะไรย่างเงี้ยคะ่ะเรารไม่ได้งอเขาเนี่ยเราเพียงแต่แผดเมตตาเขาอ๋อค่ะนั่นก็คือปกติเราไม่ได้งอเขามันไม่ได้ไปบอกว่าแม่ผิดหรือะไรอย่างงี้ยมาเทอสถานไปอ่านโบราณมีความเห็นที่ที่ทไม่ตรงกั น, อนเ อ, อ่า ในชีวิตของเขาเราไปยุ่งบเราไปยุ่งกับชีวิตเขาเองใช่คือหนิงมีความรูสึกว่าหนิงรู้เลยว่าความเหนื่อยใจเป็นคือเราคื อ, ค, อคือตอนเช้าแล้วก็คุยกับป้แล้วอยากทุกพื้นเลยเสียดายพื้นยังดีอยู่เขาก็อกักขัดเขาจะก็จะทำํำพอตกเย็นอ้าวโมลุกอีกว่าจะสร้างเลยรับรองอีกแล้วก็ <c oughs> ลูกก็เห็นด้วยกับกับคือคอยตามฉันทีน่จะบอกว่าเออป้าอย่าทําเลยอะไรย่างงี้ใช่ไหมคะเติงตา่างอ้าวยอมทําไปอีกแต่นี้ยมก็เลยแบบโอ้สติแบบ แบบโอ้มันทําไมต้องต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบไปกันใหญ่เลยแต่จริงแล้วขึ้นมามันเหนื่อยใจมันก็เลยร้องไห้จมก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าการที่ทําใจเป็นอุเบกขามันยากพระอาจารย์แบบยากจริงๆเราห้ามเขาไม่ได้มันบเขาไม่ได้ยเราต้องปล่อยให้ทำไปทำไมบของเขาเขาคิดว่าเงินช่างมันก็เงนก็เราเงินไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอแล้วก็คือของสามีอ่ะน่าจริงเจะไปเดือนร้อนทำไม แต่แต่ไม่จุดโยมอะแต่ได้ถาเปนยังอ<ะ>ีกของเราเราก็วีตได้ผมใช้ไม่ใจนะเธอจะทำมันก็ทําไปใช่ค่ะเพราะชะคือคื อ, ค, อคือจุดประสงค์ของโยมอะที่โยมเคยกล่าวพระจันทร์ว่าโยมมีที่อยู่ที่เหนองค้าประมาณที่สิบกว่าไร่คือใจโยมอะโยมอะจะจะเอาไปสร้างตรงนั้นโยมอยากอยากทำเกษตรอยากทาเป็นเหมือนกับว่าปลูกป่าขึ้นมาแล้วถ้ามันสําเร็จอ่ะโยมก็เหมือนอยากจะทําเป็นที่ปฏิบัติด้วยเลยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมแล้วแฟนเขาก็บอกว่าที่เธอจะทําฉันก็ปล่อยให้ ให้ทําเพราะฉะนั้นเวลาฉันจะทําอะไรเธอก็อยากขัดหนึ่งก็เลยอืมมันก็ต้องปล่อยเธอพระอาจารย์เนาะหนึ่งก็ต้อ ง, องทําใจใช่ค่ะแล้วก็เฉยๆไปก็าาก็ต้องแหนหนึ่งที่พระอาจารย์บอกต้องวางใจเป็นอุเบกขาแต่ว่าโยมรู้เลยว่าการวางใจเป็นอุเบกขากับคนที่เรารักอะ่ะคนใกล้ตัวมันยากมากแล้วโยมก็จะถามพอาจายว่าที่สงสยัยคือโยมจะพูดกับเขาตั้งหลายครั้งแล้วว่าเอ๊ะเรื่องี้เราเป็นแม่เราพูดก่อนได้เหรอมันมันเรา เราเราไม่ผิด<ต>เรา<ต>อะไร ก, ก็มีมานะเรามีการเทิดดวใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็เลยมาถามอาจารย์ดีกว่าโอเคค่ะงั้นพรุ่งนี้เริ่มใหม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะันลืมมันไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแตเ่เรากลับมาเรากลับมาวิเศษใหม่ที่ความเป็นแม่รูมนเด ก, กันเหมือนเดิมใช่ค่ะอ ะ, อะไรที่ไม่เห็นตรงกันก็หวานไปผ่านไป ใช่ค่ะก็ถือว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็คือเรายังเป็นแม่ลูกกันอยู่เราก็ยังต้องมี ค, าความอดทนอะไรกยแล้วเขาท้องอยู่ด้วยพ่อจันก็จะคลอดอยู่แล้วชิน้นเดือนแล้วก็ถือว่าแกล้งลูกเลยใช่ไหมคะให้เขาให้เขาเครียดก็ใครรู้ลนะ่ะ <laughs> เราไม่เวตาแล้วนะพูดยังไงอยู่ด้วยกันเป็ต้องเวตากันค <laughs> ่ะพาา่อจันเอาเวลาหนุนถกให้อภัยกันไม่จองเวงจ้องจอมันค่ะค่ะพ่อจันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ค่ะ เขาเขาเป็นเด็กน่ารักแต่ว่าตัวโยมเองนแหละแบบไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องไปพูดหรอกม่ขออภัยเสียใจอะไม่ต้องไปพูดเนี่ยเขาทานข้าวปกติเราทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามก็ถามก็บอกไม่เป็นไรถามไปรูปรูปไม่มีอะไรหรอกใช่ค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์เพราะว่าปกติอ่ะเขาเขาจะพูดกับกับแม่ก่อนเวลาเขางอนอีกวันหนึ่งเขาก็จะพูดแล้วค่ะแต่ครั้งนี้สองวันแล้วพระอาจารย์เขาก็าคิดว่าเขาถูกไอเขาเขาท่านเาคิดไปแล้วค่ะ เรายอมหยุดเย็นก็จะไม่ใช่ใชสามสูตรสามยอ่อยอแพ้เขาถูกก็ย่อให้ก็ถูกไปเรายอมแพ้เราผิดเราเรายอมผิดนะเราจะได้ยุด ห, หยุดหยุดต่อสู้กันแข่งมารักกันใ<ช>่เราจะได้เย็นค่ะว่าอาจารย์ได้ค่ะพระอาจารย์ธรรมะขึ้นมาปุ๊บเลยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็จะเราอยากจะเป็นมารไม่เป็นพระเป็นพระค่ะก็รู้จักแพ้ ค่ะพระอาจารย์เราต้องไม่ทิฏฐิเนี่คือว่าก็คือถือว่ากิเลสของความทิฏฐิใช่ใช่กิเลสเราจะ่แพ้ชนะกันเราแพ้ชนะเขาให้ได้เราคิดว่าเราเป็นแม่เขาก็น่าจะมาพูดก่อนอย่งเงี้ยค่ะนั่นแหละนั่ น, น, น, น, น, น, นแหละแสดงว่าแม่หลายคนก็คิดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะได้ค่ะงั้นพรุนี้เริ่มใหม่ค่ะพระอาจารย์กรับคำพ่อคุณในความแม่ตายพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุสาธุ มันธีรพัฒน์นี่ข้ามไปนะเพราะทีมงานมาที่คุณหมอพาฒนาต่อคุณหมอภาฒนาเป็นไงฟังแล้วต่อม า, าไม่ได้นะั้นยังไงเรื่อคุณหมอไม่มีปัญหาอย่างนี้อ๋อก็พอคือมีความรู้สึกว่าตอนช่วงหลังที่ทํา ท, ท, ที่ที่ที่ที่ทําที่พระอาจารย์แนะนำมาเกี่ยวกับวันนี้รู้สึกเลยว่าคือกับรูกเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยพระอาจารย์เพราะาเรามันเหมือนกับเหมือนกับถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอที่พระอาจารย์บอกเป็นมายา ไม่มีอะไรมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยไม่ไม่รู้สึกอะไรอ่ะค่ะอาจารย์แล้วอย่างวันเนี้จริงๆ mm hmm. มีข้อสอบวันนี้นะคะก็คือแฟนรถอค่ ะ, ออะเขาไขกุญแจแล้วเขาก็ลืมกุญแจไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกไง ล, ลูกอยู่ข้างนอกแล้วพอเขาบอกเราแล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะมีอารมณ์ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออรถของนอกกายถ้ามันหายคนขโมยก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้สึกว่าให้กำลังใจแฟนว่าเ อ, อ้ยอย่าคิดมากเลยคือทุกอย่างมันเป็นของเราอยู่แล้วเดี๋ยวตายไปก็อะไรเปไม่ได้คือคิดจริงๆนะค่ะอาจารย์ ก็นดีถ้ากิดไดานได้กันดีเลยสบายใจไออม่จุ่มลดก็แปงเขาบอกเออแปงเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเราเปลี่ยนจริงเพราะว่ามันไม่ได้มีอารมณ์ค่ะพระอาจารย์ก็ดูในใจตัวเองเลยว่าเออมันไม่มีอารมณ์พระอาจารย์ค่ะวันนี้จะกลับเรียนคําถามพระอาจารย์อันนึงอะคะ่ะก็คืออยากจะถามคําถามเรื่องของการลาละเรื่องของความอยากในการตัมมฉันทะอยากจะปรึกอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราใช้แบบวิธีว่าถ้า การมันสันท่าเนี่ยคือเราเห็นเรารู้ว่าเออถ้ามันมีเวทนาสุกเวทนาหรือทุกไวทะนาเนี่ยเรารู้แต่ว่าเราจะไม่ยึดติดหรือว่าเราจะไม่เราไม่ผลักออกไปแล้วไม่ยึดติดหมายถึงว่าเราวางเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็คือใช้ได้ใช่ไหมคะก็ไม่ยินดีเขาว่าฉันทาาก็คือฟังยินดีก็คืไม่ยินดีไม่ยินดีคือเราไม่ไปแสวงหามันแถ้าเรายังต้องสัมผัสกับมันอยู่ก็สัมผัสไปเช่นอาหารการกินมันงทีก็ยังต้องกินมันอยู่ แต่เ้าไม่ไปเลือกครับจะกินอาหารอย่างนั้นกินอาหารอย่างนี้่เมื่อถึงเวลา้องกินอาหารก็กินไปถ้าไม่มั่นใจก็ลองเลือกอาหารที่เราไม่ชอบด้วยกินอาหารที่เราไม่ชอบเราทดสอบก็หรือว่าเลือกเลือกอาหารเราจะเลือกตามหน้าที่คือหมายถึงว่าหน้าที่ของมันในการที่จะดูแลร่างกายซึ่งสมปป็นก่อนให้ไม่กินก <laughs> ินแต่ของว่านผักผลไม้ที่เราไม่เคยชอบอะไรเงี้ย คือมั น, นก็มันเป็นหลายหลายหลายหลยระดับถ้าเราอยู่ในขั้นทดสอบเราก็ต้องพยายามไม่กินในของที่เราชอบชเราเกลียกินขอที่เราไม่ชอบก็ืตัดทิสงทรายมาในวันเราจะรู้สึกเช่ใกับอาหารที่เราเคยชอบกินก็ได้ไม่กินก็ได้ในเมื่อนายไม่กินอะไรก็กินอไปหนึ่งขออย่าให้มันมีปร ะ, ะรัญหาอะันอย่างให้มันเป็นประเด็นขึ้นมา ทำมาประมาณปีกว่าก็รู้สึกว่าคือไม่มีตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วาาาาค่ะอาจารย์พระอาจารย์เขาสุขความรู้สึกว่าการที่อยากจะละความอยากเนี่ยก็คือเพราะเนื่องจากว่าเรารู้ว่าทุกอะมันคืออะไรแล้วไม่อยากมาเกิดเนี่ยมันอันนี้คือมันก็คือใช้ได้ใช่มครับพระอาจารย์มันไม่ต้องใช้สมาธิใช้ใช้ความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเราพยายามละเร า, เราละเพื่อจะให้เจอความว่างของที่พระอาจารย์บอกเขาที่แล้วละเอาเรื่อยละละเอกไปอย่างนี้ใช่ไหมครพระอาจารย์คือมันต้องไม่มีความอยากหน้องเลี้ยอยในใจ เป็อนอะไรก็เฉยๆไม่ดูเปแค่ตลอดเวลาอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติว่าสมมติอย่างเงี้ยเราชอบเราชอบสมมติเราชอบไปปฏิบัติที่เขาซีออเราชอบเรารู้ว่าเราชอบแต่ว่าเราไม่ยึดติดอย่างนี้คือได้ใช่ไหมคือหมายถึงเรายังมีความชอบในสิ่งที่ดีถ้าชอบให้ทาไม่เป็นไรชอบให้ทาไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสชอบปฏิบัติธรรชอบไปที่สงบไม่ไมไม่เป็นกิเลส ยอยากชอไปดูภาพยนตร์ที่นั่นที่นีน่ชอบไปกินอาหารน้ำโน้นาน้ำนีอย่างนี้กินกี่เลยอันนี้เริ่มหมดแล้วะอาจารย์สินแปดครปอร์คุมได้หมดอันนี้สินแปดนี่คือไม่ได้บังคับแล้วอาจารย์มันคือแบบว่ามันมีจุดมุ่งหมายเลยว่าเแบบอยากพยายามค่อยๆละไปมันก็มันพอรับแบบนี้อาจารย์บอกพอรับไปเรื่อยๆปืนมันก็มัมนก็เฉยๆแล้วะอาจารย์ไม่รู้สึกอะไร ขั้นต่อไปเราเราไปดูไปอยู่กันเราไปเป็นแม่ชีหรือว่ามันจะเป็นยังไงไปเป็นแม่ชีทำไมทําไมคนอื่นทขาทำได้ทำไมเรายัางทไไงําไม่ได้จริงๆถ้าถามเนี่ยจริงๆถ้าถามเนี่ยแบบเขารู้เลยนะพระอาจารย์จริงๆแล้วเหลือแค่สองปีเพราะว่าหมุนกับอยากจะส่งเป็นหน้าที่ส่งลูกให้จบสองปีเพราะจริงๆตอนเนี่ยไปอยู่ก็อยู่ได้นะพระอาจารย์เพราะว่าไม่ได้คิดถึงลูกเลยะคะ่ะตอนนี้คือชอบอถ้ามันถ้ามันมีหน้าที่เขาเขาวาดไป ก็เป็นหน้าที่ที่บอกว่าตอนนี้เตรียมพร้อมนี่ยมาจานเตรียมตัวตายร้อมกันเลยคือหมายถึงว่าบอกลูกว่าแม่กําลังเตรียมให้ลูกรู้ว่าทุกคนต้องตายแม่กําลังเตรียมตัวอยู่นะถ้าแม่ตายลูกจะอยู่อย่างไงถ้าเกิดพ่อตายหรือวลูกตายคือเราพยายามเตรียมตรงนี้ให้ลูกเลยะ ค, คือจะได้ mm hmm. เราก็เราหน้าที่ของเราแล้วพออีกสองปีน ะ, ะจาย์ลูกจ mm hmm. บกรจกลูกเขาก็รู้ว่าจา์เนี่ยเราก็บอกเขาตลอดเลยว่าเราไปให้เขาเตรียมตัวนะอ mm hmm. นะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราต้องการพ่สูจ น, น์ว่าลาดลาดลาดถ้าจริงๆแล้วต้องไปต้องไปบวชนในคนหัวอยู่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอย่างที่มิน้นขาเล่าไปฟังไม่มีอะไรเลยลาเวลาตายไปนะาตายจากทุกคนไปนะไก็ตอนนี้ก็พยายามทําลงที่ใจก่อนแล้วก็ไปไปปลีเวกไปช่วยดวงเหมอนที่พระอาจารย์บอกจริงๆชอบแม่สนุกค่ะ กลาบว่าสนุกวรู้สึกดีว่ามันมันได้ทดสอบตัวเองกับทุกลูกอย่างที่เราทำมาแล้วเราไปทดสอบค่ะพระอาจารย์ก็มีพระอาจารย์ให้กลับเรียนถามเลยรู้สึกดีมากๆเลยค่โอเคนะเ ข, นะข้าใจแล้วนะเข้าใจค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเคคุณงานจาก บ, บุนดอการณ์นันมสก้รค่ะพระอาจารย์วันนี้ยังไม่มีคําถามค่ะโอเคคุณจริงดอน ตี้ทํงานหรือเปล่ามันต้องส่งงานผมส่งอะไ ร, รอยู่วะตอนนี้มันเหนื่ยไหมคะอาจารย์น้ำส ก, การค่ะอาทิตย์นี้โยมหยุดงานลาพักร้อนตอนนี้อยู่บนเขาค่ะอาจารย์อ๋ออยู่บนเขานะทำมาปฏิบัติธรรมก็คราวนี้มายมคิดว่าสติโยมน่าจะดีขึ้นค่ะอาจารย์วันนี้อยู่ที่สามแล้วแต่ของโยมคือโยมยังอยากรับประทานอาหารอยู่ค่ะ โยงยังติดอยู่กับว่าโอ้โหเมืองไทยอาหารเยอะแ ย, ย, ยะเลยเตรียมของเตรียมของมาเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์ตอนเดินขึ้นอบนเรือนนี่แทบจะแบกกระเป๋าไม่ไหวเพราะว่ามันบันไดมันชันมากมแต่ว่าพอมาถึงจริงๆแล้วอยากจะมาทานมันก็ทานไม่ได้มันมันก็ไม่หิวค่ะ<ม>ถึงว่าจริงว่าทานได้แค่หนึ่งส่วนสี่ของอาหารที่ติด<ม>ก็เลยไกลมันว่าทุกวัน ทิ้งทุกวันเลยไม่ทันไม่หมดสักวันนะคะอาจารย์แต่ก็แต่วันแรกโยมก็ยังมีความรู้สึกกังวลเพราะว่ายังมีคนที่ทํางานโทรศัพท์มาหาโยมช่วงกลางคืนเขายังไม่ทราบว่าโยมพักหลอนเขาก็เลยโทรามาหาโยมช่วงเวลาที่โยมนอนอยู่แล้วก็เลยทําให้โยมนอนไม่ค่อยหลับค่ะแต่พอวันนี้วันที่สามโยมเริ่มรู้สึกว่าสติดีขึ้นมาก พิจารณาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนะคะอตอนนี้ก็เอยมคิดว่าโยมกังวลเรื่องที่จะเดินทางกับวันเสาร์นี้เวลาที่อีกก็จะมีอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาว่าเอ๊ะอันนั้นเรายังทําไม่เสร็จเอ็นี่เรายังไม่ได้ทําเออเดี๋ยวต้องเตรียมวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะอืก็เลยทําำยมรู้สึกว่า เหมือนมันนั่งแล้วมันไม่ได้นิ่งเต็มที่อะค่ะ่ะศรีใช่เพราะว่าเรามีภาวะภาวะผูกพันที่จะต้องคอยกังวลมันก็เลยทำให้าการมีปัญหเป็นไปได้ยากค่ะแต่ว่ายมรู้สึกว่าสติยอมดีขึ้นมากเพียงแต่ว่าสมาธิมันไม่มันไม่ยังไม่ดีพอยังไม่นิ่งค่ะอย่างนี้ถ้าสมมุตทรยอมกลับไปที่เมกาแล้วเริ่มคลายความกังวลลง การทำสติของโยมจะมีผลต่อการนั่งสมาธิในอนาคตไหมคะก็ถ้าไม่มีภารกิจเรื่องราวที่ทะให้เราวุ่นวายการทาการทำสมาธิการเำลังสติก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้ามีเรื่องที่เราจะต้องคอยกังวลวิตกมีงานที่เราต้องทำในตอนนี้มันจะมาทำให้ใจเราสงบได้ยากมาก ใช่ค่ะยมมัวแต่คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวอย่าลืมมันนั้นอย่าลืมมันนี้มีไงค่ะมันเป็นภาระทาขึ้นมาชิตใจแล้วก็ต้องยอมรับสภาพแปลว่าตอนนี้เราทําได้เท่านี้ก็ทำไปอย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปเครียดค่ะใจสบายสบา ย, บายทําได้เท่านี้ก็ดีก็ไม่ได้ทำอะไรเ ด, ด็กเด็กแบบไม่ได้มาเลยอะไรอย่างเี้ยมก็ดีใจว่าในเมื่อเรามีวันหยุดแล้วเราก็มาทําให้เต็มที่อย่างที่ตัวเองตั้งใจอ ไปจะทำไม่ได้ทำทำเท่าที่เราทําได้มันบันที่เราอาจจะหมายมั่นปั้นหนึ่งมากเกินไปบางตอนจริงจริงมันอาจจะไม่ได้ตาเป้ากันไอรก็รู้สึกว่ามันสงบมันเย็นดีแล้วก็ไม่มีภาระทางการงานไม่มีครอบครัวมาเกี่ยวข้องก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออโรามันมันมันมีความสุขมันมีภาพจาร วันนี้ยมก็จะมากราบลาพระอาจารย์ด้วยค่ะเพราะว่ายมไม่ได้มีโอกาสมาพบพระอาจารย์ก่อนหน้านี้แต่ว่าอดไรครับลาไปนะครัพระอาจารย์เดี๋ยวยังไงอาทิตย์หลังๆยมกลับไปแต่เข้ามาโซมิตติ้งกับพระอาจารย์ใหม่นะคะโ่เคครับอืมขอให้ทำไปเรื่อยๆจรักสติไปเรื่อยๆแล้วก็วางใจทางสวัสดีภาพนะสาธุเจ้าค่ะ ไปที okay. I I ่กุเนกนะกุเนกเชียงรายการนมาสการพัดการครับเชนครับผมก็นี่เข้ามากามี่บนมาสการพัดการไม่มีคําถามครับผมก็ปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วครับนเช้าตอน <Okay. S 2> ตเย็นนะครับแล้วก็คือดิสันชิกอยครับพระอาจารย์อารเรียนก้าวหน้าสมอง่านขึ้นเร็วขึ้นไหมก็ มีมีสงบมันก็มีบางวันนะครับอาจารย์บางวันก็ไม่ค่อยสงบก็มันมันไม่ลึกอะฮะอาจารย์แล้วก็มีประมาณว่าเรียกว่าขันธมานหราอเปล่าอาจารย์มันปวดเนื้อปวดตัวครับปวดเอวนะนั่งไปประมาณชั่วโมงชั่วงคึ่งก็มันปวดเอวอาจารย์ก็ก็เปลี่ยนระยบทนะครับก็ได้มันมันทาได้ไหวแล้วก็ต้องเปลี่ยนต้ครับองแต่ว่าแต่ว่าไอ ไอ้วันที่ผมถือในสัญชิกนี้ส่วนใหญ่ผมจะจะนั่งเป็นส่วนใหญ่อนฮะประจำจะไม่ค่อยเดินนะครับเพรพร ะ, พระบางในช่วงตอนเย็นเขาบากีีผมเดินเดินไปชั่วโมงชั่วโม ง, โมงหรือชั่วโมงกว่าางี้ประจำตอนมานั่งแล้วมันมันนั่งมันไม่ลงครับอาระจำมันอาจจะเป็นเพราะว่าเดินมันเหนื่อยหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่รู้อะตนหลังผมเลยเปลี่ยนพอเปลี่ยนว่าวันนี้ผมอาจไม่เดินผมนั่งก็บางวันก็นั่งได้ ได้สองชั่วโมงนี้ครับอาจารย์สองชั่วโมงก็ได้ท่านไหนที่เราถนัดข้าวท่านนั้นก่อนครับผมก็ก็ลองปรับดูเหมือนกันนะครับผมว่าเออที่เหมาะสมมาครับอาการมันก็ต้องมีต้องการร่างกายมันก็ต้องการสับเปลี่ยนมากถ้าอยู่ในท่านั่งทั้งวนทั้งคืนมันก็อาจจะพิก่อนพิการได้ครับผมครับผมต้องมีการยืดเส้นยืดสายบ้างครับผมครับผมก็ อาจะมีเนี่ช่วงเมื่อวานกับเช้านี้ก็ก็จะมีแบบนั่งแล้วมันปวดปวดที่ที่ที่หลังที่เอวครับผูะชันทางซ้ายก็ก็เลยเปลี่ยนก็ไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่ก็อาจจะเกิดเพราะว่าอาจจะอยากเกินไปที่จะให้มันสงบมากกว่านะครับลองพิจารณาดูก็น่าจะเป็นความอยากมากกว่าตอนนี้กามันจะสงบมัคนควรจะสงกไปในระยะสิบนาทีแรกคนจะเข้าสู่คัามพินาศ ถ้าไม่ได้มันก็คงยังสมนขอยาครับใช่ใช่แต<ล>่แล้วสติเราเองไม่ค่อยดีพอครับไม่ยากตัดสติให้มากครับผมก็พยายามรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันนะครับอาจารย์ทุกเดินช่วงอะไรก็รู้สึกตัวแล้วคอยด <ๆ S 1> ว่าเราก <ๆ S 1> ำลังทําอะไรอยู่อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําต่างๆของร่างกายครับ พร้อมปิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ไม่ไม่ท้อครับเอาอยู่ได้เรื่อยอยู่ครับพระอาจารย์ได้มากได้น้อยก็ทำไปการปฏิบัติเราอย่างน้นุกู้ใคถ้าก็ปฏิบัติตามคําสัสอนของพระอาจารย์นะฮะน้อยสันโดกนะครับเดินทีละก้าวพีข้าวพีละคทาทำพีละอย่างนะครับอาจารย์พยายามปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์อน้อยนอนน้อยกรรมฐานพยายามทำนี้เยอะอยู่แล้วครับพระอาจารย์ครับ ครั็ปฏิบัติมากมากินได้พูดน้อยต่อยต่อยให้มากพูดใหน้อยต่อยให้มากในเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่ากีเซนไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่เอาจำก็ปฏิบัติด้วยที่ใจอยู่ครับอาจารย์ก็มีมีอยู่ที่ว่าเอลมมันหายไปก็กลายมันระงับแต่ว่าจิตมันยังไม่ระงับก็พยายามอยู่ครับพระอาจารย์อทําไปเรื่อยๆก็แล้กันนะ ครับผมกับขอบคุณพระอาจารย์นะครับพี่นะคับสอนนะครับขอทราบาพระจำอย่างไรครับผมอาจารย์คมพิไลกรธรรมคคนนน้องคเยอะปะกับนวัตการพระอาจารย์ค่ะรออยู่ค่ะวันนี้ไม่ได้มีคาถามอะไรค่ะรอฟังของนวัตการครับนวัตการครับนอนวัการค่ะมาาทานเลย คนนี้รอทักทายฟังฟังก็ได้ความรู้เยอะแล้วค่ะอมันฟังไปแล้วกันนะรักค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์ที่คุณพร้อมสัตว์นะคุณพรอมสัตว์ใช่ไหมอยู่ที่ไหนคุณพร้อมสัตว์ได้เลยธรรมสการ์ดขาวพระอาจารย์อ บึงการค่ะได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินบงการการมีคำถามอะไรไหมมีค่ะเพราะว่าข้าน้อยปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้ไปไปเดินจงกรมนะคะเพราะว่าหลังเลิกเรียนก็จะไปเดินจงกรมแล้วทีนี้ใจมันไม่สงบก็เลยสวดมนต์อิทิบิโชบอกว่าหังสมมาสักพุดโต วิชาจัจนาสัมปนุสุกตุโลกควิดวงตุโลกริสธามสาลติสถานเทวมนุสานังพุโโ ร, รุพกวาติปัจจุบันนี้ค่ะจนเสร็จไปเรื่อยๆเสร็จไปเรื่อยๆจนถึงร้อยแปดจบแล้วทีนี้ก็เหนื่อยจ้ะค่ะเพราะว่ามันเป่งเสียงพูดถ้าไม่เป่งมันจะมันจะไม่ทันความคิดเลยก็เลยก็เหนื่อยจากสวดอีพิปิโศก็เลยมาสวดพูดโธเจ้ะค่ะก็พูดโธไปเรื่อยๆพูดโทพูดโธ ร, ร, รไปแล้วก็ทีนี้จะง่วง งงจะง่วงแล้วก็เปลี่ยนท่าทางอีกแบบนี้ได้ไหมคุณคะที่ง่วงมันง่วงตอนที่เช่นเดิมตอนที่เดินตอนที่เดิ น, ะ น, ท, ดนทั้งเดินทั้งหลับวันนั้นก็นเลยมีอะไรแทนแทนมาต่อที่ขาเพราะว่าเดินหลับเจ้าค่ะทั้งเดินทั้งหลับมันง่วงมากเจ้าค่ะสามทุ่มเนี่ง่วงถ้ามันทนไม่ไหวก็ไปพักผ่อนนะโอ้เจ้าค่ะแล้วทีนี้ ถ้าน้อยอยากให้จิตตื่นทำยังไงจิตจะตื่นนะคะถ้าจิตตื่นนี่ต้กินให้น้อย ก, กินให้น้อยอยากินข้าวเย็นอยากิน<ม>ข้าวเย็นน้นไอโอดีออข้าวเย็นถ้าอยากจะปฏิบัติต า, างคืนก็นยอย่า ก, กินข้าวอุ้ยหิวเจ็บท้องยองา่็ไม่หิวนาย ม, มันหิวไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอก <c oughs> ออวันจันทร์วันี่สี่ถงเก้าวันเนงไม่ตายโอ้หัวแค้มนิดเดียวเอ ต้องต้องแบบว่ามันต้องคิดไม่ให้น้ําย่อยออกมาใช่ั้มเจ้าค่ะมันไมไ่ออกแล้วเราคิดไปเองง<อ><อ>่ายโอ้ข้วัวเป็ลูกกระเพาะเไม่เคยหนักนะเลยแค่นี้เพราะว่าขน่อยเป็นลูกกระเพาะคี่ไปนอนลงมาแล้วเจ็ด<อ>วันแปดวันไม่ได้ทานข้าวเลยเห็นวิ ญ, ญญาณอยู่โรงพยาบาลมายืนรอจ้องหน้าจะเอาก็เลยไม่ได้เอาเจ้าค่ะเพราะว่า โอไม่มีหรอกกินแล้วพูงแต่งไมแต่เจ้าคะแต่งไ ม, ไม่ไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกอดข่าเย็นเพื่อเดียวให้ตายวันพระล อ, องอดอยูถึงถึงสิบแปดเสรเปลีย่ยนคาถาส่วนนี้ได้อยู่ใช่ไหมเจ้าคะได้จะ เ, เปลี่ยนก็ได่เล่นมันไม่ได้อยู่ที่คาถาแล้วมันอยู่ที่จิงมากไ ป, ไปมากมาหรือไม่ง<ช>่าก็ตัองไปปฏิบัติที่มันน่ากลัวแล้วประกันได้ไม่มอง ไม่มีป่าช้าไม่ ม, มีแมงไม่ลงไปนน่งขนาดไม่น่ากลัวก็ยังคิดถึงหนังทีรี่์ที่มันห้อ ย, ยขาลงมาก็กลัวแล้วจ้ะคะนั่นแหล ะ, หละมันยจะได้ไม่งอกเลยเราค่ะพอเดินไปเดินมาก็เหมือนคนมายินจ้องเราก็น่านกลัวอยู่จ้ะค่ะแะอุดเอาเพราะว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงคงเจ็ดอยู่ด้วยกับเราก็เลยพออยู่ได้เจาา้าค่ะเราคิดปรุงต่งไป น, นะเรไม่มีสติมันก็เลยคิดไป มีพุธโธพุธโทโธพุธโทโธพอเริ่<อ>ิดเห็ น, ร, น, าหนราวต่างๆพุโทโพุธโธพุโธเขาคงไม่หน้ามานั่งดูหน้าเราตึงมึงอยู่ใช่ไหมค<อ>ะวิญญาณเราไมาเราไม่มีอะไรเขาไม่จะมาหาเราถูกไหอันน้อยกลัวมีไม่มีหรอเราปุงแต่ไงไว้ิเราคิดปงแต่ไงไว้<อ>ใช้พุทโธโมสามโวนละทาพุทโธทำมม <3 S 2> โมทำโวไป เว ล, กก ล, ล, ลาเกิดความาวดใช่ไหมพุทําทำไปครั้งหนึ่งทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสงบใช่ไหมเจ้าคะเออแล้วก่อนจะมานั่งก็ต้องฝึกสติไปทั้งวันด้วยทั้งวั น, น, นทั้งคืนทำพุโทโธพุโทโธหรือทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปทําให้ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธพุโทโธเอาสติไปกับเด็กโมแล้วคงจะบาปหน้าดู ถ้าเราไม่ทำนี้เวลามานั่งมันก็ไม่มีสติพอที่จะทำให้มันสงบได้จนะพยายามถดสติให้มากๆก่อนจะนั่งด้วยแล้วก็ไม่ต้องทานข้าวเย็นอุกมาฬิาอดข้าวเย็นได้ลองดูรับประกาศได้แก้งง่วงได้หานะับแล้วมาจัดการ่างหวะ โบแลว้วค่ะประาศผู้อ่านจ่าไปที่อาจารย์าสายทิพย์ขอนแก่นเนมาหาวิทยาลัยธรรมกลับนามัส ก, การพระอาจารย์เจ้าข่าวันนี้อยู่ขอนแก่นค่ะค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงอยูใ่ยใช่ไหมคะเชิญค่ะวันนี้ได้ไปฝึกอบรม My f o n e t in Organization ค่ะพระอาจารย์แล้ววิทยกรเขาบอกว่าเคยปฏิบัติมาอย่างไร ห, หนูก็บอกว่าหนูเ อ, อ ดูลมหายใจพร้อมพร้อมกับพุโทโธค่ะเขาเลยบอกว่าคราวนี้ให้ฝึกแบบเขาก่อนก็คือไม่ต้องท่องพุโทโธค่ะพระอาจารย์ให้ดูลมหายใจอย่างเดียว <Okay. S 2> แล้วก็อลองดูค่ะก็ปรากฏว่าเหมือนจะได้สติดีขึ้นด้วยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเร า, mm. เ, ราเราได้เห็นลมหายใจที่มันมาอยู่ที่จมูกมีแล้วมันอยู่ได้แทบตลอดเวลาเลยค่ะพระอาจารย์ได้ไ ด, ได้อันนี้น่าจะถูกจริตเราค่ะค่ะ mm. แล้วเขาก็บอกว่าลองให้ใช้เหมือนมิสติอยู่ตลอดเวลายเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เวลาทำงานเราก็สามารถทำได้หนูก็ยังยังไม่ได้ลองว่ามันจะมันจะแบ่งยังไง mm hmm. เขาก็บอกว่าให้ดูลมที่ที่ที่จมูกสัก 20% สบเปอร์เซน์อีกแปดสิบอร์เซนตก็เอาไปใช้กับการทำงาน mm hmm. ก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าแบบ อ่ในคนที่ปฏิบัตินี่เขาเขาทําทำยังไงอะค่ะพระอาจารย์เอาเอาร้อยเปอร์เซนกับงานเลยนะลงไม่ต้องไปลงอะไรถ้าเราเอาอย่างได้อย่างหนึ่งลงเฉพาะตอนที่ดราทเวลาทํางานนี่เอารอยเอร์เซนอยู่กับงานที่เราทําเองค่ะเพราะเพราะว่าถ้าลองดูมันก็จะพอบักพะวนว่าจะดูลงไปด้วยก็เลยมันก็เหมือนเอาพูดโชว์กัราสองอยค่ะอันก็คือถ้างานเราก็มุ่งงานไปเลยมีสติกับงาน พ<ข>อ ไ, ไม่ทํางานก็มาดูลมหายใจเลยเพื่อไม่ไม่ไม่ใช้ความคิดค่ะอืมค่ะงั้นก็ก็น่าน่าจะน่าจะดีค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวคืนนี้ก็จะได้ลองนั่งสมาธิโดยที่ไม่พูดโทษด้วยค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 1> เดี๋ยวอาทิตย์หน้ารายงานพระอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะได้ค่ะตอนนี้ ม, มีมีคําถามค่ะปีนี้ใช่ไหมมีคําถามเพียงเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โอเคปฏิบัติต่อไปนะ ค่ะค่ะสาธุค่ะคุณธรามเทพจากสมบัระการกล่าวธมศักการครับพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้เข้ามารายงานผลชับการปฏิบัติครับก็อันนี้นั่งสมาธิครับเมื่อประมาณวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่แล้ว ช่วงนี้นั่งสมาธิเยอะขึ้นนะครับเพิ่มจากจังวันจับเย็นแล้วก็เพิ่มเป็นก่อนนอนอีกครับแล้วทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นั่งแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับรู้สึกเออมันสงบอะครับแล้วก็ช่วงประมาณกลางหน้าผากมันจะแบบแน่นๆแล้วก็สักพักนึงอะครับมันเหมือนแบบว่ามันมืดแล้วก็ฟู่เข้าปุ๊บ ไปพักนึงแต่ว่าแปบบเดียวครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนเอ๊ะในใจขึ้นมาแล้วก็ขนลุกทั้งตัวเลยครับกูขึ้นวูบลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่สักพักใหญ่ๆเลยครับแต่ว่าในใจก็พยายามคําบตามที่พระอาจารย์เคยเทศไว้ครับก็คือให้รู้เฉยๆครับก็รู้ตอนนั้นคือเหมือนเหมือนร่างกายแบบรู้ตอนที่น้ำลายมันออกมาอะไรก็รู้ครับตอนที่นั่งอยู่จิตก็ ก็รู้รู้ว่ามันนิ่งอยู่ครับได้อยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก็มันเริ่มหลุดออกมาตอนที่คิดว่าต้องจำสถานการณ์ทั้งหมดเพื่อมารายงานอาจารย์ก็เลยเหมือนแบบว่าก็เลยหลุดออกมาทีนี้พอตั้งสติได้ปุ๊บก็เลยลองลองลองทำแบบเดิมอีกทีครับคือกอดอยู่กับพุทโธเฉยๆแล้วก็รมหายใจมันก็เริ่มช้าลง รู้สึกได้ยินเสียงหัวใจก็เริ่มเต้นช้าลงแล้วก็เข้าเป็นสภาวะเดิมมาครับปุบลงแล้วก็ผลลุกครับแต่ว่ารอบนี้สั้นกว่ารอบแรกครับพอสักพักนึงพอพอพอมันจบอาการทั้งหมดผมก็เลยหยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บ ก, กาลังการเหมือนแบบขึ้นไปนอนก็ตัดสินใจอีกรอบนึ่งว่าอขอขอลองดูอีกทีแล้วกันลองลุกขึ้นไปเปลี่ยนอริยาบ์ก่อนเพราะว่าตอนนั้นขาเริ่มเริ่มช้าแล้วก็ ลองไปลุกก็เดินจงก้มนะครับสักประมาณสิบนาทีครับแล้วก็กลับมานั่งใหม่แต่ท่านี้ก็ไม่ไม่มีสภาวะอะไรก็เป็นนั่งธรรมดาครับก็ไม่เป็นไรเพราะวาเวลานั่งไม่ไม่ไมยเขาจะต้องมีปรากฏอะไรขึ้นมาทุกครั้งไปครับอันนี้คือมาถูกทางอยู่ใช่ไหมครับาจคือเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากไปสนใจมันให้เราเกาะติดอยู่กับผู้โธรไปเรื่อย ครับเรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือคจิตนิ่งสงบนล้จิตนิ่งสงบว่าเงเยน็นสบายแล้วพูดโทรก็จะหยุดไปเองครับแล้วนั่งไปมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจพูดโทรต่อไปครับก็จะหมั่นทําต่อไปครับต้องนีพ้พยายามเพิ่มรอบในการนั่งแล้วก็ระยะเวลาอยู่สับอาจารย์ ยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีคนยิ่งได้กิดขึ้นได้มากขึ้นครับตอนนี้เวลาส่วนใหญ่ใต้สุดอยู่ที่ประมาณ45ทีครับตอนนี้พยายามจะดันให้ไปถึงชั่วโมงหนึ่งจะพยายามส่วนใหญ่ที่ที่ที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องเรื่องน้ำลายที่เคยเรียนพระจานทร์ไปครับตอนนี้เอาพ้ามาลองที่พระอาจาร์แนะนําก็ดีขึ้นครับมันไม่พะวงแล้วจะหยดเขาปล่อยมันหยดไปปล่อยไว้ไปตามธรรมชาติครับ แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของขาครับตอนแรกก็เริ่มที่เริ่มชาก็ไม่เป็นไรแต่พอป ว, ปวดปวดไปเรื่อยๆครับเหมือนมันสมาธิมันถอนเรามาเองเพรเหมือนแบบไปจับกับขามากเกินไปครับอาจารย์บรรยากลับเราที่พุทโธเนี่ยมาอยากจ <c oughs> ะทำใจออกอาการเจ็บอ้านล่างกายถ้าเราอยู่กับพุทโธเดี๋ยวเราก็นั่นต่อไปได้อาการเจ็บมันก็จะไม่มารดหมุนใจนะครับครับแต่ถ้าเราไม่พุทโธเราไปคอยดูอาการเจ็บเดี๋ยวเราก็ถอนไม่ไหว นี่ยไปสนใจอะไรก็ติดกระพุกโทรไปอย่างเดียวดีที่สุดครับอเราทําอยู่นะครับผมจะพยายามเอมันฝึกฝนครับแล้วก็จะตั้งใจเพิ่มระยะเวลาพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นครับอาจารย์ดีมากดีมาครับขอบคุมากครับกูร์รอเชษต่อในคอรมอวันนี้ได้คิวช้าหน่อยนะมาแล้วครับอาจารย์ครับบ๊าดีวันนี้ป้าปรยาไป พบหมอฟันครับ็เลยกลับมาเกือบไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ก็ประกาศเรียพนพระอาจารย์ว่าโยนได้น้อมนำคำสั่งสอนพระอาจารย์มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการเจริญสติสมาธิปัญญาและอยู่กับธรรมะทั้งวันครับแล้วก็มันพิจารณาว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายเนี่ยกำลังคลืบผ่านมาเราทุกระยะ ที่ตรงนี้โยมก็น้อมนาปฏิบัติแล้วก็มากราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะในการปฏิบัติต่อไปครับพระอาจารย์ก็ทดสอบท้าทายว่าเราปล่อยวางมันได้ไหมเรารับมันเรับเหตุการณ์มันได้ไหมเกิดหน้ากายเกิดเจ็บปวดเป็นอะไรขึ้นมาเราใช้เรามันได้หรือปล่าเวามันจะตายเราใช้กับมันได้หรือเปล่ ฉะนั้นเองถ้าเรเฉยนี่เราก็ไม่เดือดรอนถ้าเราไม่เฉยเราวิตกกังวลนี่ก็เป็นทุกข์นะย่างไม่เจอข้อสอบจริงก็อาจจะยังต้องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆครับอาจารย์ก็มันเตรียมใจไว้แล้วที่ว่ามันมันสิ็งที่เราหนีไม่พ้นเมื่อมันมาล้วก็ทำอะไรก็ห้ามันไม่ได้ไล่มันไปก็ไม่ได้ก็ต้องทักอยู่มันไปรับตอนรับมันไปเนยินมีตอนรับเสมอใช่ไหม นำไปปฏิบัติชับพระอาจารย์การคิดบ่อยๆมันก็เดีเืลยทําให้เราเตรียมตัวเตรียมใจคิดบ่อยๆมันอา จ, จะมามันอาจจะมาเข้าประตูลหลบหนอนเมื่อไหร่ก็ได้นําไปปฏิบัติครับาาจข้อทํางาปก็คืออย่าให้เราทุกข์กับมันได้เการปฏิบัตินี้ก็ดำเรื่องป้องกันความทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นไั้ ถ้าไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาไม่เจ็บก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปไม่ทุกข์กับมันก็แล้วกันแต่ก็อยู่เขาธรรมะทั้งวันอย่างที่ป้าอาจารย์ได้สัสอนครับอาจารย์ไม่ใจสงบอยู่ก<ำ>ับความสงบสลับกันครับต้องต้องทําใจ้สงบสลับกับการพิจารณาธรรมนะอย่าทำอย่างใดอย่างหนงมันจะ ไม่ไม่บาลานไม่สมดุลภาวนาไม่ย่อปัญญาปัญญาก็คือธรรมะภาวนาก็คือสมถะเป็สมาธิเหมือนทาเป็นทั้งสองอย่างนั่นจะเป็นสมภาวนามย่ปัญญาถ้าภาวนาอย่างเดียวไม่พิจารณามันก็มีแต่สมาธิอย่างเดียวถ้าพิจารณาอย่างเดียวไม่มี button. ไม่มีสมาธิมันก็เป็นปัญญาจินตามิย่ปัญญาไป เมีทั้งส <ทำ S 1> องอย่างสลับกันสลับกันทำสมาธิแล้วก็ออกมาก็พิจารณาทำพิจารณาทำเสร็จก็กลับไปเข้าสมาธิใหม่นั่าปฏิบัติับพระอาจารย์เดี๋นะคุณสุวัฒ น, นาเชิญแจมม์มเกราบรการพระอาจารย์ทัค่ะวันนี้เข้ามากราบแล้วก็ขอรวมฟังธรรมคับพระอาจารย์ โอเคไม่มีอะไรนะเจ้าขาโอเคขอบคุณามากวันนี้มรดินนกาต่อวันรดิกากราบนมำพราทเจ้าข้าพรนะอาจารย์อยู่ยจังหวัดอะไรนะอยูๆๆ่นราธิวาสเจ้าค่ะวันนี้ก็ข้มควารุ่นความคันแล้วก็มากราบพระอาจารย์ค่ะเนื่อว่าทุกวันก็ได้ความคันอยู่แล้วก็พยายามมันเจรินสติอยู่แล้วกันอ่าทราบถึ ไปที่ห<ม>น้าโมต์หะือใช่หน้าโมต์แบบพอสมองธรรสการครับพระอาจารย์วันนี้มาส่งกันบ้านแล้วก็มาถามคําถา ม, ถา ม, ถามพระอาจารย์เหมือนเดิมค่ะถามบ้ามาก็มันคราวนี้มันแปกมากนะคะพระอาจารย์เอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือพอกลับไปทําตามที่พระอาจารย์สอนแล้วว่าเอามันมัน เราผมครับคือมีนิสัยหนึ่งที่ติดมาตั้งแต่หลังจากลาสิกขามาแล้วก็คือเป็นเวลาทานอะไรจะทานแบบช้าลงนะคะอาจารย์คนอื่นทานกันเสร็จหมดแล้วไปเล่นกันถึงไหนถึงไหนนะผมยังทานข้าวอยู่เลยครับยังกินไม่หมดเลยกินได้แค่นี้เดียวจริงๆแล้ด้วยความกินช้าแบบนี้ครับอาจารย์มันก็ช้าเรื่อยๆแล้วมันก็มีสติเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมีสติตลอดเวลา จนแบบทุกวันนี้ตอนทานข้าวอค่ะพระอาจารย์เออเวลาที่เราตักอะไรเข้าปากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตักอาหารตักอะไรเนี่ยมันเหมือนเรากำลังมันมีเหมือนซับซ้ำมันข้างในอะค่ะมันเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างอยู่ที่เหมือนตัวเราเป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์ที่เหมือนทําตามคําสั่งแบบมันเหมือนมีอีกคนข้างในค่ะพอาจารย์ที่พระอาจารย์เคยสอนคก็ใจใจเป็นได้กายเป็นบ่าว ใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําช่ค่ะอาจารย์แต่การกินนี่ถ้ามีสติไม่จำเป็นจะต้องช้าก็กินตามบบปกติได้มันเหมือนเคี้ยวช้าด้วยเหรอคะอาจารย์เพระเาะว่าถ้าเคี่ยวให้มันเป็นบบปกติไม่ต้องให้มันช้า มันช้าเองเลยครับอาจารย์เราบังคับมันได้เราสั่งมันได้ครับอาจารย์เพราะว่ามันพอใส่เล็กดัดฟันใส่อะไรพวกเนี้ยครับมันช้าอยู่เลยมันช้าอัตโนมัตินะครับอาจารย์มันก็น่าจะเป็นมันน่าจะกินแบบปกติได้ไม่ใช่ใส่อะไรนะก็ต้องพยายามครับอาจารย์แต่มันคือแบบคือคนอื่นเขาเสร็จแล้วเรายังไม่เสร็จเนี่ยครับย์ก็เราก็ไม่ได้มีรีบร้อนอะไร ถ้ามันไม่ไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีจำเป็นจะต้องเสร็จพร้อมกับเขาแล้วก็ต้องเรียนกินไม่ใช่เป็นเอ่ยเฉยไปเราก็ควบคุมมันได้สั่งมันได้ร่างกืยยิ่งกินเราสามารถมันกินช้ากินเร็วได้พระจารไดครัแล้วก็นี่แหละครับที่ตั้งใจจะมาะรายงานพระอาจารย์ว่ามันเหมือนแบบมีคนควบคุมอยู่ข้างในอ่ะมันเลย ก็สติไงสติมันโดนควบคุมมันมีสติชัดเจนขึ้นอย่างนี้ใช่ครับอาจารย์อันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากการนําไปปฏิบัติครับอาจารย์แล้วก็มีคําถามครับอาจารย์ก็คือด้วยความที่เออ่ก็คือนําที่พระอาจารย์ไปสอนเพื่อนนะครับก็นํากลับไปปฏิบัติครับแล้วคราวนี้ยคือจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับอาจารย์ที่ เขาเหมือนแบบค่อนข้างที่จะอชอบโมอะไอย่างเงี้ยครัแล้วเขาก็ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยแล้วแล้วเขาก็มาหาเราแต่เราก็เหมือนเราก็เป็นเพื่อนกับเขาคือเราก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาไงครก็เป็นเพื่อนกันแต่คราวนี้คือเขาอเหมือนชอบแบบโม้นู่นนี่นั่นแล้วมันอวดใส่เราอ่ะงทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมามันไม่ใช่หรอก คือเรารู้อ่ะเราไม่ได้โง่แต่ว่าเหมือนเขาจะทําตัวเหมือนฉลาดกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ผมก็ไม่ได้ถือเรื่องนี้แบบว่ามันสําคัญอะไรก็ปล่อยผ่านอะไรเงี้ยครับอาจารย์ผมก็เลยจะถามอาจารย์ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราต้องเลิกคบเขาไหมครับหรือว่าคบต่อไปได้อะไรเงี้ยครับอ๋อถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องพบกันก็คบกันไป ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปหาเขา้าผูดต่อเขาแต่ไม่ไม่ให้เราเกียดเวลาที่เราต้องเจอเขาเราก็ทักทายกันไปตามอ ร, ะระยาโอเคไม่รังเกียจแต่ก็ไม่คุ้กเคเ่ไม่สนิทที่ชอบกันเพราะว่าเหมือนพอ่อเขาไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วเขาก็เหมือนมาหาเรา ว่าเราเราถ้าตอนร่าเขาไปตามอะไรแต่ถ้าเขาพูดอะไรเนื้อดเธอล้วก็ขอตัวไปก็ได้แดกตัวไปชอบที่มากกว่านี้ครับจัก็ได้ครับจะนำ ก, กลับไปปฏิบัติครับพราะคงไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนคราวที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้าเขาแบบไม่ได้อ่าดีกว่าเราหรือว่าฉลาดกว่าเราเราไม่ควรไปสูงสิงว่าเยอะอะไรอย่าเงี้ยครับก็ถูกต้องไม่ควรคร่บ เราต้องมีความเมตตากับทุกคนไม่ใช่ใชพอเข้ามาแล้วก็เดินหนี้รล้ ว, ว่าลังเกเีย่วนนี้ก็ไม่ถึงอาจจะทังทายอะไรกันไปคุยไปพอสมควรเพื่อไม่เสียมารา ย, ยาทแล้วก็อาจจะขอเปลี่ยนตัวไปเข้าใจไหมเใจครับแต่ว่าเพื่อนเขาก็ ตำหนิเยอะอยู่เหมือนกันครับวอาจารย์เวลาผมติดตัวแย้งว่าเหมือนแบบไปไหนทําไมไม่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมผมก็บอกเขาว่าที่ยากอยู่แบบส่วนตัวอะไรเงี้ย เ, เราพูดไปหนึงอยากไปว่าเราลังเกียจเขาเราไม่ลังเกียจเพียแต่ว่าเราเห็นว่าอยู่ใกล้เขาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาวคร โอเคนะไม่ต้องไปกังวลกับความคิดของเขาแต่ว่ามันคือเราก็คืเราก็มีแบบกังวลนิดนึงว่าถ้าเราครบเขาเหมือนหรือว่าเหมือนแบบไม่ไม่ได้พยายามปิดตัวออกจากเขาเนี้ยค่ะอ่ามันจะทําให้เพื่อนคนอื่นมองเราไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกความคิดตัว น, นี้ขึ้นมาครับอาจารย์ก็เละห้ามความคิดของคนอืนไม่ได้แต่เราทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเรา ไปปฏิบัติพระอาจารย์วันนี้มีเท่าไห่คะคุณสาติกาอยากใช้ได้เป็นยังไงสบายดีดเหร อ, เ อ, อสบายดีค่ะพระอาจารย์จะถามพระอาจารย์นะคะถ้าสมมติว่าเราฝึกมากๆอะค่ะพระอาจารย์คือไอความนิ่งของเราอะค่ะคือก่อนที่เราจะปฏิบัติอย่างนี้คือ คือเมื่อวานนี้ยค่ะขับรถแล้วก็ไปชนไปชนกระฟุดป่าแล้วมันมันเยอะมากเลยแต่ว่าลูกอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะค่ะอาจารย์คือมันมันคือรู้แต่มันนิ่งมันไม่ตื่นเต้นมันไม่อะไรอะค่ะอาจารย์ก็ถูกต้องแล้วก็แล้วก็ขับบอแต่ว่าไม่ไปเฉยไปค่ะแล้วก<ข>็ไม่เ<ข>ลี้ยงเราเซ็เทียรับรคือบางทีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่า เจอแต่ก่อนเนี้ยจะขี้นกิดถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบมาพูดลูกก็จะได้ประมาณหนึ่งแต่เพราะว่าบางทีอะ่ะคนที่เขาจู้จี้จุกจิกอะค่ะลูกก็จะไม่ค่อยแต่ก่อนเนี้ยอาจจะหุดหิดหุดหิดแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนเราแบบเฉยใช่ค่ะแล้วแล้วพอมันรู้สึกแบบติดนึงแต่ตอนหลังเนี้ยคือไม่เป็นแต่ก่อนเนี้ยพอดั้งนั่งไปแต่ก่อนเนี้ยมันยังมี ปึกนึงแล้วลูกก็จะสอนว่ามันเป็นแบบเหมือนอนัตตาไปอ่ามันวิธีแสดงว่ามีการคืบหน้ามีการเข้าหน้าแล้วก็ตอนหลังเนี่ยคือมันแคบจะไม่ไม่ไม่มีเลยไม่มีอะไรไม่ต้องสอน<ค>มันเข้าใจแนละ้วค่ะแล้วก็ทีนี้ที่ว่าพอชนเสร็จลูกกลับไปแล้วลูกก็บอกแฟนแฟนก็โอเคไม่ได้อะไรพอกลับมาเขาก็จะบอกเนี่ยไม่มีสติอ่ะสิอะไรอย่างคนอย่างนี้แต่ลูกอะ่ะแต่ก่อนน่ะกับแฟนน่ะ คือถ้าพูดนิดนึงเนี่ยลูกจะแบบแบบเนี้ยคือลูกฟังแล้วลูกเฉยบ่นกระบนไป ม, มันมันไม่รู้สึกเลยถ้าไหด่ ว, <ะ>ว่าเราเรู้จักวิธีรักษาใจของเราให้เป็นปกติทีนี้ ม, มันเป็นทีนี้มันคือการที่เราที่ป้าจา์บอกว่านั่งไปเรื่อยๆอุเบกขามันเยอะแล้วทีนี้ลูกจะไม่ทันใช้ปัญญาเลย มันมันไม่มีเองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อยอมว่าใช้นั้งแต่ยอมที่คิดว่ามันเป็นอย่างนี้มันมันข้นานี่ก็เป็นปัญญาอ๋อค่ะค่ะทั้งนั้นก็คือเราก็ฝึกคือณตอนเนี้ยคือนั่งนั่งอยู่หน้าร้านฟังเทศอะไรคือเข้าง่ายหมดเลยอาจารย์คนลูกก็หลบอยู่ตรงมุมแล้วลูกก็ น, นั่งถ้าไม่มีคนมาลูกก็ น, นั่งได้ฟังเสพระอาจารย์ปุ๊บ พี่ว่าอาจารย์เทพปุ๊บมันก็เข้าเลยอาจารย์มันก็จะเข้ากับว่างถอนใหายใจว่างประมาณนี้ยค่ะเดี๋ยวก็ปล่อยให้ใจคิดเรื่อย่ๆใจว่างๆเย็นสบายดีกว่อแล้วก็ไอ้เรื่องความคิดอะคะ่ะพระอาจารย์พอเราฝึกมาเรื่อยๆอะค่ะมันเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆอะค่ะมันมมันมจะคิดไปหาเลย คิดไปแล้วก็ไม่ได้เออแต่ลูกลูกว่าลูกชอบมันปู่สบายใจดีอะค่ะอาจารย์แล้วมั่นใจว่าว่าจะพาคิดก่างๆค่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์งั้นลูกก็ปฏิบัติต่อนเนื่องอค่ะปฏิบัติอาจารย์สอนหมดคิดข้าวที่อยาเป็นแค่คิดแคคิดเป็นตายรักไปจะคิดคเรื่องนี้เรื่องะไรอมันเป็นตายรักเทนัน้นทุกเท่นั้นแหละไม่ไปคิดดีกว่าคิดแลบวปวดหัว แต่แต่ปกติคือพระอาจารย์คือพอแม่ตายแล้วลูกไม่ค่อยมีเรื่องคิดแล้วค่ะ<อ>มันหมดคล้วนะหมดคาแค่ะค่ะคะค่ะพระอาจารย์ค่ะมาลัค่ะโอเคแต่คุณยินเดย์อย่างอนี้อยู่ฝรั่งเศส ใ, ใช่ค่ะท่านอาจา ร, รย์ไปวิทยาการทำงานแะล้วนะวันรุ่งขึ้นค่ะท่านอาจารย์ เข้าไปวันวันรุ่งขึ้นที่ที่ที่บอกท่านอาจารย์นะค่ะแล้วก็นี่หนูไปอยู่เขาอะค่ะตอนนี้เลิกงานไม่ยังหรืว่ายังยังค่ะยังช่วงนี้ก็คือตอนนี้อยู่ไปอยู่พารามะอยู่ชะละเมืองมาตอนนไม่ค่ะก็อยู่ที่เดียวกันแล้วค่ะก็อยู่ด้วยกันนะคะก็คืออมาอพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ที่อตนนี้ไม่ได้อยู่กับแม่เขาแล้ว ไม่ค่ะขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะท่านอาจารย์เพราะเมื่อคาวก่อนเห็นว่าไปพักล้อมด้วยกันแล้วก็เลยขึ้นมาพร้อมกันเพราะไม่อยากให้เขาแบบคิดมากว่าเออเราไม่อยากจะอยู่กับเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเออ่เราไม่แบบไม่ไม่ไม่เหมือนกับว่าไม่พอใจอะไรเขาหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราไปพักล้อนด้วยกันแล้วอะค่ะก็เลยลูกก็เลยขึ้นมาพร้อมกับเดวิดเลยค่ะ ก็ทุกอย่างสบายดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ <Okay. S 2> ดิวิชั่นความคิดถึงค่ะแล้วก็บอล่องเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากนนะั่นค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะโมกคราวที่แล้วที่แบบทันท่านอาจารย์ค่ะดีใจได้เข้ามากับท่นานอาจารย์ตอนที่กี่โมลคนะสี่โงใช่มสี่โมงสามสิบหกค่ะน่านจาะเขาเริ่มงานห้าโมงอมืไม่ค่ะท่าน อาจารย์เรื่องงก็คือปกติก็คือห้ามงแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นทุ่มนึงอะไรเงี้ยุ่มนึงเขว่าทางเขาเป็นหอกเป็นหน้าที่อะค่ะก็ตามหน้าที่ทาหน้าที่ตามตามหน้าที่ค่ะาอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณมแ่ค่ะนอาจารย์ในที่คุจุติศักดิองม นำรัศการครับผู้อาจารย์วันนี้มายืนยันคําสอนพระอาจารย์ที่ไ้ทดลองปฏิบัติตามคือตอนนี้พยายามลดอาหารเย็นให้น้อยลงครับแํ้ก็ทานในลงมื้อเย็นหรือว่างวันก็ไม่ได้ทานเลยครับถ้าปวดห ง, ง่ไปนี่ก็ไม่ได้ทานพอตอนกลางคืนนั่งรู้สึกแบบมันตื่นตัวมากครับ ง่วงแล้วก็ชัดเจนอ่าเมือม่อเมื่อวานเมื่อคืนนะครับเมื่อวานคือวันอังคารครับก็นั่งประมาณทีสองตื่นขึ้นมานั่งใช่ไหมครับก็รู้สึกสงบแล้วก็ในช่วงที่มันกําลังจะเข้าจุดอุเบกามันชัดเจนมากเลยครับอาจารย์มันไม่มีจุดเผลอเลยครับแล้วมันเห็นชัดตลอดมันไม่เหมือนคราวก่อนๆที่มันอาจจะเหมือนแบบ จะเข้าพวังจะเคลิมคล้มจะอะไรแต่อันนี้มันแบบมันเคลียร์มันเห็นมันชัดเจนแล้ว mm hmm. ก็เห็นว่าเรากําลังสงบเข้าไปครับมีสียงขรุขระครับมันชัดชัดมากแล้วก็อยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็ เ, เริ่มแต่แต่ตอนที่กําลังเข้าครับคือผมคิดว่าปัญหาของผมที่ผ่านมาคือเหมือนแบบว่าตั้งหน้ารอมันนะครับ เหมือนกันไแบบเป้ามันเรามันไม่ได้อย่าไปเป้ามันเราอย่าไปสนใจเหมือก็ว่าเราเราเคยสงบเราเคยเดี๋ยวมันจะคงจะสงบแล้วนะเนาะจะจะถึงหรือยังอะไรเงี้ยครับมันยังไม่ได้ไม่ถู ก, ออ ก, ม, กมันอยู่ว่าลองและอยู่ว่บไม่ถูกไปยังเนี่ยพยายามเป็นอย่างนั้นแต่พอออย่างเมื่อวานเนี้ยก็กแบบก็แบบตัดใจไม่เป็นไรเราก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วกันเงี้ยปั๊บเดียวมันก็ เข้าร ว, วมผมคิดว่าผมจะต้องแก้อยู่ตรงนี้ยังไงดีครับพญาะะมันเหมือนอ่าครับรวมแล้วก็ต้องแก้งั้นทำตามที่เราทำเที่มันลงได้ครับอคือต้องแบบอย่าไปท่านหวังอย่าไปคาดอย่าไปอันนั้นเป็นอนาคตแล้วถ้าอยู่ปัจจุบันอยู่แบบพุทโธอยู่แบบเราใช้อะไรก็อยู่แบบอันนั้นใช้พุทโธก็อยู่พุทโธใช้ลมก็อยู่ลมไปท่านเอง ไม่นั่งไปกินมันจะโลก็ไม่โลนค่ะคือนั่งสักว่านั่งไปเอาถือว่าเป็นหน้าที่เราต้องนั่งแล้วกันจายกินข้าวมันกินข้าวกินไปไม่กินมันจะอิ่มไม่อิ่มไม่สนใจใช่ไหมค่ะค่ะกินไปเดยมันก็อิ่มเองค่ะไม่ใช่ตัดข้าวสองคำแล้วอิ่มเมื่อไ่มันจะอิ่มทีไหใช่เป็นความรู้สึกแบบเหมือนมันไม่กินเมื่อไม่กินมันก็ไม่อิ่มค่ะกินเท่ไปไม่นั่งไปคิด ต้องต้องจะพยายามเอาเน้นย้ำตัวเองให้เป็นอย่างนี้ครับอาจารแล้ว<น>พอเรานั่งออกมาแล้วรู้สึกว่าเช้ามาแบบมันมันสดชื่นครับอาจารย์ไม่ง่วงแล้วมันรู้สึกตื่นตัวแบบว่างๆเฉยๆครับก็จะพยายามเราทำตรงนี้ลดอาหารเย็นหรือบางรัก็จะให้ไม่ต้องทานไปเลยครับ เจน ะ, ะมีเท่า น, นี้ใช่ไหมครับขอบคุณท้าวพระจันทร์อาคุณตายว่าแล้คุณตา ย, น, ตา ย, ตายนะลดอาหารนะกลับมวัสการครมพระจานทร์ก็ย่อมนั่งฟังดูว่าวันนี้ทําไมทุกคนจะคุยกันแต่เรื่องทานมื้อเย็นนะคะเพราะโยมเอนก็เข้ามาก็ตั้งใจจะมารายงานเรื่องการทานมื้อเย็นนะคะพระจาจาร <c oughs> นะ์ใช่เลย ก็คืออปกติก็พยายามจะไม่ทานข้าวเย็นใช่ไหมคะพอวันอาทิตย์มันหยุดวันก่อนแล้วก็เมื่อวานเผลอกินข้าวเย็นนะคะแล้วแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปดูว่าทําไมเรานั่งสมาธิไม่ได้ก็ปรากฏว่าเราทานมื้อเย็นตอนวันอาทิตย์แล้วก็เมื่อวานนะคะนั่งไม่ได้เลยพระอาจารย์มันมันง่วงใช่ค่ะขี้เกียจด้วย ถ้าวันไหนสบายเป็นสบายแล้วมันอยากจะนอนพอวันไหนมันก็นนอยากจะนอนใช่ค่ะล้ววันไหนถ้าไม่ได้ทานมื้อเย็นเนี่ยจะสบายมากเลยแลย้วยก็พยายามลดมื้อเย็นมาตั้งสองสามอาทิตย์แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ผอมสักทีค่ะว่าอาจารย์ต้องใช้เวลาห น, นึงันกคือจะยิงยิงนอกอะไรนะ จริ ง, ถ, รงถ้าอยากได้ถ้าอยากให้มนดดันลดแล้วก็อย่าอยากกินมันทุกวันเลยเดือนเดียวเราประกันได้ลดลงเยอะแยะนะไม่อยากให้มนดดันลดแล้วก็อยากกินทั้งเดือนเลยค่ะก็พยายามอยู่<ม>ค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เริ่มก็เราชั่งน้ำหนักดูเนาะเราไม่กินข่าวเย็นทั้งเดือนหนึ่งประกันได้ล ถ, ถ้าไม่นอนเองถ้าไม่นอนละคงจะไปกินมากในมือแทน ยมโ ย, อมยอมบอกว่ากินมาตั้งหลายสิบปีแล้วค่ะแล้วมันจะโรมันก็หงยากเขอกไ่ยากหรอกแล้วไม่กินมันจะยากไหกินมันยากกว่ากินนะความจรินกินต้องเคี้ยวต้องเกลือนไม่กินเนะี่ยเฉยๆนี่นสบายค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ทานไม่ได้กินก็จะรู้สึกสบายๆเมื่อกี้ก็นั่งฟังพระอาจารย์แล้วก็นึกในใจโอวันนี้มีแต่คนรายงานเรื่องการกิน ทําไมเหมือนเราเนาะอันนี้ทำไมคุณพราะทำไมคุณพรชัยมีเวลาว่างด้วยเหรวันนี้ครับปกติจะได้ฟังอยู่ครับทำงานไปด้วยฟังไปด้วยครับอาจารย์ค่ะอันนี้ยอมเกรงใจครับอาจารย์ขอชัยพ่อคือคุณพ่อครับพ่อพ่อพ่อทำลงไแต่เรื่องเขาพอใจมาตลอดแต่คิดว่าชื่อที่รายจะชื่อรับครับ ค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ชวนเข้ามาบอกว่าเข้ามารายงานตัวได้แล้วไม่ต้องไปนั่งฟังไกลๆเ้าบอกเขานั่งฟังอยู่ตลอดค่ะพระอาจารย์โอเคขอใปฏิบัติตามไปนะค่ะขอบคุณครับคุณซันนี่แบงค์ครับซันนี่ก็ทำมาเช่นกลับมาสัการพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีคำถามพอดีคุณแม่ฝากถามมาค่ะคุณแม่เขาถามว่าทำไมคนเราถึงเอ่อกลัวผีเฉพาะตอนกลางคืนแต่ว่าตอนกลางวันไม่กลัวค่ะรู้ว่าตอนกลางวันผีมันไม่มาใช่ไหมก็เลยไม่กลัวทีตอนคืนนี่มันส่วนใหญ่เราคนเจอผีมักจะเจอในตอนคืนกันเราล้องไเชื่อกันมาผีต้อมาตอนคืนกลางวันไม่มา แล้วก็ตอมาตอนที่เราอยู่คนเดียวใช่ไหถ้าอยู่หลายคนมันก็ไม่มาอีกใช่ไหม <c oughs> ที่มันมาที่มันมาไม่ได้มาจากที่ไหนมาจากใจเราเองใจเราไปปรุงแต่งคิดขึ้นมาเองนั่นเองผีจริงไหมผีจริงไม่หลอกผีผีหลอกไม่จริงใช่ไหม <c oughs> แม่แม่แบบนี้บอกว่าอแม่ผีจริงพวกเทเวดาทีศาทั้งหลายเขาไม่มาอยุ่งกับเราแล้วก็ก็มีเรื่องของเขา ไปาความสุขของเขาก็าไปมาเอาเวลามาหลอกลรเราค่ะพอาจารย์ผีที่หลอกก็คือตัวเราเองนี่แหละคิดปรุงแต่งขึ้นไปเองหลอกตัวเองเลยีจริงไม่หลอกไมพีหมีหลอกไม่จริงคนะเข้าใจค่ะแล้วก็ของหนูก็คือเมรรื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพอดีเหมือนได้ทำแบบฝึกหัดอันหนึ่งอะค่ะเหมือน แบบฝึกหัดความทดสอบความกลัวตายะคะ่ะพอดีได้ขึ้นเครื่องบินแล้วพอดีเครื่องเอ่อมันผ่านตรงที่มันเป็นสภาพอากาศแปรปรวนก่อนลงนะคะก็เกิดการที่แบบเครื่องบินมันเหมือนแบบเอ่อทั้งสัน่นทั้งพิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งค่อนข้างน่ากลัวมากะคะ่ะก็บางคนก็จะแบบว่าเหมือนแบบเออมันสามารถเครื่องบินตกได้เลยประมาณนั้นนะคะพอดีไม่สามารถ ร่อนลงจอดได้ด้วยก็ต้องบินวนขึ้นมาอีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเจอสภาพอากาศที่แบบไม่ดีอะค่ะตอนนั้นก็ก็เลยลองก็เลยคิดว่าคิดว่าเออถ้ามันตกจริงๆอ่ะเรากลัวไหมอะไรเงี้ยค่ะก็สำรวจความคิดของตัวเองก็คือเออไม่คือคิดว่าถ้าถ้ามันตกก็คือตกก็คือตายก็คือตายค่ะไม่ไม่กลัวแต่ว่าสักพักนึ่งอ่ะค่ะมันก็กลายเป็นว่า เราเหมือนเราจรินตนการว่าเออพอมันตกใช่ไหมคะเราก็จะต้องแบบอร่างกายจะต้องแบบกระทบกระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็กลายเป็นว่าไม่กลัวไม่ค่อยกลัวตายแต่ว่ากลายเป็นว่ากลัวเจ็บคะ่ะก mm ็ hmm. <laughs> รู้สึกว่าแบบเ อ, อมีความรู้สึกแบบกลัวเจ็บขึ้นมาไม่อยากไม่อยากจะมีอาการเจ็บปวดก่อนจะที่จะแบบที่จะตายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายาม ตอนนั้นก็พยายามว่าถึงแม้จะตกก็พยายามจะอยู่กับพุโทโธอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ ก, ก็ก็ได้รู้ค่ะว่าที่ที่พระอาจารย์หรือว่าพระท่านบางท่านเคยเคยบอกว่าถ้าไม่ได้ฝึกมาค่ะมันคนที่ใกล้าตายหรือว่าคนที่กําลังเผชิญความตายอ่ะค่ะการที่แบบจะเ อ, อเข้าสมาธิหรือจะพุโทโธบางทีมันแบบยากมาเพราะตอนนั้น หนูเวลานั่งอยู่กับบ้านเฉยๆก็ก็เข้าประมาณว่าเข้าถึงความสงบได้แต่พออยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะก็พุดโธได้แต่ก็คือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะแบบเอ่อทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเราสติเรายังน้อยไป ต, ต้องฝึกมากขึ้น ต้องทำยังไงเราถึงจะไม่กลัวความเจ็บปวดนะคะพระอาจารย์ก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็อย่างรี้คะฝึกให้อยู่กับความเจ็บเวลามันเจ็บก็พูดโทอพูดโทไปเหมือนกับมันจะตายก็พูดโท้ใช้อย่างเดียวกันแต่ต้องต้องเจียวความเจ็บแล้วผ่านมันให้ได้ต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บได้คะ่ะพระอาจารย์ก็คิดเหมือนกันว่า เอยังยังยังฝึกได้ได้สติสติเรายังไม่ดีแล้วก็เรายังฝึกฝึกได้ไม่ไม่ดีพอค่ะก็จะฝึกต่อไปค่ะว่าจะลองลองฝึกฝึกอยู่กับความเจ็บนะต่อไปเวลามันเจ็บยังต่องหยาดขยับใช้พุทโธพุทโธเั้งพุทโธพุทโธพุทโธไปให้อยู่ประมันให้ได้นะให้อยู่กับมันได้ต่อไปก็ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายค่ะ ค่ะพระอาจารย์อของหนูมีคําถามแค่นี้ขอฝากคุณข่าวว่านหนูหนูก็ผ่านมาได้เครื่องแล้วหนูไม่กลัวตายา <c oughs> แต่กลัวเจ็บงั้นเรามาทําเป็นข้อหนึ่งคือควากลัวเจ็บไม่ให้กลัวทำเจ็บก็ความเจ็บมันก็ไม่ได้มันทําลายใจเราไม่ได้มันก็ทำมันก็อยู่ที่ร่างกายค่ะพระอาจารย์จะน้องนําไปปฏิบัติค่ะโอเคสาธุคุณหมอณิชาเชิญเราเหมือนกัน โอกาสนมาตการนะคะตอนต้องตาก็ตันนี้องก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็ะค่ะพราว่าคือลูกเนี่ยคือพอเริ่มเข้าโรงเรียนจ้ค่ะก็ป่วยเ อ, อแล้วก็ต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลจ้ก็โยมก็พยายามเจริญกรุณาเ อ, อ่อก็พยายามช่วยเขาตามความสามารถจาก้ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เขาจะต้องรับการรักษา ห, หรืออะไรแล้วก็ จะมีการร้องไห้หรือว่าแบบเป็นทุกข์นิดนึงก็รู้สึกว่าก็วางเบี่ยงเได้ประกาจต่างๆก็ไม่ได้เป็นทุกข์มากนักก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเกิขึ้นกับทุกคนทั้งเขาทั้งเราแลค่ะอาจารย์ก็พอดีช่วงต้นได้ได้ฟังท่านที่เหมือนสระทั้งโลกได้ก็รู้สึกแบบอนุรักนากับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาโชคดีแล้วค่ะอาจารย์พยมดิน้วยการทำ อย่มีลูกนี่ก็คงอีกนานกว่าที่จะแบบได้สวีวิเวกนั้นก็ผ่านไปน้ำในบ่วงกัน้พระพุทธเจ้าพอรู้ว่ามีลูกคนนี้เลยรไปเลยต้อถามอาจารย์ก็คงยังทไม่ได้สิะอันนี้ก็ต้องดูแลบ่วงไว้ก่อนดูแลลาภุญไว้ก่อนอกนัก็ดูแลไปด้วยผูเ้เผยคาทาหน้าที่เป็นที่แต่ไม่ทูกข์กับเขาแล้วกัน ทุบไปก็ไม่ได้เป็น ไ, ไม่ได้ไปทำเปลี่ยนใงกันหรค่ะก็ค่ทห น, น้าที่เต<อ>็ที่รักษาไปดูแลไปหายใไม่ทุกข์กับเขาจะหายไม่หายก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินปก้ยังมีคำถามว่าคือแบบอย่างถ้าในชีวิตเนี่ยถ้าเราจะตั้งต้นด้วยการพิจารณาว่าทุกสิ่งร้มทั้งตัวเราก็จะป เ, ปเป็นเป็นเหมือนเป็นทักษ ตัวตั้งคนเนี่ยจะข่ะเราก็อาจจะเชื่อมกับข้อทอออําอื่นเช่นว่าแบบท่าศีเหล่านี้ก็อยู่ในกฎ ข, ของกุิจักรทุกขังกันต่างแล้วเราก็พยายามจะตั้งตั้งอย่างนี้ไว้ในการดำเนนชีวิตเพื่อที่จะพยายามสกัดกั้งกิเลสลบหดลงได้อะไรเนี่ว่าเป็นท่านไเป็นธรรมชาติไม่ได้ไม่เรียนกันได้เป็นของเราไม่อย่างร่างกายก็ไม่อย่างเป็นของดินและลมไฟ เา่ยไม่ถึ เ, เจ้าค่ะอาารหรืออย่างถ้าแบบที่อาจางเคยให้คนแนะนำเรื่อง อ, อ, อาการ32ที่เหมือนสแกนร่างกายเป็นเอ็กซเรย์อย่างนี้เจ้าค่ะคือถ้าเราก็นนำมาจับ ก, กับ่าตสีคือแยกเป็นฟองที่เป็นดีเป็นนาแล้วก็มันล้กับลมงไปอะไรแบนีก็ได้ใช่ไหมเ้า ค, ะ, คะแล้วก็เหมือนเราคือมันมันมั น, ม น, มนตา่าง มันมันมันผลมันต่างกันเลยคือถ้าเราดูอาการท่าทีสองนี้เพื่อเราคลายความกำหนัดยิน ด, ดีในความสวย ง, งามของร่างกายการพิจารณาเป็นท่าสิงเพื่อคลายความหวงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราใน mm hmm. ค น, คนเรคนเรา่มอนกั น, นดือาการเร่อสองเมื่อเวลาตัดการอารมณ์นะครับ เห็นใครเขสวยเข้า ง, งานใช่ไหมพอ น, นิดถึงร่างกายชาดีสองทำก็ทำให้การอารมณ์ดับไปได้อืมใช่ะอาจารย์ก็คือเหมือนดอาขึ้นจาบกิบเลสที่เข้ามาแล้วเราจะใช้เอาอันไหนฟืออ้ถ้าเรากลัวตายหว่ามันไม่มันไม่ม ไ, มมไม่ใช่เาราน่างการไม่ใช่ะมันจะตายมันก็เป็น เ, เรื่องของต้อธาตุสี่ที่มันจะต้องแยกตัวออกจากค่ะแต่อย่างนี้ก็คือว่าเหมือนกับถ้าเราพิจารณา ข้าศึกเนี่ยก็จะไปลง<ม>ที่อย่างนั้นตามไม่ใช่ตัวเราแต่เราพิจารณาอสุภะเราต้องไปลงที่กรรมลาการ ม, าาาามา อ, มอารมณ์เหนปอญยายารักษาโรคมันค น, น, นละชนิดกันยารักษาโรคปวดศีรษะกับารักษาโรคปวดท้องมันเป็นชนิดกันบางอย่างในปัญญาคนละชนิดกันเราใช้มันถกชนิด อย่างท่าสีนี่คือมันไปลงกับเรื่องของความตายเอ่อมรณาในสตรีก็รักด้วยนะจ๊ะมันก็ไม่มีตัวตนด้วยมันไม่ใช่ตัวน้องันเมนต้นไม้ร่ากายันเป็นเหมอนต้นไมไม่มีตัวตนส่วนส่วนที่ดูเพิ่มดูให้ม okay. ันไม่สวยงาจะได้ไปดับความหลงดิไปกี่วร่างกายที่สวยงางเรา คนะเรื่องกันเป็นสองเป็นสากข้อสอบ น, นี่แะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คืคอในเรื่องของที่เรานั่งปฏิบัติแล้วนำเรื่องของความว่างเป็นอนรม์คื อ, อโยมมองความว่างเป็นแบบรวมๆโดยที่ไม่ได้มีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดเพ่งอันนี้ถูกต้องแล้วนี่นะ ก็ถ้าทําให้จิตเราไม่ฟูกแต่งได้ไม่ใช่ได้ไม่ให้สัตว์เราลืมไปเฉยๆถ้ายังเป็นความคิดฟูกแต่งก็ไม่ไม่ถุดมันต้องการให้มีอะไรที่มาคขลจิตมาให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ก็มีคําถามก็มีจบโอเคลายที่มันไปนาไปดาอยู่ที่ไหนมันไปนาลายไม้ก่อนจะ อ่าคุณได้อยู่ที่ไหนเนี่ยจากนครรัิศรีมาขคดานุนทศค่ะเอ่ามีอะไรไหมวันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมแล้วกับอนัตการพระอาจารย์เป็นครั้งแรกค่ะค่ะอยินดีต้อนรับสมัครปฏิบัติตามพระอาจารย์อยู่หลายเรื่องค่ะแต่นั่งสมาธิก็กําลังเพิ่มเป็นจากสามสิบนาทีเป็นสี่สิห้านาทีจ้ะค่ะอ่าดีนะไม่หนาแนนะแล้วน่าให้สงบด้วยนะ ให้มีสติพ<ะ>ุทโธพุทโ ธ, ท ธ, ทธแล้วดูลมอย่านั่งเฉเฉยใช่ค่ะพุทโธค่ะดูลมหายใจใช่ไหมโอเคค่ะ <Okay. S 2> หลายอย่างที่ปฏิบัติตามพระอาจารย์อย่างลดการทานกาแฟนอนนอนไม่นอนที่นอนค่ะเริ่มเริ่มหลายหลอย่างดีไหมหละ่ะทำแล้วดีไหมดีใชะค่ะแต่อาหารเย็นยั ง, ย, ง, ย, งยังยังลดได้น้อยอยู่ <Okay. S 2> ใช่ค่ะ ก็เอาวันข้างก่อนนั่นแหละที่อาวันนี้เวันวันข้าไ ป, ไปไปรักษาศีลที่วัดจ้ะค่ะรักษาศี <Okay. S 2> <8. S 1> แลแปดต่อไปก็อาจจะเพิ่มสามวันนะที่ก็ักษาไม่กินข้าวย่างไรนงแต่อยากออกจากไปปฏิบัติตะจะขาเริ่มไม่ถูกค่ะอาจารย์ที่เห็นคนอื่นเขาเออกไปปฏิบัติกันเนี่ยแต่เรายังจะออกไปทั้งที่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีห่วงอะไรมากามากแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่ม เรายังสู้ที่เลนเราไม่ได้ที่เล น, เลนมันยังเด้งเราอยู่ จ, จะค่ะก็จะค่อยๆล้วต้องตัดมันให้ได้ตัดทุกอย่มันถึงจะไปได้จค่ะแต่ยังรักสิ่งนั้นหวงสิ่งนี้อยู่ไม่อยากไปไม่ได้จะใช่จะค่ะค่อยๆตัดจค่ะฟั<ม>งธรรมพระอาจารย์จค่ะโอกาสแรกเข้าูไม้เป็นจะคันนี้ให้หลานเข้าให้อยาก เ, เข้ามากราบจะค่ะโอเคกราบด้วยนะโอคขอบคุณจีบ กลับถึง USA แล้วเหรอถึงอเมริกาแวเหรอการนมาสการกับอาจารย์เมื่อกี้โยมใึกว่าสงสัยโยมคงถามอาจารยไม่ได้แล้วเพราะว่าโยมจะเข้าไปประชุมตอนสิบเอ็ดมแต่ว่าเขายังไม่เรียกเข้ามาก็เลยก็เลย uh huh. ได้มีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์ก่อนเมื่อกี้ฝากคํำถามคุณหลาไปแต่ว่าเดี๋ยวถามเองนะคะกับคุณนะคะคุณหลาคือพอดีโยมมีเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนเขาก็ถูกทักว่ามีวิญญาณตามเขาอะไรอย่างเงี้ยโยมก็ด้วยความที่รักเพื่อนคนนี้มาก ก็เลยให้คําแนะนําว่าเออสวดมนต์แผ่บุญแผ่กุศลให้เ้าไหมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนก็จะมีอีกคนหนึ่งก็จะเตือนว่าเฮ้ยจีบอย่าไปยุ่งเขาเลยกรรมของใครของมนันถ้าเราเข้าไปยุง่งเราก็อาจจะแบบโดนโดนเขามาเล่นงานได้อาจจะเล่าเล่นเราไม่ได้จะไปเล่นลูกเราก็ได้อะไรเงี้ยยมก็เล <มา S 1> ่นเอาโปรปงใสมันนั้นไม่มีหรอคือยอมก็เลิกแบบไม่มีหรอกคิดกันไปเองวิญญาณน้องยะมาตามมาหาอะไรเรามีอะไรให้ก็ตาม หน้าหน่ะเสียคล้ยอมก็เลยเอาเอาแล้วอย่างนี้คือการที่เราให้ความหวังดีกับคนให้คำแนะนำกต้องเม่ต า, ตตากังงาก็อยู่ที่ว่าเขายินดีรับหรือปเปล่าเรายินดีับ่ถ้าเขาไม่ไม่ขอร้องเขาไม่ต้องให้เขาก็ได้เช้าเร า, เราไปยินเขา คือทาตามที่เราให้ทําไปถึงถึงแล้วก็แล้วแต่เขาเราก็วางอุเบกขาไปเท่านี้ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้ ว, ลวดค่ะจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็งกแล้วแต่เขาไม่จะเชื่อไม่เชื่อเรื่ อ, ของขเขาไปค่ะแล้วทีนี้โยมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนที่พระอาจารย์ให้คุยกับโยมท่านอื่นนะคะว่าเออว่าตอนนึางคืนเมื่อกี้ น, น้องเขาถามว่าตอ น, น, นคืนแล้วเริ่มเราก็เริ่มมากลัวโยมก็เลยรู้สึกว่าเออการที่พระพุทธเจ้าเหมือนเคยได้ยินว่า คือสมัยก่อนเหมือนกับพระพุทธเจ้าจะสอนว่าไม่ควรจะไปบริโภคสิ่งต่างๆที่มันเรื่องหนังหรือว่าละคร อ, อะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้ะค่ะเพราะว่าโยมก็เชื่อว่ามันมีส่วนทาให้เราปรุงแต่งไปได้จริงๆเว่าแบบพอตกกลางคืนปุ๊บโยมก็เอาละอย่างเนี้ยพรอยู่คนเดียวก็เลยแบบเอาเข้าไปพอตอนกลางวันนี่ามากเลยว่าตองคืนนี้แบบเลยแบบเออมันคื อ, ม, คอมันคือการปรุงแต่งจริงๆใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช<อ> <ๆ S 2> ่ปรแบบุงแต่ เ้าไปได้ยินได้ฟังมาไปเห็นอะไรมาแล้วก็มาจดจําไว้ในใจเนาะพออยู่ในใจมันก็ผล่ขึ้นมาคือแต่ถ้าเราทําดีที่สุดแล้วก็นั่งสมาธิของเราไปจเจริญปรรัญญาเจริญสติของเราไปคื อ, อแต่บอกทำใจทุกวันแล้วจะรู้ไม่มีอะไรเราเราหลอกตัวเราเองผี e จริงไม่หลอกวิญญาณไม่จริงนะใช่เมื่อกี้ฟาจันก็พูดแล้วยงก็เออจริงเนาะ แล้วเรื่องเนี่ยเดี๋ยวโยมจะได้ยินท่านอื่นคุยเรื่องา อ, อาหารเย็นโยมเลยสมว่าคือโยมกินอาหารเย็นกะมันคืออาหารมื้อดึกไปแล้วค่ะไม่ใช่อาหารเย็นก็ราะเพราะว่าทำงานพอทานดึกปุ๊บมานั่งสมาธิมันก็เริ่มงเงเงงเงงพอตื่นเช้ามาก็นั่งทันทีก็แบบเอาก็เริ่มงงเงงเงงแล้วก็สงสัยเดี๋ยวเราต้องหยุดมื้อเย็นแบบคือถ้าหลังหกโมงเราจะไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยลองดูสิว่ามันจะนั่งถ้าเราต้องการนั่งสมาธิแล้วก็ไม่กวนจะรับประทานอาหารเย็น ใช่ค่ะยมจะลองทดลองดูแล้วค่ะรู้รู้สึกว่าแบบมันจะมันจะเห็นทุกคนยินยนันยมก็เชื่อทุกคนยมเชื่อพระอาจารย์ยมก็เลยแบบเอาวะเราจะต้องทําไม่ได้เพราะตอนนี้มันเริ่มเขา้าเวลายมนั่งมันเริ่มนิ่งขึ้นขึ้นดีกว่าเดิมค่ะเหมือนกลับไปเมืองไทยคราวนี้พอกลับมารู้สึกว่ามันปรุงหลายๆอย่างแบบปรุงแต่งได้น้อ ย, อยลงไปอ่ะค่ะ แต่ยกเป็นเรื่องวิญญาณเนี่ยที่เราแบบเอ๊ะเขาจะมาหาเราไหมนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะวันนี้วันนี้ก็มีคําถามแค่นี้ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะค่ะขอบพระอาจารย์ท้าท์ขันแข็งแรงค่ะยัคุณจารินทากันกลับเลยยัคุณจารินทากันใช่ใช่ใช่ค่ะเมื่อกีก่อนก่อนเขาก่อนเขาจะขึ้นเขาเขาก็แบบจิ๊บเอาเราเอาวันนี้ไปขึ้นเขาเป็นอาหารโยมก็แบบ ลดลดลงมาเถอะเดี๋ยวแบบไปก็ไม่ได้กินหรอกแล้วก็จินด้วยค่ะค่ะขอบพร <Okay. S 1> ะคุณค่ารยารสาธุค่ะคุณบอวิรพันธ์เชี่พิโลกรับอมน้อักการอาจารย์ครับม <_ s> ีเข้ามากันเฉยเาฟังครับอาจารย์ียนเียนนะตายคอาจารย์ครับโอเมเจอกันวันอาทิตย์อการอสักการครับผม นตรพัฒต่อน้องเกอร์พัฒน์เปิดพััชราสัทธิ์ไม่ได้เปิดก็คงน้องท่านไปก่อนนะ่ะ <_ d ose> ออกมาแนละ้วการนวัฒการเจ้าค่ะพระอาจารย์เอวเลยใช่ค่ะครั้งที่แล้วหนูไปถามอาจารย์สลันซึ่งเป็นหมอผ่าตัดสมองหนูอะค่ะแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอคุณสายทิพย์หรือเปล่าไม่แน่ใจจําไม่ค่อยได้ อ, อ, อยาอย า, ยาช่ยาทั้ป่าเล ใช่ค่ะใช่เจ้าค่ะเออก็ข้อมูลยืนยันตรงกันว่าไม่มีผลต่อการระคายเคืองของกระเพาะอาหารหนูก็เลยเริ่มทดลองที่จะงด อ, อาหารหเย็นนะเจ้าค่ะ<ช>ก็ทําได้สักสองสามวันแล้วเจ้าค่ะเออหนู น, นั่งสมาธิคือหนูอยากจะลบกวนข้อระยะเรียนถามน้อาจารย์อย่างนี้เขาว่าคือเวลาหนูนั่งสมาธิเจ้าค่ะบางครั้งมันก็จับลมได้บ้างบางครั้งก็ดามลมบ้าง แต่เวลาหนูนอนสมาธิมันจะทําได้ดีกว่าคือหนูเป็นคนชอบนอนหนูไปปฏิบัติทําที่วัดหนูอยู่กุฏิคนเดียวหนูก็หนูก็นอนคือนอนนอนพุโทโธพุโทโธนะเจ้าค่ะถ้าอันนี้มันเกี่ยวกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันจะทําให้เราหลับได้มันจะทําสมาธิได้นานใช่จ้าแล้วมันจะไม่สงบมันจะมันสงกแบบนะไม่ไมีสติะะลสลับสะไลเออเจ้าค่ะ ก็ะจะไม่ได้ผลทางไม่ได้ผลทางด้านธรรมาที่ได้ผลทางด้านหลับนอนใช่ค่ะทีนี้หนูตื่นเช้ามาเนี่ยหนูจะฟังธรรมรวมทั้งธรรมะบนเขาที่พระอาจารย์มีทุกวันนะเจ้าค่ะทีนี้ปกติอ่ะเวลาหนูฟังธรรมหนูจะต้องมีอย่างอื่นทําไปด้วยถ้าสมมตินหนูนั่งฟังธรรมอย่างเดียวอ่ะก็จะไม่สามารถทําอย่างอื่นได้ด้วย เออมันจะดีกว่าที่เราไม่ได้ฟังเลยแม่เจ้าค่ะระหว่างฟังแล้วทําอย่างอื่นไปด้วยกับฟังอย่างเดียวอะเจ้าค่ะคือถ้าฟังอย่างเดียวก็จะได้เต็มร้อยเนี่ยถ้าฟังแล้วก็ทำอะไรไปด้วยก็ได้ห้าสิบห้าสิบก็หาเวลาหาเวลาที่เราว่างเรามานั่งฟังไดีใช่ไหมเรานั่งสมาธิแล้วก็เปิดฟังมาด้านก็ได้เจ้าค่ะอย่างเช่นถ้าเรา ้องน้ำอ่ะเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาถ้าเราเข้าห้องน้ําเราเราจะมีสมาธิแต่เราไปฟังธรรมในห้องน้ําได้ไหมเจ้าค่ะได้ไม่มีที่ห้ามเพียงแต่ว่ามันต้องอย่าไปทําต่อหน้าสาธารณะชนนั่นลวกันเพราะมันเป็นความมุ่งสูงแต่ถ้าเราใจมีหูฟังนี้เราเสียบหูไปแล้วเข้าไปนั่งอยู่ที่ไหนฟังก็ได้เจ้าค่ะอันนี้อยู่ที่บ้านที่ตึกหนูนะเจ้าขาที่บ้านหนูเองทําที่ดีเกาไม่ควรทําจะดีกับเพราะว่า อย่างนั้นเราก็ควรจะให้ความเคารพธรรมะด้วยธรรมะขีดของสูงว ค, ค, ควรควรงานไม่ทาบ้านกิจในในห้องน้ำหรือเป็นของต่ำก็ไม่ควรนอกจากว่าถ้าเราจงรังสิตที่เราจเจริญได้ทุกเวลาขณะทํากิจในห้องน้ำ ก, ก็จะดำได้เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าขาถ้านหนูจะไปถวายพวก อ, อ, อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะเจ้าค่ะ หนูสามารถไปได้จนถึงกี่โมงหรอเจ้าคะคือถ้ามาวันเส า, าร์วทิที่วันหยุดราชการวันพระกับมาช่วงบ่ายที่มี็นแสดงธรรมสองโมงเวลาสามโมงก็จะในการถวายข้าวของอะไรกันจ้ะเอ่ออันนี้คือถวายเป็นสังฆทานก็จะถวายได้ได้ก<ป>็ถวายทั้งทั้งหมดเนี้ยแล้วก็จะไปแบ่งแจกจ่ายให้กับพระพระสงฆ์องเจ้าต่อไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะเอ่อเม่วันน yes. ี้มีแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือหนึ่งมามารายงานสิ่งที่ได้ทําไปแล้วก็แต่แต่มีอีกประเด็นหนึ่งเจ้าค่ะคือหนูจริงๆแล้วมีความพร้อมที่จะสละทุกอย่างได้ได้ได้เยอะมากเพราะว่าหนูไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรแต่ทีนี้บังเอิญว่าบ้านเรายังไม่มีแบบพิษุณีเอ่อพิษุณีนะเจ้าค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีนิวรตัวไหนที่ทํำให้หนูยัง ยังไม่มั่นใจที่จะกังวลใจว่าเอ๊จะสละทุกอย่างขายทรัพย์สินทุกอย่างแล้วไปอยู่ในพระพุทธศาสนาทำนุทำท ำ, ทำต น, ทำนํารุปบระพุทธศาสนาหรื อ, อยังไงอย่างนี้พระอาจารย์มีข้อแนะนํำไหมเจ้าคะก็ลองไปอยู่แบบช่วงค้าวันเนียพุทธศตวหรือว่าเราอยู่แบบไม่ชีอยู่แบบหน้าปฏิบัติได้ไหมสมครเข้าของมงินทก็เก็บไว้บ้านก่อนมั่นใจไม่ต้องไปสนใจมั่น นถ้าเราอยู่อกปฏิบัติน่าจะเลี้ยงก้าวหน้าเนี่เราก็อยากจะตัดมันไปเองเหมือนคือตอนนี้หนูเริ่มเบื่อฝูชนนะเจ้าค่ะแต่ไม่รู้เบื่อจริงเบื่อปลอมหนูไม่ค่อยอยากอยู่กับใครอ่ะเวลาหนูไปวัดอ่ะหนูจะอยู่กุฏิคนเดียวแม่วัดไม่เอาใครไม่เอาใครไปเลยแล้วถ้าเพื่อนจะไปด้วยหนูก็บอกก็ไปได้นะแต่อยู่คนละกุฏิเพื่อนก็จะบอกไม่ไปดีกว่าอันนี้ไม่ไม่ค่ะก็ถูกต้องแล้วนหละนอกปฏิบัติต้องอยู่คนเดียว เจ้าค่ะก็ลองไปอยู่นานๆสลยอยู่เนี่ยกลับไปบ้านเลยจะมาทั้งมันจะมาทั้งเลยก็ไม่มีบ้านมีบ้านไม่มีบ้านเจ้าค่ะหนูเคยไปอยู่ อ, อ่อเนื่องกันประมาณยี่สิบหกวันนะเจ้าค่ะอยู่คนเดียว<ค><ะ>ได้ต่อไปก็อยู่สามเดือนเข้าอรรษาอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะ ได้เจ้าค่ะพอาจารย์เพื่อทดสอบจิตนะเจ้าค่ะใช่วยังมีคาบุปนกับทราบสมบัติชอบของมหือเปลาเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะอาจารย์กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะชาเถ้าเจ้าค่ะคุณบาลีอาข้าวบุตถากาเนียกลาบมาสกาหลวงพ่อค่ะพ่อได้ยินหนูไหมคะได้ยินน่ะเจ่หลวงพ่อคะ อยู่ตอนนี้อยู่ทกักกาอ่ามีอะไรไหมวันนี้พ่อปฏิบัติตลอดนะคะแลวพ่ อ, พอแต่ทีนี้มันไอ้คำอะไรนะคำคาที่เรานึ้อกุดโทนี้มันมันตลอดเวลาค่ะอพ่อมั น, ม, นมันกักอดอยู่ตลอดแสดงว่ามันติดเป็ น, นสายแล้วมีแล้วแล้วทีนี้พอเหมือนเหมือน อย่างหายใจเข้าช้าหรืออะไรหรื อ, ห ร, อหรือยาวหรือสั้นอะไรเงี้ยมันก็จะปรับของมันไปเองอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะเกาะเกาะไปจนตลอดเวลาเรานั่งปฏิบัติอย่าเงี้ยค่ะมันพอถึงสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนสะดุดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะสงบสงบแล้วมันก็เหมือนเหมือนแบบ ลมมันเหลือน้อยแล้วจนกระทั่งมันหายแล้วทุกอย่างมันก็ดับมันก็เงียบแล้วก็นิ่งร่างกายมันก็จะเหมือนก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็อถูกต้องนั่นแหละคือสมาธิแล้วแล้วทีนี้ยเวลาสมมติว่าเราเราก่อนที่เราจะนั่งเรานเน้นว่าเออเราวันนี้เราจะปฏิบัติสักสมมติชั่วโมงนึงหรืออะไรเงี้ยค่ะพอมัน มันก็จะอยู่ได้ตามตามที่เราเลอกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอมันก็จะเป็นเวลาเป๊ะๆอย่างเงี้ยนะคะหลวงพ่อแล้วแล้วเวลาเราออกมาแล้วเนี่ยหลังจากที่เราไม่ได้นั่งเงี้ยคะ่ะหลวงพ่ อ, พอมันก็ยังยังมีไอตัวเนี้ยติดติดเรามาอยู่อ่ะคะ่ะไอชุดโทพุดโทเนี่ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะว่ามันเสพแด้วถ้า ถ้าสมมว่าเราไม่ได้คิดงานไม่ได้คิดอะไรเงี้ยอย่างาเมื่อกี้หนูนั่งฟังหลวงพ่อสนทนากับท่านอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ปืดปื ด, ป, ดปืดอยู่อยู่ตลอดเวลายอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเรากําหนดว่าเราจะจะจะนิ่งอย่างเงี้ยของพรามันมันก็จะเหมือนมันจะดึงเข้ามาอยู่ข้างในอย่างเงี้ยหลวงพ่อแล้ก็ถูกต้องอันอันนี้คือถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ที่ถูกแล้วใช่ไหมค่ะหลวงพ่อ แล้ ว, ลวมีสติสัมปชัญญะนะค่ะแล้วอย่างเงี้ยคือหนูปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือชั่วโมงหนูการสงสมของหลวงมันยังน้อยอยู่ถูกไหมะคะหลวงพ่อก็ต้องปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือเดินดเดินวิธีที่ถูกแล้วถูกไหมะคะหลวงพ่อเมื่อเจอเวลาออกจากสมาธิาก็เรามาคิดทางตายรักบ้านไปเลยคิดทางมัสมัพบ้านไ ค่ะหลวงพ่อพิจารณาอาหารเป็นปฏิโกณอ่ี้ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อพอตอนช่วงจะกินข้าวหรืออะไรเงี้ยค่ะมันมันนึกถึงอาหารว่าเนี่ยเดี๋ยวมัน ก็เข้าไปเน่าอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยมันทําให้เราไม่ไม่อยากกินข้าวหรือว่าเราเรากินจริงจริงเราอยากมีความยังยังมีความอยากที่จะกินอาหารเยอะอยู่แต่พอถึงเวลาจริงๆมันมันกินได้ได้ไดแค่นี้ไม่ เ, เยอะเพื่อลดความอยากในอาหารให้กินเท่าที่จําเป็นค่ะแล้วเอ่อเรื่อง อารมณ์ที่หนูเคยบอกว่าหนูเป็นคนโศกแรงอะไรเงี้ยขลุงพ่อพอมาเดี๋ยวเนี้ยเวลามันมีเรื่องอะไรที่กระทบใจมันมันก็เริ่มเหมือนคลายคลงไปว่าเออก็ช่างมันเกิดแล้วก็แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยขลุงพ่อเหมือนมันมันใช่ใ ช, ใชไปขลงพ่อเอาไปก็ฉิวได้เลยเอไปก็ชิวขลุงพ่อแล้วแล้วตอนนี้คือหนูก็พยายามปฏิบัติคืออย่างน้อย หนูตั้งใจไว้ว่าอย่างน้อยคือวันละไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อหนูหนูตั้งใจแบบนี้ค่ะเดีวันหยุดก็ทําทั้งวันเลยคือไม่มีภารกิจทำงา น, นถ้าไม่มีภารกิจหนูก็ทําค่ะแล้วก็อย่างวันธรรมดาทํางานเนี้ยเวลามีมีสักว่างครึ่งชั่วโมงหนูก็เก็บหมดค่ะหลวงพ่อเก็บเก็บหมดตลอดค่ะอ ทำให้มากีิ่มากเท่าไหร่ยังดีไม่ไม่มีโการปฏิบัติไม่มีททษมีแต่คุโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไมไม่มีแล้วค่ะค่ะแลวงพจาบคู่ทุกคนข้่อค่ะสากุค่ะไปที่คุณเพยุทต่อเพรยุธข้าราชการอาจา์ปุ่มครับผมก็วันนี้เข้ามาฟังอาจารครับมีคาถามสำหบอ ไม่ได้กูเน่งกับกูน่ย่ไหนเา อ, อยพัทยานีกเนนื่อก่อนไม่ได้ชื่อเนงได้ไดยไ้ยินไหมคะบาบาได้ยินได้ยค่ะับอาจารย์หมาเป็นยังไงบ้างยังยังอยู่ยังอยู่ค่ะอาจารย์ยรคือพอดีได้ลงโทษไปเอาเชือกมัดปากก็รู้สึกว่าจะจะรู้สึกว่า เขาก็จะสงบมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะ <Ừ. S 2> แล้วก็ดูบ้างแต่บางทีก็คิดยูว่าเราฝึกมาทำไมเราต้องมาดูเขาด้วยแต่ว่าถ้าไม่ดูก็ไม่ได้อะคะ่ะใช่ดุก็เป็นการสอนเงไงสอนค่ะก็คือปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะจะหยหวนมากจะร้องอยู่นั่นแหละร้องให้พลิกหัร้องให้อะไรแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราหยิบหยิบเชือกอขอโทษ น, นะคะ เอาเชือกองเท้าแต่ว่ามันนุมน่มๆอะค่ะเอามามัดปากก็ไปซื้อไอที่คอบปากมาแต่ว่ามันจะอ้าได้ก็เลยเอามามัดอีกรอบนึงพอเขาเห็นเขาก็เงียบเขาก็แบบเฉยๆเลยบอกว่ารู้โหลเขาเขาเขารู้เลยแบบว่าไม่ร้องละอะไรอย่างนี้นะคะอืมก็ดีเป็นการสอนยอมใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่งางหนึ่งอ่าที่ที่ที่สามีที่ที่บอกไว้ว่า เออเขาเป็นคนโทสะจริตแรงเหมือนเหมือนเราพูดแล้วเขาก็รู้สึ ก, กนะคะว่าทาไมจะต้องต้องพูดแบบนี้แล้วแล้วบอกว่าไม่สงสารตัวเองมากหรือไงไม่เออสงสารใจตัวเองหรือเปล่าเขาเหมือนเขาคิดได้เขาก็เลยแบบลายมาเขาบอกมาขอโทษเพราะว่าเราก็เฉยๆคือเขางงเขาบอกว่าแทนที่เธอจะโกรอ่าเหมือนกับว่าสงสารตัวเธอเอง ทำไมเธอต้องมาสงสารฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม mm hmm. แล้วก็เขาก็เลยแบบเออฉันฉันรู้สึกว่ามันมันต้องมาขอโทษนะคะแล้วก็พูดพูดดีขึ้นเหมือนเหมือนเขารู้สึกว่าสงบ ม, มากขึ้นแต่คือเราเข้าใจนะคะเพราะว่ามันก็เจอวิกฤตในเรื่องของธุรกิจนะคะก็คงเครียดอะไรหลายๆอย่างน ะ, ะก็ลง่า อ, อ๋อก็ไม่เป็นไรแต่เพียงแค่ว่า ให้เราอ่ะเมตตาตัวเองให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าตัวเราอะจะทําร้ายตัวเราเองมากที่สุดไม่ใช่ใครว่าเขากุง ค, คิดได้อะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ได้อ่อบอกแม่ไปเพราะว่าอดูแลคนแก่หลายคนใช่ไหมคะสองสามคนหนูก็เอ๊ะมานั่งคิดเหมือนกันว่า เป็นการสั่งสอนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดดีๆนะคะก็ไม่ได้อะไรพ่อแม่จะเครียดกับตัวเองมากไม่สบายแล้วแล้วก็เครียดกับลูกคนนั้นคนนี้ก็โอ้โแม่แม่ไม่ต้องเครียดเพราะว่าแม่มาถึงขนาดนี้แม่ได้กําไรชีวิตมากแล้วแล้วก็ลูกทุกคนก็โอเคแม่ทําไมจะต้องเครียดด้วยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเออเนาะแม่ก็ฟังธรรมะนะก็ส่งไปให้ค่อยๆฟังไป เออมันเป็นอย่างเดียวที่แม่จะต้องเก็บไว้กับตัวแม่เองนะคะพระอาจารย์ในส่วนของเอ่าพ่อสามีก็เหมือนกันก็มีในเรื่องของเหมือนกับก็เข้าเแบบเหมือนเด็กนะคะ่ะใกล้จะเก้าสิบแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกว่าก็ทําตัวเป็นแจ๋ว <c oughs> เหมือนเดิมแล้วก็ทําให้รู้ไม่ชี้อันนี้บางทีเราก็บอกว่าเอ๊ะ เราเฉยมากไปหรือเปล่าหรืออะไรมากไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะค่ะพ่อาจารย์และอย่างหนึ่งก็อยากจะม า, าเรียนกับพ่ออาจารย์ว่าเริ่มที่จะนั่งสมาธิได้แล้วปกติเนี่ยที่เคยบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้ก็าจาย์คิดไปถึงการอ่านหนังสือแล้วก็สวดมนต์พอมาถึงออได้ฟังหลายๆท่านที่พูดนะคะอ๋อเราตั้งใจมากเกินไปอยากมากเกินไปเราก็เลยเข้าไม่ได้แต่พอ เรานั่งปุ๊บเราไม่ได้นคิดอะไรมันฟุบไปเลยทีเดียวนิดหน่อยก็ก็ยังดีดีอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมาธิที่ได้ก็จะได้จากการที่เวลาทำงานที่พระอาจารย์บอกว่าใจนะที่จริงอะ่ะมันไปคิดนู่นคิดนี่กับคนอื่นเยอะแยะเราก็อือ่ะผู บ, บ้านก็พูโทรพูโทไปดูกายทำงานไปก็พยายามทำก็เริ่มที่ที่จะได้บ้างนะครับอาจารย์ ไม่ก็อันนี้เน้นนี่ถือว่ามาถูกทางไหมครับอาจารย์ถูกทางาดีแล้วทําไปเรื่อยๆทําให้มากขึ้นพุดโธลั้งวันเลยไม่จำเป็นต้องคิดอะไรคิดให้มันอยู่กับพูดทอลเค่ะแต่เวลาพอทํางานเราก็คือทํางานใช่ไหมครับอาจารย์ทํางานใช้ความใล้ายๆมให้อยู่กับงานที่เราทํำไปค่ะค่ะอาจารย์อันนี้ก็พยายามที่จะทําอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่คําพูดของคนที่มากระทบมาค่ะอาจารย์ ก็เลยแบบบางทีก็ไปทีเดียวก็เลยเชเฉิๆ อ, อีไว้อแค่เป็นเสียงลมพัดไปก็แล้วกันา่าห้ามันไม่ได้อะไรพูดอะไรก็เป็นแค่เป็นเสียงลมพัดมาค่ะอาจารย์อันนี้ก็พอดีอยากจะมาเรียนอาจารย์ว่าอปฏิบัติ ถ, ถูกต้องไหมอะไรอย่างงี้ครับรอาจารย์จะได้ปฏิบัติไปค่ะครับอาจารยให้มากขึ้นนะครับค่ะอาจารย์ ค่ะสอธุกขค่ะขอแก้จาั์ประขันของ เ, เล่นค่ะหาหาซึมปุ้ยมาปุ้ยอยู่ที่ไอนเชิญอยู่ที่ไหนปุ้ยหรือปุ้ยปุ้ยค่ะจับนมองัชการหลวงพ่คอค่ะอยู่กรุงเทพคะ่ะโอเคมีอะไรไหมวันนีมม้มีคำถามเจ้าคะ่ะคือปกติแล้วอะค่ะ ระหว่างวันนะงานก็ทำงานทั้งวันเลยนะคะก็เลยเวลาว่างคือหมายก่วาวเวลาทำงานทานข้าวลังจานอะไรขับรถอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะจะเปิดธรรมะฟังไปด้วยก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองสงบสงบมากแล้วก็มีความสุขนะคะแต่เวลานั่งสมาธิก็ก็เหมือนกับเอนั่งแล้วเหมือน เหมือนจิตก็ไม่รวมอะไรเงี้ยก็เลยมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเป็นไปได้ไหมว่าระหว่างวันเนี่ยเรา่ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเวลาทําสิ่งต่างๆเราก็ฟังธรรมะไปด้วยตอนเนี้ก็เลยพยายามไม่ไม่ฟังธรรมะระหว่างทํากิจกรรมใดๆนะคะถ้าอยากจะฟังก็แยกฟังไปเลยแล้วก็ระหว่างทํากิจกรรมอื่นก็ไม่ฟังมันก็เลยทําให้เราอะได้ได้ถ่าย ค่ะแต่ว่าเราก็ได้ฟังธรรมะน้อยลงนะนะคะก็เลยจะเรียนถามพระอาจารย์รว่าบางทีฟังมากไปก็ไม่จําเป็นเรียนอกฟังมากขนาดนั้นสลับกันได้เวลาทําอะไรก็อย่าไปฟังธรรมะเวลาจะฟังธรรมะก็อย่าไปทำไํำเลยนั่งหลับตานั่งยืน่ายท่าสมาธิฟังไปเลยไม่ได้ค่ะ ได้ฝึกสติได้เงไม่งั้นเวาเราฟังธรรมะด้วยทํางานด้วยมันใจมันก็วิ่งไปวิ่งมาเยนระหว่างการฟังกับการทำงานของเรามันก็เลยไม่ได้สติค่ะ พ, พระอาจารย์คะแล้วอย่างเวลาการจะบรรลุธรรมนะคะสติกับปัญญาอะไรสําคัญกว่ากันคะอ๋อมันบาด้วยกันมันฝึกสติงานแล้วก็ฝึกปัญญาต่อ แล้วมันจะไปด้วยกันสติปัญญามันจะเป็นทำ ง, งานคู่กันไปค่ะแล้วก็สมาธิเนี่ยมันทั้งสามอย่างไปด้วยกันสติสมาธิปัญญามันถึงจะทําให้ใจมันรูทน้ทําได้ปล่อยวางได้อย่างอย่างเวลาอย่างเวลาฟังเรื่อง เรื่องอะสมัยพระพุทธการเนี่ยค่ะแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดแล้วก็ไปเทศแล้วก็บรรลุ ธ, ธรรมอย่างนี้ค่ะอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเพราะอะไรพราว่านคนฟังก็มีสมาธิแล้วเขาฝึกสมาธิจิตช่อแน่นสงบแล้วพอเขาฟังปัญญาขอพเจ้าเขาเข้าใจเขาก็บรรลุธรรมได้ แสดงว่าการบรรลุธรรมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท่าสมาธิท่านั่งสมาธิใช่ไหมคะอ๋อไม่หรอกอยู่ในท่าไหนก็ได้การบรรลุธรรม oh. นอกจากบางเรื่องถ้าเรื่องถ้าเราต้องการจะผ่านทุกขเวทนานเราต้องทำให้มันเจ็บแล้วก็ปล่อยให้มัาปล่อยให้มันเจ็บไปแล้วใจปล่อยวางมันได้ งั้นถ้าถ้าสมมุติเราบอกว่าเราเรามีเราสามารถในชีวิตประจําวันนะเรื่องหลายเรื่องที่เราปล่อยวางได้เราใช้ปัญญาในการปล่อยวางก็ก็หมายความว่าการนั่งสมาธิอาจจะไม่จําเป็นหรือเปล่าคะ อ, อ๋อจาเป็นถ้าไม่ไม่มีสมาธิเราก็จะปล่อยวางไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างเดียวแล้วไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกาลังที่จะปล่อยอืมค่ะ ม, ม, มันนั่งที่นีทั้งสองแห่งมานั่งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็ก็ปล่อยไม่ได้มีปัญญาอย่างเดียวก็ปล่อยไม่ได้ค่ะพอดีก่อนช่วงก่อนหน้านี้หนูนั่งสมาธิก็แบบรู้สึกว่ามีมีความมีพัฒนาการ เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะแต่ระยะสองสัปดาห์ให้หลังมานเนี้ยคะ่ะงานงานก็เยอะพองานเยอะแล้วมันมันพะวงกลางคืนนอนหลับไปแล้วอะ่ะสะดุ้งตื่นแล้วก็แล้วก็นอนไมน่หลับ ก, ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิปรากฏว่าเมื่อวานนี้นั่งสมาธิแล้วเหมือนแบบไม่ไม่ดีเท่าเดิ ม, มาคา่ะนั่งแล้วรู้สึกมันเหมือนเดี๋ยวคันตรงนั้นคันตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเวลาคันเนี้ก็จะแบบใช้สติไประงับมันว่าไม่สนใจ ทนไปอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้ก็คันมากมายแล้วก็เจ็บแล้วก็เหมือนเจ็บทั้งขาหนักทั้งไหล่ก็เลยกลายเป็นเมื่อวานก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จเสถียรแล้วเนื้อ ไ, ไม่คยมีวันนั้ค่ะอาจจะอาจจะเพราะเครียดนั่งงานด้วยอ่า<ต>นะท่าก็ไม่มีสติกวถ้ามันมีสติมันก็จะไม่เครียดด้วยอืถ้ามันเครียดแสดงว่ามันมีสติคนระ ใช่ค่ะรู้สึกเลยค่ะ พ, พระอาจารย์ครับพอดีอันนี้ขออนุญาตถามเผื่อแม่นะคะแม่เขาแบบพอดีเมื่อพ่อพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้นะคะแล้วแม่เขาก็จะมีความคิดว่าแบบเออพ่อเสียเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมีแบบจะทําบ้านแล้วมีต้นโพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยถามว่ามี ให้คนสมมติคนที่ต้องการเนี่ยมาล้อมล้อมต้นโพกไปแม่พ่าก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าจะมีลุคเทวดาสถิตยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นทำให้เพราะมีโรคใคยใคกล้เจ็บตามมาแล้วก็เสียชีวิตยอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็พยายามอธิบายว่าไม่ไม่เป็นไปอย่างนั้นหรอกเพราะว่าทุกคนเนะกิดมาก็ต้องตายแต่แม่ค้าก็ทำใจแบบนั้นไม่ได้อะคะ่ะเราจะเอาไปสอนแม่ยังไงดีอะคะ่ะ ก็ไม่ต้องสอนนะก็ปล่อยเขาไปตามเดิมเขาอยากจะเชื่ อ, อนนเรื่องของเขาไปเพรเราก็เปลี่ยนใจเขาไม่ได้เราบอกเราเราบอกเข้าไปแนละ้วเมื่อเขาเมื่อเขาไม่เชื่อเราเราปล่อยเขาไปค่ะมันไม่มีมันไม่มีความตํางกันเขาเชื่อเขาเชื่อไปเนปะ็นเรื่องของความองง่ายใช่ไมใช่ใช่ใชใชค่ะแต่เราก็ไปบอกเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องปล่อยเขาไปตามในองค์เขาไงค่ะ เพราะความจริงมึงก็เห็นชัดๆอยู่การเจ็บความตายมันมาจากการเกิดไม่ใช่นลยใช่ไหมถ้าไม่เกิดมันก็ไม่เจ็บมันไม่ก็ไม่ตายกันเลยค่ะ <Okay. S 1> แต่พระพุทธเจ้ายังต้องเจ็บต้องตายเหมือนกัขนขณะมื้อสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าคนที่ใส่บาตรให้พระเจ้ากิดมื้อสุดท้ายว่าอยากไปเสียใจได้ทําบุญของพระเจ้าครั้งสุดท้ายถือว่าเป็นบุญบางคนไปชคิเข้าไปทำให้พระพุทธเจ้าตายก็ได้ว่าอาหารที่เขาถวาย เดี๋ยวพระเจ้ า, ญญ า, จารูา้ึกว่าเดี๋ยคนจะคิดไม่ดีก็เลยสั่งไว้ก่อนนะยอืมค่ะทางบการให้ทอนอาหารขั้นสุดท้ายให้กับพระเจ้าที่ได้รู้มากไม่ได้ไมไ่เป็นบาปแต่อย่างใดเอย่าพ่อไม่เข้าใจที่โอ้เราไปข้าวพระเจ้าแบบอเ่าเอาอาหารให้พระเจ้าจี่เราตายหรือเปล่าอันนี้ก็แบบเดียวกันคิดไปร้อยแปดที่ไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผละ แต่ถ้าก็ไม่เชื่อเราก็เชื่อไปได้ก็ปลาอยก็เชื่อมเข้าได้มันก็ไม่ใช่อเรื่องสำคัญอะไรมากเลยพ่อก็ตายไปแลนะ้วค่ะอีกคําถามหนึ่งคะ่ะอาจารย์อย่างอย่างตอนสมมุติว่าตอนที่คนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะสมมุตินักขณะนั้นนะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ทุรนทุรายอนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่า แต่เขามีความสงบนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าสงบแบบมีสติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปดีหรือเปล่าอ่ะคะเราไม่รู้ก็ไม่เราไมสนใจนะมันก็อยู่ที่ตัวเขานะ <c oughs> เขาก็จะไปตามบุญตามกรรมเขาค่ะนะไม่ต้องไป <c oughs> กังวลนะตัว <c oughs> ใครตัวมันเรื่องราวนี้ไม่มีใครช่วยกันได้ค่ะ <c oughs> โอเคนะนขอบคุนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ใช่คุณสภัสตาในค่าวแล้วนี้น้ําท่วมแล้วดารลัสเป็นไงบ้านท่วมรือเปล่าฝนหรือเปล่ากลาวนมรดการพระอาจารย์เจ้าค่ะฝนตกแต่ไม่ท่วมที่บ้านใช่ค่ ะ, ะเห็นในภาพนี่วาท่วมรถนีวิ่งมไม่ได้เลยนะบาง บ, บางแข็งใช่ไหมเจ้าค่ะก็เขาพี่บ้านเออคุณพ่อก็โทรมาเช็คเหมือนกันเจ้าค่ะคุณพ่ อ, อสามีอะไรเงี้ยแต่เราบบไม่เป็นไรเราเพราะเราอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหน เลยเลยคิดว่าเลยไม่น่าจะเจออะไรเจ้าค่ะก็ก็ไม่ได้ท่วมที่บ้านเจ้าค่ะท่วมข้างนอกที่ข้างนอกส่วนอาจจะสูงไม่ได้เจ้าค่ะอยู่บันเนินนิดหนึ่งอ่ะเจ้าค่ะก็เลยไม่น่้ค่ะอดแค้าค่ะพอดีลูกมีคําถามเจ้าค่ะคือว่าพี่สาวของลูกเนี่ยเขาเออเขาซ่อมหลังคาแล้วทีเนี้ยหลังคา มันยังรั่วต่อเขาก็ติดต่อช่างเดิมให้กลับมาแก้ช่างเดิมเขาก็ไม่กลับมาเขาก็แบบค่อนข้างจะคงไม่กลับมาแล้วอะคะ่ะมาซ่อมต่อทีนี้พี่สาวลูกเนี่ยเขาก็คุยกันสองคนเขาก็บอกว่างั้นก็ต้องตามตัวให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปแจ้งความเจ้าค่ะทีนี้ลูกก็ฟังเขาสนทนากันใจลูกคือมองว่าเราก็ไม่น่าจะไปก่อเวรเกาะกรรมกันก็กเวรเกกรรม เขาไปมาเราก็ไปหาช่างใหม่ก็แล้วกันยอมเสียเงินห้หน่อยเมื่อกี้จบเสียได้เสียได้เงินดีกว่าเป็นมีอเลิกมือลาอ่ะเขาเนี่ยเราไปฟ้องเขาเดี๋ยวเขาก็ฆ่าพยาบาลเจ้าค่ะลูกก็ฟังพี่สาวคุยกันแต่ว่าลูกก็คิดอย่างคิดตามที่พอาจารย์สอนแต่ลูกก็ไม่พูดออกมาเจ้าค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ถามความคิดเห็นลูกก็ลูกเลยยังไม่ยุ่งกับเขาเลยยังไม่ยุ่งรับเดี๋ยวเขาจะตับจะมาเกลียดเราเสีย ถ้าเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องพูดอะไรเพราะเดี๋ยวอย่างนี้เจ้าค่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเราผิดแล้วก็จะมาแบบเราก็เลยได้แค่รับฟังเฉยๆนะเจ้าค่ะได้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะคือวางอุบายข า, <ป>าอเอาไว้เราทำอะไรไม่ได้พูดไปงั้นเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องได้แล้วค่ะลูก ลูกเป็นน้องอะค่ะฐานะคือเป็นน้องเราไม่ได้เป็นพี่เราก็เลยคิดว่าเราไม่สามารถจะไปสอนไปบอกใครได้ก็ได้แค่ฟังอะเจ้าค่ะแม้แต่แม้แต่นั้นพี่บางีีก็บอกไปได้ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ฟังเราเราก็ถ้าเขาไม่ถามอืมเจ้าค่ะแล้วลูกก็ทําถูกแล้วก็คือฟังเฉยๆที่เขาสนทนากันก็ฟังไม่ร่วมเสนออะไรทั้งนั้นคือเงียบอย่างเดียวถ้าเขามาปรึกษาแล้วพี่พี่คิด้ว่าเป็นยังไงแล้ก็บอกเขาได้ เจอค่ะแต่เขม่มมต้องปึกษา่ะเจอว่าเขาก็ถือว่าเราคงจะไม่มีความหมายสำหรับเขาเขาตอบว่าเขาบอกว่าลูกเป็นคนใจอ่อนเลยใช่เวลเขาไม่ต้องการฟังเราแล้วแต่ลูกมองว่ามันเป็นไฟเราจะวิ่งเข้าไปหาไฟทําไมอ่มันมันทําให้เราร้อนเองไม่มีประโยชน์มากกว่ามันมองคนละมุมเลเจ้าค่ะลูกว่าเราอยู่เฉยเฉยมันก็สบายดีทําไมเราต้องไปหาเรื่องให้มา ไปอย่าล้ำแฟนทำไมแล้วสมัยนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนเขาจะกลับมาทํากับเรายังไงเจ้าค่ะอันตรายมันเยอะมากขึ้นมาสร้างปืนยิงเราเะื่้งค่ะมันไม่คุ้มกันเลยเจ้าค่ะเขาก็มองว่าเราใจอ่อนแต่เรามองว่าเราไม่ได้ใจอ่อนเพียงแต่เราก็มีความสุขดีที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครมันดีกว่าไม่ใช่หรอมีเงินไม่พอเราต้องจ่ายทีอย่างสันติเร้่ค่ะ แล้ที่คุณพักเนี่ยจะคือลูกฝึกแล้วลูกไม่ได้มองถึงเรื่องของธาตุคือไม่ได้มองธาตุดินน้ําลงไปแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกแบบคือก็จิตของลูกมันจะไปในทางที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังคือในเรื่องของสังขารคือการตัดความคิดปรุงแต่งอะ่ะเจ้าคะ่ะทีเนี้ยลูกก็เวลานั่งเนี่ยพอมันเกิด <S 2> <S 2> <า>เวทนาเนี่ยมันมีความพอลูกสังเกตว่าพอคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์ปั๊บ คือพอคิดปุ๊บเวทนาเกิดคิดปุ๊บเวทนาเกิดพอลูกก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นลูกไม่ไปคิดถึงอะไรก็คือปล่อยให้เวทนามันทํางานของมันมันก็เลยไม่มันใช้วิธีการตัดแบบเนี้ยเจ้าค่ะแต่ลูกยังไปไม่ได้ไปมองแบบทา่าเด่อลูกต้องต้องไปฝึกมองท่าขันแม่เจ้าค่ะหรือลูกตอนนี้ยลูกมองไตละกับกับการตัดปรุงแต่งนะเจ้าค่ะก็ได้เหมือนกันตั้งแต่เราจะใช้วิธีไหนนะอ๋อ เราตัดตัวตัดตัวตัวทุกเนี่ยเราไปตัดตัวเพราะทุกมันเกิดจากความคิดบุ๋มแต่งใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะได้เราจะใช้อนิจจังก็ได้ใช้ทุกไปได้ใช้ตั้งต่างก็ได้แต่ลูกแต่ลูกไม่แต่แต่ลูกยังไม่ไม่ต้องไปมองธาตุขันก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าตัดตรงนี้ได้ถ้าตัดได้ตัดสมูทายได้ตัดความคิดบุ๋มแต่งได้ล้วมันก็มันก็ดับทุงได้เจ้าค่ะลูกลูกรู้สึกว่าพอพอฝึกเรื่องตัด บุงแต่งต่อเนี่ยอย่างแบบ<ม>บางทีอะไรที่มันเข้ามาแบบ ก, กัดเราหรือเมื่อก่อนเราจะคิดไปไกลว่าอุ้ยเราจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยพอมันเริ่มจะคิดปุ๊บลูกก็รู้แล้วว่าคิดไปมันจะเริ่มทุกลูกก็จะตัดต้นของความคิดแล้วก็มันก็จะไม่ต่อเจ้า <นะ S 2> ค่ะเพรา ะ, <น>ะ<ม>อะไรมันกระทบกับร่างกายมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเจ้าค่ะมันรู้ต้เนเหตุของความทุกข์ก็คือความความคิดชั่วร้ายนี่มันอยู่คิดมันก็ไม่ทุกข์ อ๋อแปลว่าถ้าถ้าอย่างงั้นถ้าจิตของรูปไม่ไปมองที่ธาตุขันก็ปล่อยให้เขาคิดเรื่องของไตรัชแบบนี้แล้วก็เรื่องของการตัดบ่งแต่งได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะได<ต>้รู้สึก ม, ม, มันเฉยขึ้นมัน ก, มนก็มันก็ตัดปัญหาได้หยุดความคิดมั้แต่ง ไ, ได้มันกจบเจ้าค่ะมันไม่มันไม่ค่อยไปไปค่อยไปต่อแล้วไม่ค่อยทุกข์ร้อนไปต่อเจ้าค่ะมันจะมันจะดีของมันขึ้นมาเองพอรู้ว่ามันจะเริ่มคิดแล้วทุกข์มันก็จะปุ๊บแล้วก็ ตัดออกว่าเจ้าค่ะ อ, อย่างนี้ได้นะเจ้าค่ะด้านาดับความรู้ได้ก็ใช้ได้เจ้าค่ะกบขอบคุณเจ้าค่ะวันนี้ลูก<แ>มีคําถามจัวนี้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะคุณเลวกับคุณลุงศุภนิพนธ์วโริพัชราพรงานค่ะถัดมาสการศึกษาหลวงพ่อเป็นยังไงไม่แน่ใจกันนที่ ฟังอยู่ด้านนอกเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนั้นไปขอโทษสามีเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยปิดวาจาแล้วก็ลดตัวไปเป็นเจ๋วเจ้าค่ะเออนั่นดีขึ้นไหมเจ้าค่ะคุณดีขึ้นแบบโอ้โหแต่อัตราตัวตนนี่มันพอมันขับมาเนี่ยมันมันไอ้วันที่จะขอโทษเพราะเนี้หลวงพ่อมันมันรู้สึกว่ามันมันรู้สึกมันมันยากอ่ะมันรู้สึกแบบ เราเราก็ถ้าไม่หลงพอวันนั้นพอมติงเสร็จแล้วเจ้าค่ะก็พ่อลับประมาก็ยกชาไปเขาแล้วมันก็กล่าวว่าขอโทษมันก็ยังรู้สึกว่าคือเราไม่ได้ผิดอะไรนะก็เดินกลับมาแล้วก็อ๋อเราเป็นคาถาคตนะเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อถ้าวันนี้ไม่ไม่ได้ก็คือไม่ผ่านแล้วฉันก็ไม่ผ่านก็เลยเดินกลับมาอขอโทษ เราคิดว่าเป็นแจว่ะทวงแล้วนะที่จ้าบอกให้ทําตัวเราคิดเหมือนเราเป็นปัตถภีเป็นแผ่นดินข้าหลวงก็อันนี้ลูกลูกก็ยอมรับผิดเลยตอนนี้เขาก็เขาก็พูดอะไรเราก็เลยก็ยอมรับฟังยอมรับผิดยอมหยุดเย็นยอมหยุดเย็นยอแล้วก็หยุดต่อสู้ใจก็จะเย็นสบายปล่อยเขาไม่อยากจะพูดอะไรก็พูดไปไม่อยากจะบ่นอะไรก็ปล่อยเขาหมดเจ้าค่ะก็ยอมรับก็ เขาจะตกแต่งยังไงจะทำยังไงก็ทําปเลยแล้วก็เลยก็เลยปิดตาปิดหูปิดปากเอยเ อ, อฉันเป็นเจา้าพอพอาะเพอะไรเออฉันเป็นเจา้าแล้วก็วางเฉยแล้วค่ะวางเฉยวางนิ่งก็อย่างการตรัเป็<ใ>นเ <ใน S 1> จ้าได้สบายอยู่ที่ไหนกับใครไม่เดือดร้อนไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครด้วยใช่ค่ะโอเจ้าค่ะ พ่เขาจะพูดอะไรก็ก็ ก, ก, ก็โอเคยอมรับผิดหลราฟังเขาก็เขาก็ไล่ยาวอะไรบอว่าอะไรก็ปล่อยเขาอยู่คนเดียวเราก็ปิดตัววิเวงนั่งสมาธิท<สะ>่นเขาก็ไม่ทำหลวงพ่อจะพาลูกก็เลยตอนนี้ต้องกลับมาทําหน้าที่มานั่งทานดินเนอร์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแต่ว่าใจมาทาไปว่ายังมีความจําเป็นต้องทำํำก็ทำมาเจ้าค่ะก็แต่ว่ามัน ใจไม่ได้ไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้อะไรก็เห็นแล้วก็พิจารณาพิจารณาไปทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นพอเห็นใจกระเพื่มอมหย่อมอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหจะเข้าแล้วโทรศัพท์แบบเสื่อมเจ้าค่ะมันก็ติดติดตับตับแล้วก็ใจมันก็ใจก็กระเพื่อมเข้ามาจะเป็นมา่ก่อนเราก็จะรู้สึกวแบอ ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแล้วจิตลูกจะแบบบางทีถ้าเขาขับรถก็จะเร่งเขาขับเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอตอนนี้ก็นิ่งเฉยแล้วพอเข้าไปได้เพราะว่าโทรศัพท์แบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วก็รู้สึกว่าโอเคใจเรานิ่งตอนแรกก็เห็นว่าใจมันก็เพื่อมันนิดนึงแล้วลูกก็พิจารณาไปว่าอ๋อมันก็เหมือนสังขารลูกตอนนี้ลูกรู้สึกป่วยแล้วก็ถ้ามันไม่ไายมันก็ต้องปล่อยมันไปแล้วโทรศัพท์มันมันพังแล้วเนี่ยลูกพยายามจะยืมมันแล้วมันก็ มันก็เหมือนสังขารทุกอย่างเปตาหน้าตานี่รูปก็ลูกคิดถูกเป็นเจ้าข้าหลวงพ่อเเมืองเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญมเสียงเป็นธรรมะกิมีการมดัเป็นธรรมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะดาวขอพระพุทธองพ่อในความเคารพงานเดียวเป็นงานเดียวครับสบายดีย่งทางานเยอะหไรเรียบร้อยแล้วจ้ะค่ได้ที่ไหนได้ที่เวสต์มินสเตอร์ที่ลอนดอน จะเรียนอะไรอีสว่าเป็น business management business management นันจะเริ่อาจารย์นเมือนแม่ใกล้จะปิดเทอมไหมครัตุลาครับก็ต้องไปอยู่ออสใช่ไหมครับยังไงออกมบมีใจไม่ได้ไปจากแม่แล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันก็ดีอยากสียอย่าง ไอยู่คนเดียว่าต้องคืนตัวองนะไม่มีใครมาช่วยเรานะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงวันที่บอกให้หัดสัมผัสให้ได้วันนี้บอกว่าให้ไปหัดเปิดเครื่องสักผ้าอยู่จนถึงหลวงพ่อหัดทำเองทุกอย่างนะครับหาอาหารกินเองอะไรเองนะครับตอนเป็นเพื่อนเราตอนนะครับอันนี้ก่อ น, นนะ S <S สาธุไปหลวงพ่อ ม, มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจค่ะวัอนี้คุณหมอสุทธาเสนต่ อ, อหมอปทุทานีมีอะไรหมธรรมสถานท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคาถามเจ้าค่ะโอเคงั้นไปที่คุณท่านน้าพลอยคุณทนคนจน้าพลอปทุรังกลับมาธมสก า, านครับอาจารย์มีอะไ ร, รบ้างก็ มีคำถามนิดนึงนะครับคือบางครั้งรู้สึกตัวเองประมาทในทานในทานในทานเล็กๆครับอย่างเช่นบางทีก็มีเพื่อนที่ที่อาจจะบอกบุญในลักษณะที่แบบว่าเหมือนกับจัดตอกไม้ถวายพระหรื อ, อการปิดทองหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีเราก็รู้สึกว่ามันมันมันยางยังไม่ได้เป็นบุญที่ ยังประโยชน์เท่าไหร่ครับเราเลือกได้ในการทําบามดีเราเลือกในในในในสิ่งที่เราชอบทํำได้แต่ละคนมีความเห็นไม่เหมือนกันบางคนบางคนใยากจะทํามดีด้วยการประดับหวังไม้ก็ทำไปถ้าคนยากจะทำโรงพยาบาลก็ทําไปมีเงก็ทำไปได้เลือกทําได้แล้วแต่เราครับทีนี้ประเด็นมามาเป็นตรงนี้ครับคือคือเรามองว่าการ จะจะจะทําทานอะไรที่บุญที่เกิดตรงนี้มันก็คือเป็นกุศลจิตที่เกิดตอนที่เราทําตรงใ น, นเวลานั้นซึ่งมันก็จะสะสมไว้ไว้ไว้ในจิตรเราใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าถ้าถึงจุดหนึ่งที่เราต้องใช้เนี่ยถ้ามันมีกุศลจิตเยอะมันก็จะยังผลให้เราเราได้ไปเราไม่ไปอบายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่พอเราบางทีเราก็ามาจกทว น, นกันว่าเอ๊ะบางทีเพื่อนเนี่ย เขาก็จำได้นะว่าเขาทํา น, นู่นทํานี่ทํานั่นก็ทําที่นี่ทําอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือเขาก็จําได้เป็นเป็นเป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ในขณะที่เรารู้สึกว่าเราก็ทําแต่ว่าเราเราทําแล้วเราเราเหมือนกับเราไม่ได้ยึดว่าเราทําที่ไหนไปแต่เราก็รู้ว่าเราทําไปตรงเนี้ยที่เราทําทําไปนี่มันมันเกิดประโยชน์กับกับโลกเกิดประโยชน์กับศาสนาหรืออะไรเงี้ยครับแต่เราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปยึดระบุว่า จำได้ว่าไปทําที่ไหนอย่าง้ยอะไรเงี้ยบางทีไม่มมนไ่ต้องจำการทําบุญทําทานเนี่ยก็จะตัดปล่อยวางในการยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้ากับเงินทองมากกาก็ก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าเราทําบุญเราก็ทําเพื่อละเราไม่ได้ทําเพื่อรับใช่ไหมครับใช่แต่ที่มีคนนํามาแล้วก็รับไปตามตามัจจแต่เราไม่ต้องไปกังวลว่ามันมาไม่มา ในในช่วงจิตสุดท้ายเนี่ยถ้ามันมีของมันเองมันจะนึกได้หรือนึกไม่ได้มันก็มันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่เนจิตสุดท้ายมันอยู่ที่ผลลัพธ์ของบุญกับบาปที่เราสะสมไว้ว่าอันไหนจะมีตั้งมากกว่านันครับครับก็ครับก็พยายามทําบุญให้มากมาทําบาปเมื่อไหน่ได้เลครับแล้วก็ไปดีครับบางอย่างในบัญชีเนี่ยขอให้มีเงินฝากมากกว่าเงินกู้ก็แล้วกันอะไรใช่ครับใชีครับ ตัง่กู้้างกา่ามันก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าบางทีเราเผอไปไปไปประมาทอย่างนี้ปุ๊บเราไม่มีเรไม่มีไม่มีเอล้ไครับไม่อแลครับครับครับก็ไม่มีให้มากทำบาปให้น้อยแล้วแล้วกันหลักนี้แล้วก็จะปลอดภัยครับโอเคครับไปที่บนแอปนะแอปแอปอยู่ที่ไห การพมัทกา ร, ร ค, ครับพาาอาจารย์ว่ามอะไรมีคำถามไหมครับมีคําถามครับอยู่เชียงใหม่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับก่อนบางทีก่อนที่จะนั่งสมาธิมันมีอาการปวดหลังปวดขาช่วงประมาณช่วงบ่ายเนาะก่อนก่อนนั่งแต่มันมันเป็นมันเป็นอาการที่เป็นอย่างเป็นอยู่แล้วนะครับแต่เวลาไปนั่งปึ๊บช่วงบ่ายช่วงบ่ายที่คือฟังอาจารย์ครับ ออกมามันหายครับอาจารย์มันมันมันเกิดจากอะไรครับก็ไม่รู้เหมือนกันแนหะมันหายเพราะว่าเป็นอนิจจังไปแล้วทําให้ไราไม่สนใจมันเกิดจากอะไรมันไม่เทครับครับมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาครับพระอาจารย์ครับอ่าแล้วมีอีกคําถามหนึ่งครับการการดื่มสุราทําไมถึงไม่บาปครับพระอาจารย์เอามันยังไม่ไปทำให้คนอื่นเสียหายไง ถ้าเดืมดแนอนมันก็ไม่ไมันก็เมือนเป็นยานอนหลับไปนั่นเ้งและอย่างนี้กันจำบ้างว่าตามเมื่อเรากินแล้วไปขับรถชนมาหนึง่งตายเนี่ครับแล้วอย่างนี้การที่เรารักษาสิ่งห้าอยู่เป็นปกติถ้าเราเดื่มสุรานี่ถือว่าเราลักษิ่งห้าไม่ปกติใช่ไหมครับไม่ไม่ปกติัแล้วเรารักษาแค่สีข่ข้อข้อที่ห้าไม่ได้รักษาครับแต่ถ้าเรายังรักแทรักษาอยู่ปกติเราก็ไม่ควรดื่มใช่ไหมครับใช่เพราะถ้าเราเดือดว่าเด๋ยวเราจะไปทําผิดข้อหนึ่นได้ อ๋อครับเพราะเวลามาเวลาเมาพวบคูมาลมไม่ได้เนี๋ยวก็อาจะไปมีเรื่องไม่ดีคนหนึ่งได้อ๋อครับอาจารย์แล้วก็อีกคําถามหนึ่งครับก่อนหน้านี้เห็นมีคุณที่เขาถามการฟังคําในห้องน้ํำอาจารย์บอกว่าไม่เหมาะสมส่วนตัวเองผมบางทีเอาหนังสือเข้าไปอ่านอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ถ้าเป็นหนังสือธรรมะก็ไม่ไม่เหมาะสมอ๋อครับ แล้วก็ครับครับก่อนหน้านี้ครับก็มีอาทิตย์ที่แล้วที่บอกพระอาจารย์ว่าเกิดช่วงมันอ่าคือมันปวดในช่วงทวาวรนะครับพ่อาจาันแล้วคือผมเองผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทานยาแฟนเองเขาก็บอกให้ขอร้องเถอะให้ทานยาผมผมก็บอกกับกับเขาว่าขอข อ, ขอใช้ธรรมะโอสถแล้วกันครับแต่แล้วก็มันก็ผ่านมันอาทิตย์แล้วครับช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็คือเหลือการปวดจากสิทธ ก็เหลือประมาณแค่หนึ่งครับประมาณนั้นครับอาจารย์ก็ไม่ได้ทานยาอะไรก็ปล่อยให้มันเฉยๆไปครับก็ดีครับแต่การกันก่อ น, ก, อนก่อนเป็นโควิดก่อนเป็นโควิดผมจะตื่นมาก็อันนี้ผมส่งกันบ้านหน่อยครับอาจารย์ก่อนเป็นโควิดเนี่ยก่อนผมก็จะตื่นมานั่งนั่งนั่งกำหนดลมครับแต่หลังจากโควิดขึ้นมาเพิ่มก็ไม่ได้มันมัน มันลบไม่ไหวครับแต่ก็ยังไปได้ใส่บาตทุกวันแล้วก็มีแค่ช่วงบ่ายบ่ายสองสักหนึ่งชั่วโมงก็นั่งสมาธิฟังพ่ออาจารย์แล้วก็ก่อนนอนครับมันก็ทําได้อยู่ครับประมาณนี้ครับทําไปก่อนแล้วกันนะัทําเพิ่มได้ก็เพิ่มไปตามกำลังครับแต่ก็คือการเจริญสติก็พยายามฝึกอยู่ตลอดครับอาจารย์โอเคได้สาติครับครัล้นี้บัดนะครับอาจารย์สงบนะ คุณชชยานี้คุณชยชยันี้กับมัศกรารพอาจารย์เจ้าค่ะก อ, อทำพอใช่ไห ม, มจะขออุบายหน่อยเจ้าค่ะอุบายยังไงอุบายคือล่าสุดแท้กิเลส ช, ช็อปออหอเหล็กมาเเจ้าค่ ะ, ะแล้วทำไงเนี่ย ต่อไปก็อย่าไปดูของที่เขาขายเลยอย่าไปสนใจถ้าไม่จําเป็นอยต้องซื้อของจําเป็นก็อย่าไปดูมันจริงเสื้<ม>อผ้าก็มีเต็มตู้แล้วใช่เจ้าค่ะมันก็ล้นเลยแหละและ้วก็แบบเยอะมากมชอบแต่เฉพาะเวลาที่เราต้องขาดแคลนนะต้องซื้ออะไรแล้วก็ไปเข้าไปชอบ<ล>นึงถ้าไ่ายอย่าไปสนใจเลยล่าสุดอะค่ะอาจารย์คือพาลูกสาวไปเรียนร้องเพลงแล้วทีนี้ ไปเจอเสื้อที่แบบว่าตามหามานานแล้วก็พนักงานอะ่ะเขาเดินขากระเพกกระเพกอ่ะค่ะพระจัอืสองสารเขาอ้างอางสงสารเขาไม่ว่าจริงอย่างได้ถ้าไม่อยากได้น้อยก็กรเพกไงก็ไม่ซื้อไม่ใช่หรออืมคือก็มีผู้รู้ผู้คิดนะคะว่าเห้จริงๆมันก็ไม่จำเป็นหรอกแต่ผู้คิดก็บอกว่า แต่เขาก็เจ็บขานะถ้าจะทํ า, เ, าทเพื่อเขาก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นได้ถ้าเราเพื่อเขาจริงๆซื้อมาแล้วเราก็แล้วก็เอาไปให้คนอื่นเป็นของขวัญให้เพื่อนที่ขายไปก็ได้ได้เจาค่ะเดี๋ยวให้ลูกอาวมันจะได้พิสูจน์จริงๆว่าเราทําเพื่อใครกันแน่<า>ทําเพื่อเร า, เราทําเพื่อคนพิการค่ะก็ก็จะเป็น ที่สูจน์โอแต่ที่จริงตัวซิ่วแพงมากเลยนะคะอาจารย์ท่านอาจจะได้ยังไงคุณเห็นว่าเราเราตัดได้ไหมเราปล ong ได้ไหมเราละได้ไหมปล่อยวางได้ไั้มพระอาจารย์ถ้าคาจัดการยังไงกับความใจอ่อนของเราดีเพราะว่าต้องมีคำเด็ดขาดเง<ใ>น<ข>ินตอนผิดรู้ว่าผิดอะไรถูกก็ต้องทําไปทำในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิดก็ไม่ทําค่ะอืม คือพอดีที่บ้านนะคะ่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแมวน้องแมวเพิ่งมาแล้วแบบคือปกติเลี้ยงแบบอาหารข้างบ้านอ่จจะเป็นพวกนกหนูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามาให้อาหารอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือเขามาแล้วเหมือนว่ามีแววว่าจะมาอีกอะคือทำยังไงกับอย่างนี้ดีเจ้าคะ่ะอาจารย์ถ้าเราไม่เอาเข้าเข้ามาในบ้านเราแล้วก็เลี้ยงก็าตามตามเคยเข้าถ้าเข้ามาก็ให้กินไป อ๋อได้ค่ะเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือตั้งใจจะแบบตั้งใจจะปฏิบัติแบบว<ม>่าแบบสเตรทเลยก็คือแบบตรงเลยแต่ก็มีอันนี้ก็เป็นการอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาให้กับสัตว์แล้วสัตว์ก็มาพึ่งเราเราก็ให้เขาพึ่งได้แต่ไม่ให้เขามาทำให้เป็นภาระกับเราเพราะ่ เรามีแล้วก็เลี้ย ง, งไม่มีก็ไมเลี้ ย, เยงเจอเขาพอเลีไม่เจอก็ไมเลี้ยงไม่ไปไกังวลอะไรกัเขาได้ค่ะอาจารย์แต่รับมาแล้วก็ต้องดูแลให้ถึงที่สุดใช่ไหมค่ะถ้าเร า, าเลี้ยงแ้มันก็ปเป็นลูกของเราแล้วใช่เจ้าค่ะอ้ อ, อน ม, มากอ่ะแล้วเรา้ยงไปถือว่าจะเป็นลูกเราในอดีตชาติก็ได้ค่ะตอนนี้ก็มานอนที่เท้าอะค่ะน้องแนวเลีเเเ้ยงไปค่ะแล้วก็ จะถามเรื่องส่วนตัวพระอาจารย์นะเจ้าค่ะตอนนี้พระอาจารย์เหนื่อยไหมเจ้าค่ะโอ้สามชั่วโมงอราไม่หลับเพลดีนั่งคุยไปเราได้ทั้งเรไม่มีปัญหาอะไม่หยุดไม่ไ ม, ไม่ไม่พักฉ่ำน้ําเลยนะเจ้าค่ะก็มันเพลเินมันไม่เด็กสินาทีก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็เรื่องค่ะเวลาทำอะไรก็ใจเราไม่กล้าไปจดจ่อก็เรืองอะไรก็อยู่กับเริ่มเดี่เาทำเ ได้สิค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือหน่อยค่อนข้างเป็นห่วงสุขภาพพระอาจารย์พอดีบินทบาตจะชอบดูแลสดพระอาจารย์นะคะเจ้าเห็นเท้าพระอาจารย์บัวมาเจ้าขาเขาไม่เป็นไรแต่ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเป็นเรื่องของการได้ยาได้วัคซีนยังไม่หายอีกหนาเจ้าข้ายังไม่หายเลยมันก็ดีขึ้นมันลดมันลดการการรวมลงไปเยอะนะ อืแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเดินทําอะไรได้ตามปกติทุกอย่างไม่ต้องกนนะังวลอค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ทุกอยากอยากทราบ <c oughs> ไว้ไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำนะํทำอะไรกับําได้ทุกอย่างปกติเจ้าค่ะแล้วก็ออีกคําถามเดียวเจ้าค่ะคือการหน่อยยไม่อ่ทุกคนอยู่แล้วยังไม่เคยตายแต่ว่า ตายอันนี้คือแบบแทบทุกคืนก็รู้สึกว่ายังประมาทตามที่พระพุทธเจ้าบอกพระอา น, นุนนะเจ้าค่ะแต่ไหนมองว่าการฝึกตายยังไงก็การการตายก็คือว่ายังไงมันก็คือความไม่สบายตัวถูกไหมเจ้าค่ะการตายมันก็มีสองส่วนการตายมันก็จะมีความเจ็บปวดด้วยเจ็บปวดตามร่างกายแล้วก็หยุดหายใจนั <c oughs> ้นมันก็ อันนี้เอาที่เราจะต้องฝึกทำถ้าค่อนเจ็บปวดแล้วก็ทำฝึนั่งสมาธิให้มันเจ็บแล้วก็อย่าขยับทําใจให้อยู่กับความเจ็บไปฝึกแล้วครับความเจ็บปวดให้ได้ถ้าต่อไปเวลาตายมันจะได้ไม่อออกมานได้ส้าก็ต้องยอมรับกับความเจ็บปวดที่มัน เวลาฝึกใช้สติพุโทโธพุโทโธไปเวลาเจ็บปวดก็ต้องพุโทโธทุทโธพุโทโธไไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปแก้ค่ะพระอาจารย์เจ้าคะพอดีได้ยินที่ อ, อ, อกเตรวีคุณหมอวีนะคะพูดไว้ว่าเรามีเส้นทางแล้วก็มีแผนที่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีไกด์อย่างพระอาจารย์เราจะไปได้ไหมคะไม่ได้แตอาจจะช้าหน่อย เออมันต้องคำทางไปต้องคำทางไปใช่ไหมคะแต่ถ้ามีพรมีไกด์อย่างพระอาจารย์กด ง, ง่ายเหมืนอนเราไปเที่ยวต่างประเทศแหะถ้าเราไปเที่ยวเองก็มีไกด์พาไนอย่างง่ายเหมือนก็มีคนเคยใช่คะ่ะมีไกด์ง่ายมาเราไม่ต้องทำอะไรต่างก็ไปเลยถึงเวลาเขาบอกไปไปที่ตรงนี้กันขึ้นรถคันนี้เราไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เขาพาเราไปไปถึงแล้วเขาเอธิบายด้วยว่าที่นี่เป็นยังไงมีประวัติความเป็นมายังไงความสําคัญยังไง เราก็ไม่ต้องไปค้นคว้าหาด้วยตัวเราเองมันสบายกว่าถ้ามีคนนําทางคือก็ถึงก็ถึงมีไกด์ไงฝรั่งมาเมืองไทยก็ต้อ ง, องมาพบไกด์คนไทยค่ะคือตอนนี้หน่อยไหน่อยเจอผ้าจา์เหมือนกับว่าเหมือนผ้าจาย์เด็ดนิ้วปึ๊กอ่ะมันเหมือนทาน้อสอะคะ่ะเด่นนิ้วปึ๊กเหมือนสติกลับมาทุกอย่างเหมือนแบบสัญญาทุกอย่างกลับมาหมดเลยเจ้าค่ะเหมือนแบบว่า อืมรู้แล้วต้องแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือแบบขอบคุณพระอาจารย์จริงๆเลยเจ้าค่ะที่แบบตามค่ะรไม่เป็นไรแหละเราทําหน้าที่ใช้หนี้ไงญาโยมได้ม า, มาแล้วก็ต้องทดแทนคนหน้าที่ของพระก็คือสอนญาโยมญาโยมหน้าที่ของญาโ ย, ยมก็คืเรี้ยงพระให้พระมีข้าวกินอย่างละวันโอ้ยพระอาจารย์ฉันน้อยมากเลยเจ้าค่ะ มิดเกลียวจรงเหมือนกัยังต้องช้านอยู่น้อยมากก็ถือว่าต้องต้องรบกวนญาติอยู่เพราะเราไม่มีเงินซื้ออาหารเองได้จ้ะค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากๆเจ้าค่ะตอนนี้เป็นเวลาใช้นี้อยู่หรอเวลาสั่งอนญาติอยู่ก็เป็นการใช้ต้นใช้นี่ใช้ค่าอาหารใช้ค่าที่ว่าสัยทุกอย่างอย่าพูดอย่างนั้นเลยจะขับว่าอาจารย์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะที่จริง ก็คือเหมือนลดอัตราตัวตนอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมจ๊ะพี่ใช่ถ้าพูดตามความเป็นจริงด้วยมันเป็นอย่างนี้เมันมีเป็นหน้าที่อยู่ดีๆจะไปอยู่ฟรีกินฟรีได้ไงใช่ไหมถ้าใครมันอยู่บ้านเราอยู่ฟรีกินฟรีแล้วก็ต้องให้หวามให้เขาทาอะไรให้เราบ้างใช่ไหมจะน้อยกว่าบ้านให้เราตัดหญ้าให้เราอะไรบ้างค่ะคือที่จริงลดอัตราตัวตนนี่ ถ้าเรารู้สึกตัวได้อะหรือเหมือนเรามีสเติหยุดดีดบนิบ้วเราก็จะแบบเหมือนเราโกรธใครเหมือนเราแบบอะไรยังไงอะไรแบบคือแบบมีอารมณ์ขุ่นมัวนิดหน่อยเราก็สามารถหายได้เลยนะเจ้าคะใช่ในตัวตอนนีด้ดีสบายคิดว่าเราเป็นแจ้วก็เป็นเจ้า น, นาย แ, แ, แล้วเขาจะด่าไรเราก็ด่ากันได้สีเจ้าคะ <laughs> <Okay S 2> โอเคนะเวลาใกล้จงหมดแนละ้วเนี๋ยต้องไปอขอบขอบคุณมากมากค่ะ<ห>มสมท<ถ>่านผนวาระอาจารย์นะเจ้าค่ะแม่ชีพม่เหนียวมีอะไรไหมกลบมารประาพระอาจารย์ค่ะไม่ไม่มีปัญหาอะไรโอเคเนีไปที่คุณปุ้ยจ้าป้คุณจากลักเซมเบิร์ก กรรมลมัส่สการค่ะพระอาจารย์คุณ<อ>ปุ้ยรักซึ่งไหมดหนึ่งนาทหีหนึ่งนาทีนะเร็ว <laughs> หนึ่งนาที <laughs> คุณปุ้ยไม่มีอะไรครับปฏิบัติตามพระอาจารย์แต่คุณจะมีแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์จะต้องแกะตัวขี้เกียจออกคะ่ะอแต่ก็พยายามแกะแกะได้คะ่ะพยายามท<อ>ำตัวเองใช่ค่ะเอพราะปุ้ยใช้เอ้ากฐาชินบำชนช่องกฐาช่องช่องช่องช่องให้มันเร็วเร็เรเรอย่างนี้ แล้วทีนี้พอรู้สึกเรากลับกระสุ้นรู้แล้วทีนี้เรากลับนั่งสมาธิได้เหมือนเดิมถ้าไม่งั้นมันม่วงนอนเลยเลยเพราเวลานั่งต้องหาอบายสู้กับความความคิดใช่ค่ะแล้วก็ดีโยมก็โยมยมยมก็ไปฟังพระหลวงปู่เหรียนแล้วบอกว่าให้อธิษฐานจิตโยมก็เลยอธิษฐานจิตจะขอบุญทุกชาติทุกภบเลยมาช่วยเหลือโยม ให้โยมมีจิตที่เข้มแข็งให้ชนะมานให้ชนะกิเลสให้ได้โยมก็เลยทําได้ค่ะโอเคดีมากใต่โยมอ่ะนะเอไอพ่อจารยหายบอลเหรอวันนี้โยมบสชาไม่ขอแล้วถ้าขอก็ไมถ้าขอก็จะไม่ให้จะไม่ให้ถ้ไม่ขอก็จะให้ขอให้ศักดิให้เจริญให้ร่ำให้รวยสวยไม่สา่บานไม่รู้เลยนะ รีบรำเลยกันค่ะด <Okay. S 2> ูค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> ขอให้พรอาจารย์มีสุขภาพทาดขันเฉียงแรงนะคะอ <Yeah. S 2> กับ บ, าากบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงค่ะม yeah. าที่คุณวาลิสาวริษาอยู่ที่ไหนไปใมก่อนจ้าไปใหม้ก่อนกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนจ้าที่นอร์ทเคเลนา อเมริกาค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกใช่ค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกท่านก็ติดตามฟังพระอาจารย์ค่ะแล้วก็พอมีคำถามเกี่ยวกับสมาธิอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยด้วยค่ะค่ะคือโยมนั่งสมาธิหายใจเข้าพุดหายใจออกโทนะคะทนี้ พอลมหายใจเริ่มละเอียดเราก็ตัวเราก็เหมือนกับหายไปอะคะ่ะแล้วก็หูมันก็ได้ยินไกลๆแต่ก็ไม่ค่อยรำคาญแล้วก็เห็นเป็นดวงสว่างขึ้นมาทีนี้พอพอเป็นดวงสว่างทุกครั้งก็จะตามแสงไปทีนี้รู้สึกว่าถ้าเราตามแสงไปเห็นนู่นนี่เราไม่ควรตามแสงเรามันเหมือนเราส่งจิตออกนอกนะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกว่า เดี๋ยวเรากำหนดเพราะว่าเราย่อขยายได้เราก็เลยกําหนดว่าเดี๋ยวเรากําหนดเอาแสงเข้าอมาอไว้ในตัวเราดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเหมือนกับตามมาไปดูอะไรเราไม่อยากเห็นแล้วเนี่ยค่ะโยมก็เลยกําหนดเอาดวงสว่างเข้ามาในตัวทีนี้พอกําหนดเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าอยู่ๆมันก็กลายเป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์หรือพระอาจารย์เห็นเป็นโครงกระดูกตั้งของเราตั้งแต่คอลงมาจนถึงแขนขาเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เห็นถุงที่หุ้ม ตัวเราทีหนึง่งแล้วก็เห็นจิตที่เหมือนเรามีตัวรู้สติที่ดูอยู่แล้วก็ร่างกายส่วนหนึง่งมีจิตที่ถูกขังอยู่มันก็ดิ้นทุรนทุรายมันเหมือนเราเราถูกขังมันออกไม่ได้ความรู้สึกตัวความรู้สึกอารมณ์ก็เป็นตัวหนึ่งที่แยกออกมาแล้วก็เห็นว่าไม่มีเราตัวเราไม่มีพระอาจารย์คะแล้วก็ตกใจเหมือนกับกลัวก็เลย ค่อยๆถอนสมาธิมาแล้วก็าพิจารณาว่าที่เราเห็นคือเราเห็นร่างกายเราเห็นจิตที่ถูกขังอยู่ในถุงที่หุ้มอะไรอยู่แล้วก็มีตัวรู้ผุดเด่นดวงขึ้นมาแล้วเป็นตัวที่หินอารมณ์อารมณ์ที่กลัวอารมณ์ที่ดิน้นทุรนทุลายที่เหมือนจิตขังแต่เราไม่เห็นตัวเราค่ะตัวเราหายไปไหนไม่รู้ค่ะตอนนั้นก็คือตกใจมากคนะอาจารย์แล้วก็เลย มาคิดว่าอันนี้คือเป็นการที่เราใช้ดวงสว่างมาเป็นประโยชน์หรือเราควรจะทิ้งเข้าไปหรือเราควรจะใช้เขาเพื่อดูไปดูเอาว้ยังอ๋ไม่ควรใช้ไหมไม่ควรใช่ไหมคือควรใช่ควรจะกลับมาี่ลมอย่างเดียวอย่าไปสนใจอย่างเซนด้วยปรากฏขึ้นมาค่ะอันนีเป็นดูลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปดูอย่าไปตามดูอะไรทั้งวัน เร า, าไม่ได้ทำสมาธิเราเรากาลังไปเล่นกับสสยศาสต ร, ร์เล่นกับอะไรนะอย่ า, อ ย, าอย่าไปทานั้นให้กอดติดขอบลมไปพูดเข้าโทรออกไปคจงกว่าจิตจะสงบแน่นแม้ว่าไม่มีอะไรหลงเหลืออยูนน่นั่นเรียกว่าเป็นสมาธิอย่งที่ปรากฏขึ้นมานี้เป็นภ้ามมายาทั้งนั้นเป็นนิมิต อาจารย์เป็นเป็นเป็นเปนนีแต่เป็นของปอมเป็นของเราเนี่ยแล้วเราไปเชดมุมกันงเนี่ยเราก็จะเป็นบ้าไปทํามันได้คิดเป็นเป็นนู่นเป็นนี่ไประวังนะถ้าหลินใจนี่อย่าอย่าไปสนใจอันตรายมากติดกับพุทโธแล้วกัลมไปอย่างเดียวตอนนี้ก็คือทุย่างมัจะหายไปเนี่ทุกอย่างมันจะหายไปเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นมาสักระยะแล้วค่ะเพราะว่า ไม่<ช>ไม่สนใจเพราะว่ามันน่าจะเป็นการออกนอกแต่มันอยู่ข้างในแล้วมันน่าจะเป็นใช่จิตลแล้วปรุงแต่งแเราปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งไปเลื่อยๆค่ะท่านตอนนี้ก็เลยถ้าไปเจอหน้ากลัวต่อไปก็จะไมกล้าหน้ามันค่ะท่านใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจ พ, พูดทรออกงี้ถ้พูดโทรอย่างเดียวก็ได้หายใจอย่างเดียวก็ได้ อย่อาอย่ทิ้งไม่อย่ายไปทิ้งพุทโธนเนี่ยไปทิ้งลมหายใจอ่าค่ะค่ะดูลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกเลยค่ะถึงอยู่ที่ทํา ง, งานก็ดูอ่าค่ะโอเคนะถ้ามีสติก็จะปลอดภัยจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาหลอกมาหลอกเลยค่ะหลังจากมันก็หายไปค่ะพระอาจารย์อส่วนเรื่องปัญญาเนี่ยเราทําตอนออกสมาธิได้ไม่ต้องไม่ต้องทําในตอนที่อยู่ในสมาธิ ก็อยากจะดูล่างกายกันนึกถึงอาการสารพิษส อ, อ ง, งขึ้นมาในใจเราก็ได้นึกถึงขมงขอนและปันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกนึกขึ้นมาในใจเราก็ได้นึกภาพค่ะพระอาจารย์คะอีกคําถามนึงค่ ะ, อคคะเ อ, อตอนที่นั่งสมาธิแล้วพอตัวเริ่มหายไปเสียงได้ยินแต่ไม่ลาคาญแล้วก็เหมือนก็มีลมอยู่ที่ปลายจมูกแต่ว่า อ, อ่แผ่วเบาอ่ะค่ะ ทีนี้ก็คือลมก็ละเอียดละเอียดขึ้นที่นี้ก็ไม่เป็นไรก็ไปมันดูตามความเป็นจริงไปมันจะละเอียดหายไปก็ก็รู้ว่ามันหายไปมันไปเฉยๆดูความว่างไปถ้ามันไม่มีลมก็ดูความว่างไปค่ะท่านเฮ้ยพอลมหายจู่ๆมันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะตุ๊บๆตรงหนึ่งตรงตรงท้องนะคะสะดือมันมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเองค่ะอาจารย์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจมาปุ๊บมันก็สว่างแล้วมันก็เหมือนกับเป็นดู เก็นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์วันเจันมันจะปรุงแต่งแล้วก็เอาพุทโธเอาพุทโธเนี่ยบอกพุทโธไปดีกว่าค่ะท่านกลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธก็ไม่มีลมไม่อยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็ได้พอลมหายก็ดึงกลับมาเลยค่ะเอออย่าให้มไปตามเห็นอะไรต่างๆค่ะท่านค่ะโอเคนะอาท่านนี้ก่อนนะไปลาหมดแล้วอบคุณพระอาจารย์ค่ะอ่าด่าทึง เดี๋ยวมีคําถามจากธรรมะเลยเวลามีกี่คําถามวันนี้นี้มีทั้งหมดสิบสองคำถามจากทางโอเคเอาเาลยคำถามแรกจากคุณมาเตอยากให้ท่านสอนเรื่องอนัตตาครับอนัตตาก็คือทุกอย่างไม่มีตัวตนเหมือนต้นไม้ธรรมะไม่มีตัวตนหน้ากายเราก็ไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่มีตัวตนเป็นเหมือนต้นไม้ใจผู้รู้ก็ไม่มีตัวตนใจก็เป็นผู้รเฉย คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวาสนากราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับพระวัดป่ากับพระวัดบ้านแยกการอุปสมบทกันไหมครับ อ, อ๋อไม่ยากคือมีพระป่า ก, กับพระบ้านถ้าอยู่เป็นนิกายเดียวกันก็ไม่แยกยิ่งธรรมยุทธิก็บวชบวชทั้งพระปา่พาพระบ้านได้มหา น, นิกายท่านก็บวชพระป่าพระบ้านได้ใช่ไหมธรรมยุทธ์กับมหานิกายนี่จะไม่บวชบนกัน ยากกันด้วยํำถามต่อไปจากคุณเมลอนกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าถ้านั่งสมาธิไปแล้วสักพักลมหายใจหายกายหายไปต้องทําอย่างไรต่อคะก็ดูต่อไปดูความว่างไปไม่ต้องทำอะไรดูดูอยู่เฉยๆไปดูว่าจิตคิดปูแต่กหรือปปรเปล่าถ้าเกิดปูแต่กก็หยุดมั คำถามต่อไปจากน้องหลินหลินกลับสอบถามเจ้าค่ะหนูผ่าสมองมาผ่าตาต่อหนูผ่าตาตอนนี้ใช้ได้หนึ่งข้างในการมองไม่เครียดเจ้าค่ะรู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดแผดเไม่ได้ทานยาเวลาเดินใช้สติสำคัญมากเจ้าค่ะ ตอนผ่าตาหนูก็พุทโธพุทโธยังลุยนั่งสมาธิได้ทุกคืนไปทํางานได้ปกติเจ้าคะ่ะความรู้สึกเหมือนยืมร่างกายมาเป็นอะไรก็เป็นพร้อมรอบททดสอบไม่ได้กลัวตายเจ้าคะ่ะแต่บททดสอบเยอะมากเจ้าค่ะหนูคิดแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะพร้อมอู่นั่งแ ห, หละจำใจเราเน่งเช้ไว้กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรก็ คำถามต่อไปจากคุณประธานเวลาฟังธรรมของพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วมีความทุกข์ความเศร้าจากห่วงคือลูกหลานแล้วมีอาการใจหายแล้วน้ําตาไหลพรากไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเรียนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับก็มันเป็นการจากความคิดปรุงแต่งของเราเนี่แหละ เราก็ให้รู้เฉยๆแล้ ว, ลวก็ปล่อยวางไปหรือมันเนของไม่เที่ยงเกินแล้วก็ดับไปดับแล้วก็ช่างมันไปใจเราอย่าไปทุกข์กับมันคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณทยัตนมัสการครับคำถามคืออาการของอุเบกขาคือแบบไหนที่เรียกว่าอุเบกขากรณีตัวอย่างเช่นเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าสังเวชสุดๆขึ้นมา ข้อที่หนึ่งเรามองแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรข่มใจให้เฉยเฉยเหมือนว่าไม่ต้องรู้ร้อนรู้หนาวอะไรข้อที่สองเราเดินหนีไปไม่อยากรับรู้เพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกอะไรกับสิ่งนั้นทำนองไม่อยากรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่สามมองดูรับรู้แล้วมาใช้พิจารนาว่า มันเป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปยึดเป็นอารมณ์ให้ปรงแต่งเพื่อจะได้ปล่อยวางการกระทำแบบไหนถึงเข้าข่ายคำว่าอุเบกขาที่แท้จริงครับเพราะทั้งสามแบบก็ทำให้รู้สึกเฉยเฉยได้หมดครับอันแรกนะอันแรกไม่มีอารมณ์อะไร คำถามต่อไปจากคุณเยี่ยหัวมีทั้งหมดสองคำถามคำถามแรกกราบแทบเท้าพระอาจารย์ขอรับการภาวนาพุทโธจนจิตสงบจําเป็นหรือไม่ที่เราต้องหลับตาครับสามารถใช้การมองหรือการเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนได้ไหมครับการภาวนาให้จิตสงบจิตต้องเข้าข้างในถ้ายังเปิดตาอยู่จิตมันยังติดอยู่ข้างนอกเข้าไปเข้าไปไม่ได้ เป็นั่านปิดตาดกนะปดตาปัญญาสงบได้ง่ายกว่าคำถามที่สองจิตเคยฟังหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปท่านสอนให้เราค่อยๆหายใจให้เบาลงสบายๆเบาลงไปจนถึงความสงบแต่ท่านพ่อลีสอนว่าอย่าไปพยายามสร้างลมหนัก ลมเบาปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันพร้อมคำบริกรรมสิจึงอยากกลับถามพระอาจารย์ขอรับว่าเราควรยึดถือแบบไหนแล้วแต่ละวิธีของครูบาอาจารย์แตกต่างกันอย่างไรกลับพระอาจารย์ขอรับของของลมพ่อรีน ย, ยถูกแะละ้ืล่ะอย่าไปยุ่งกับลมให้ดูลมเฉยๆลมจะไหละเอียดหรืจะอยาบก็ปล่อยมัตไปตางแนว่องเรอย่าไปบังคับลม มีสองคำถามจากคุณปียะค่ะคำถามแรกกราบพระอาจารย์ครับในครอบครัวที่พ่อแม่ขอเงินไปกินเหล้าหรือเล่นการพนันควรวางใจอย่างไรครับในกรณีนี้พ่อแม่เป็นคนพานใช่ไหมครับควรวางใจอย่างไรครับก็ถือว่าเป็นกรรมของพ่อแม่เารับผิดนี่ก็ยังไม่มีแสงสว่างแห่งธราสอนขาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงาม เป็นพลังเป็นพลังของเขาคำถามที่สองเมื่อเราโดนโกงเช่นซื้อของออนไลน์ควรระงับความโกรดนี้อย่างไรควรแจ้งคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นการทาบุญทาทานไปแล้วกันควรจะแจ้งความหรือไม่เพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องทำต่อหรือควรปล่อยไปตามกรรมของเราครับก็ทำได้ทั้งสองอย่างถ้าเราอยากจะอยากจะไปแจ้งความก็ได้ ถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกับเขาเราก็คิดว่าเป็นการทําบุญ ท, ทาทานให้ไปแล้วกันคําถามจากคุณจอยขอคําแนะนําในการสร้างสติในการเลี้ยงลูกค่ะ อ, อ๋อก็ต้องดูว่าลูกกำลังทำอะไรอยูออ่แล้วก็ดูว่าเราไปคิดเรื่องอะไรต่างๆบ้างเปล่าอย่าไปคิดนะให้ดูดิเฉย คำถามสุดท้ายจากคุณอรณิชากล่าบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะที่บ้านมีนกมีสุนัขซึ่งไม่ทราบว่าเป็นครับเป็นของใครน้องๆชอบมาที่บ้านเจ้าคะ่ะเหมือนจะรู้ว่ามาบ้านนี้แล้วมีของกินน้องก็จะมาทุกวันแสนรู้ด้วยคะ่ะ ทุกวันนี้ก่อนไปเปิดร้านต้องเอาข้าวและน้ำวางไว้ให้ทุกวันนึกว่าเขาคงหิวเราเอาไว้ให้เขาเขาก็อิ่มทำแบบนี้คือเมตตาหรือเปล่าเจ้าคะเมตาตาแล้วนะการที่เราเมตตาคนงานกานที่เราช่วยเหลือเขาให้เขาไม่อะไรกินเปินะสิ่งที่ดีหมด้วใช่ไหม เหมือนล้วก็คิดว่าหวชเวลาพอดีเกินเวลามันไม่น่อยเนี่ยว ก, ก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดนิยตเจราณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขกาเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ยงขึ้นไปเถอ